ก็ความในมัชฌิมานิกายมูลปานาตนนะใ น, นี้มาขึ้นจุลศีหนาสูตรในอัตตกะฐานนาศสิบเอ็ดอ่านาสิบนะกล่าวถึงเหตุที่ทําให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงพระสูตรนี้ก็เรื่องของเรื่องก็เกิดจากเรื่องเกี่ยวกับลาบสการะคือพระสูตรทั้งหลายในพระไตรปิฎกเนี่ยนะบางอย่างอาศัยเรื่องราวคือเรื่องราวเนี่ย มีขึ้นมาคือมีเรื่องมีราวมีปัญหามีข้อโต้แยง้งหรือมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมตามเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างเช่นพระสูตรเนี่ยที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นพระสูตรที่เกิดจากเหตุการณ์เรื่องราวในยุคนั้นเนี่ยนะคือพวกเดรธีกลุ่มลทัทธินัก บ, บวชนอกาศาสนาทั้งหลายเขาเดือดร้อนในเรื่องลาบสการะนะขาดแคลนลาบสการะ หรือบางทีเนี่ยบางสูตรเกิดจากอัธยาศัยของผู้ฟังนะว่าผู้ฟังนี้เขามีอัธยาศัยอย่างไรพระองค์งก็สแสดงทำตามอัธยาศัยของเขาเหล่านั้นอัธยาศัยเนี่ยแสดงตามอัธยาศัยเนี่ยทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่แสดงตามกามัธาายาศัยส่งเสริมกามไม่ใช่แสดงเพื่อส่งเสริมโทสะไม่ใช่ส่งแสดงเพื่อส่งเสริมโมหะไม่ได้สดแสดงเพื่อส่งเสริมมิจฉาทิฐิ ไม่ได้ทรงแสดงเพื่อเพิ่มภูมบาปอากตศุลธรรมทั้งหลายเพราะคําว่าแสดงธรรมตามอัธยาศัยนั้นหมายความว่าอัธยาศัยของเขาที่จะเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมเหล่าใดเช่นอินทรีย์ของเขาอย่างไม่แก่กล้าก็แสดงให้แก่กล้าอินทรีย์ที่แก่กล้าอยู่แล้วก็แสดงให้บรรลุมรรคผลอย่างนี้แหละเรียกว่าแสดงตามอัธยาศัยบางทีพระองค์ก็แสดงธรรมตามอัธยาศัยของพระองค์เอง นะว่าเนื่องจากว่าพระองค์มีอัธยาศัยอย่างไรพระองค์ก็แสดงธรรมตามอัธยาศัยเหล่านั้นคือพระพุทธเจ้านั้นมีอัธยาศัยที่จะเห็นภัยในวะตะัตฏะมีอัธยาศัยในการเจริญโพธิปักคิยธรรมอันพระองค์ก็แสดงธรรมตามอัธยาศัยของพระองค์แต่ถึงแสดงตามอัธยาศัยของพระองค์ก็จริงพระองค์ตรวจดูแล้วว่าสิ่งใดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลาย แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแสดงทำตามคําถามคือมีมนุษย์เทวดาเป็นต้นเนี่ยมาถามปัญหาพระผู้มีพระภาคโปรองค์ก็แสดงคําตามปัญหาที่เขายกขึ้นมาถามอย่างพระสูตรที่เรากําลังเรียนอยู่วันนี้คือจุลสีหนาสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่แสดงตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นในยุคนั้นขณะนั้นคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะพวกเดรธี เขาเกิดการคร่ำครวญเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องลาบสการะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยลาบสการะของเขาเคยมีแต่ตอนหลังหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแนะสดงธรรมหลังจากที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกลาบสการะของเขาก็เสื่อมไป น, นะเขาก็เสื่อมจากลาบสการะทั้งหลายดังนั้นอาการที่เขาเสื่อมลาบสการะก็เหมือนว่าขาดรายได้ แการที่เขาขาดรายได้ก็สร้างปัญหาขึ้นมามีการโพธนามีการจัดข่าวมีการประโคมข่าวโดยประการต่างๆเพื่อที่จะเรียกร้องเอาลาบสการะคืนตามเดิมเนื่องจากว่าลาบสการะเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในโดยเฉพาะในสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังทรงพระชนอยู่เนี่ยนะก็เนื่องจากว่าโลกสันิวาโลกคือหมูสัตว์เนี่ย ถือประมาณหรือว่ามีประมาณสี่อย่างคือหมายคึงว่าถือเอาประมาณสี่อย่างสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยนะถ้าจะเลื่อมใสก็เลื่อมใสสี่อย่างถ้าจะชอบก็ชอบอยู่ในสี่อย่างนี่แหละคนที่บอกว่าเลื่อมใสที่ใดที่หนึ่งสัตธากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะไม่เกินสี่อย่างที่จะกล่าวต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยนะเป็นผู้ถือประมาณในรูปชอบรูป เลื่อมสรูปนิยมชมชอบอันสรรเสริญในเรื่องรูปสรรเสริญเรื่องรูปร่างผวิวพรรณเป็ น, นต้นเนี่ยนะบางพวกสรรเสริญในเรื่องของชื่อเสียงถือประมาณในเสียงเลื่อมสในเสียงอย่างพวกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือถือประมาณในความเศร้าหมองเลื่อมสในความเศร้าหมองแล้วก็ถือประมาณในความเศร้าหมอ ง, ม อ, ม อ, งอีกพวกหนึ่งคือทมเป็นประมาณเลื่อมสในพระธรรม อย่างยกตัวอย่างแรกที่บอกว่าผู้ที่ถือรูปเป็นประมาณผู้ที่เลื่อมสายรูปเป็นประมาณถามว่าเป็นอย่างไรเช่นบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นความเจริญขึ้นเห็นความเจริญเต็มที่เห็นความบริบูรณ์หรือเห็นสวดส่งแล้วก็ถือเอาประมาณในรูปอย่างความเลื่อมสายให้เกิดขึ้นในรูปนี้เรียกว่าถือประมาณในรูปอย่างสมัยนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะไม่ใช่น้อยเลยบางทีโยมเข้าไปเลื่อมสายพระที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะ เขาจะยกเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างผิวพรรณของพระรูปนั้นขึ้นมาบอกว่าเออเนี่ยพระรูปนี้นะงามอย่างนี้ดีอย่างนี้อ่บาบอกว่าถูกใจเขาอย่างนี้เขาที่เขาไปเลื่อมใสเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านรูปงามอันนั้นเป็นพระในในรูปร่างเหมือนกับที่เขาคิดเอาไว้อันเหตุผลหนึ่งที่เขาเลื่อมใสหรือเหตุผลใหญ่ด้วยซ้ำไปก็คือเลื่อมใสในรูปร่างหน้าตาของพระรูปนั้นอันนี้ก็มีอยู่เนี่ยนะได้ยินกันบ่อยๆ หรือแม้กระทั่งว่าอพวกที่พวกที่มีชื่อเสียงในโลกนี้เนี่ยนะเหตุผลอันหนึ่งที่ประชาชนนิยมชมชื่นนิยมชมชอบอันหนึ่งก็คือถืออะไรถือเอารูปเป็นประมาณเนื่องจากเขาชอบรูปร่างเอผิวพรรณเป็นต้นสวดทรงความสูงรูปร่างหน้าตาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะองค์รวมอันนั้นเป็นเหตุให้เขาชอบเป็นเหตุให้เขาเลื่อมใสก็เนื่องจากว่าเขาถือเอารูปเป็นประมาณเนี่ยนะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือพวกกลุ่มที่ถือเอาเสียงเป็นประมาณนะพวกนี้เลื่อมใสในเสียงถือเอาเสียงเช่นว่าพวกนี้ถือเอาเสียงโฆษณาพรรณน า, น า, นาชมเชยยกย่องของคนอื่นหมายาว่ามีการประโคมข่าวมีการโฆษณานะมีการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์ก็กลายเป็นคนดังไปเพราะนั้นก็หรือคนทั้งหลายไปที่ไหนก็กนนนมาช่วยกันสันเสริญมาช่วยกัน เสกมาช่วยกันเป่าซะจนเรียกว่าลมปากเลยนะช่วยสร้างขึ้นมาประชาชนก็นิยมชมชื่นบางกลุ่มเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสชอบคนดังเหมือนกันเถ อ, อะถ้าไม่มีชื่อเสียงไม่สนใจสนใจเฉพาะกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงแม้กระทั่งฟังธรรเนี่ยนะเขาก็จะแบบรายการเนี่ยมีใครามาแสดงธรรมบอกแสดงโดยพระผู้มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยโอก็แห่กันไปเถอะท่าพระรูปใดรูปหนึ่งมาแสดงธรรมประกาศคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกไม่ฟังอ่ะ จะจะต้องฟังเฉพาะจากคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนเด่นคนดังไปที่ไหนใครก็รู้จักอันนใครก็พูดถึงใครก็ยกย่องใครก็สรรเสริญอันบุคคลกลุ่มที่สองก็เรียกว่าคนดังนั่นเองเ น, น, นี่ยนะคนก็จะนิยมชนชื่นข้อหนึ่งในคนงามใช่ไหมชอบคนงามอย่างที่สองชอบคนดังคนมีชื่อเสียงเป็นที่ไหนใครก็รู้จักไปที่ไหนใครก็กล่าวขานถึงอันนี้เป็นเหตุให้คนเลื่อมใส บางขวกโอ้ไปเทียนโอ้คนนูก็รู้จักคนนี้ก็รู้จักก็เลยเลื่อมสายเลยปกติก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะแต่เลื่อมสายเพราะความเป็นคนเด่นคนดังญย่าที่สามพวกนี้ถือประมาณหรือถือความเลื่อมสายในความเศร้าหมองชอบความเศร้าหมองเลื่อมสายในความเศร้าหมองเช่นเห็นผ้าจีวรเนี่ยนะเครื่องนุ่งห่มก็ต้องปอนๆเศร้าหมองอนะนะพระปะผุมาตั้งหลายแห่งด้วยกันเนี่ยนะ ก็เลยเลื่อมใสาเนี่ยนะอย่างพระบางรูปเนี่ยท่านก็ผ้าท่านก็เยอะอนะแต่ว่าท่านจะใช้อยู่ไม่กี่ผืนเพราะฉะนั้นหลายๆที่หลายๆจุดมันก็มันก็เหมือนกับว่าปะผัวนะเอาผ้ามาปะมาดามแล้วก็มีอ่าค่อนข้างเศร้าหมองแหมสันโดษเหลือเกินเนี่ยก็เลยเลื่อมสในความเศร้าหมองของพระรูปนั้นในเรื่องจีวอบางพวกก็แม้ดูใช้บาทเนี่ยนะบาทราคาถูกมากหรือว่า เกี่ยวกับข้าวภาชนะข้าวของเครื่องใช้ใช้กะลาใช้ไม้ไผ่ใช้อะไรได้ท่านสันโดษจริงๆก็ความเศร้าหมองก็อธิบายว่าสันโดษเป็นคนสมถะ h a เลิศเกินเนี่ยนะใช้ข้าวของแหมประหยัดมากคนก็เลื่อมใสในลักษณะนี้อันนี้ก็มีเยอะได้ยินค่อนข้างบ่อยว่าที่มาเลื่อมใสที่วัดบางแห่งเนี่ยนะบอกที่มาเลื่อมใสวัดนี้ก็เพราะดูสิจีวลของท่านก็ง่ายๆเรียบเรียบสบายสบายเศร้าหมองเนี่ยนะ ท่านก็ไม่ไม่ไมฟุ้งเฟอ้อไม่เหอเหอไม่ทะเยอทะยานโ เ, เริ่มาสมากดูเข้าวของเครื่องใช้สิบาทท่านกุติท่านเซนาสนะท่านที่อยู่ที่อาศัยอะนะมเลยเริ่มสเลยเนี่ยนะหรือบางทีก็เริ่มใสในทุกกระกิริยาก็มีไอคำว่าเริ่มใสในทุกกระกิริยาก็หมายว่าทำในสิ่งที่ทำได้ยากอย่างพระบางรูปที่มีชื่อเสียงเหตุผลก็คือท่านนั่งมาราธอนสองวันบ้างสามวันบ้างเนี่ยน ะ, ะเหตุผลแค่เนี้ย เราไปมาตั้งหลายแห่งองค์นี้ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมเลยเลื่อมสายเรียกว่าแหมใครจะไปทําอย่างนี้ได้บ้างโอ้โองนี้นะ่เดินตะลุยเหลือเกินเนี่ยนะก็เลื่อมสายแกก็เรื่องทุกขะระกิริยาคือสิ่งที่ทําได้ยากเพราะฉะนั้นพอได้ข่าวว่าเออมีความพิเศษเด่นตรงไหนเช่นฉันมือเดียวมานานหรือว่าฉันอาหารนิดเดียวมานานฉันข้าวบูดมานานหรืออะไรก็ช่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนะี่ยคนก็จะเลื่อมสายเพราะทําในสิ่งที่ เขาอัศจรรย์ว่าเขาทําได้ยังไงทําโดยความทุกข์ความยากความลําบากแม้ก็ได้ข่าวเรื่องความทรมานเรื่องความทุกข์ร้อนเรื่องความเดือดร้อนแล้วท่านอดทนอยู่ได้ก็เลยเลื่อมใสมากพวกนี้เรียกว่าเลื่อมใสในความเศร้าหมองชอบเศร้าหมองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากลุ่มใดที่อยากให้คนกลุ่มนี้เลื่อมใสก็พยายามทําตัวให้ดูลําบากที่สุดเท่าที่จะทําได้เขาก็จะได้เลื่อมใสนี่นะ อันกลุ่มที่หนึ่งสร้างอะไรนะเลื่อมสายในรูปร่างผิวพรรณรูปงามอย่างที่สองก็คือชื่อเสียงอย่างที่สามทำตัวเศร้าหมองทําตัวปนๆเนี่ยนะนั้นก็กิจกรรมผู้ที่ค้าศรัทธาทั้งหลายก็จะเนี่ยสร้างหนึ่งสร้างอะไรสร้างรูปเกี่ยวกัตบตกแต่งรูปที่สุดเต่าที่จะรูปได้อ่า น, น, นะเรียกว่าตกแต่งรัศมีได้นะใช้ผ้าอย่างไรใช้อะไรอย่างไรให้มันดูดีให้มันดูงาม แล้วก็อย่างที่สองก็สร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวเองได้อย่างไร น, นะมีการปล่อยมีการโฆษณาอย่างไรกลุ่มที่สมก็คือสร้างภาพเนี่ยนะสร้างภาพเป็นตน้นพวกนี้ก็ค้าศัพท์ของมหาชนมหาชนก็ไอที่ทําอย่างเนี้ยโดยมากก็ไม่ใช่ว่าต้องการอะไรก็ต้องการลาบสักการะและสรรเสริญเนี่ยนะเขาจะได้ชอบเขาจะได้เลื่อมใสเมื่อเขาเลื่อมใสเขาก็จะได้ถวายสักการะหรือเรียกว่าส่งสวยเนี่ยนะเขาก็จะได้ส่งสวยจะได้ มีอะไรเขาก็จะได้มาฝากมาทุ่มเททําให้ส่วนกลุ่มที่สี่เรียกว่าผู้ถือธรรมเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรมเช่นเลื่อมใสบุคคลเนี่ยเพราะเขาสมบูรณ์ด้วยศีลเขามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นอ่ะเลื่อมใสในศีลของเขาเลื่อมใสในสมาธิของเขาเลื่อมใสในปัญญาของเขาเลื่อมใสในคุณธรรม ในบรรดาบุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณอันนี้ก็มีจำนวนมากในโลกถือเรื่องชื่อเสียงเป็นต้นเป็นประมาณอันนี้ยิ่งมีมากในโลกถือความเศร้ามองเป็นประมาณอันนี้มากที่สุดส่วนผู้ที่เลื่อมใสถือเอาทมเป็นประมาณหนึ่งในแสนมันเราก็มาคำนวณดูว่าเออถ้าหนึ่งในแสนเนี่ยนะคูณหกิบล้านเนี่ยก็ขออภยัยหนึ่งแสนหารหกสิบล้านจะเหลือเท่าไหร่ มาสนใจว่าอย่างเก่งนะคนที่ค้นคว้าพระไตรปิฎกเป็นเรื่องเป็นราวก็ประมาณเท่านั้นไม่ต้องหนักใจเท่าไหร่นนะนังนั้นกลุ่มคนที่สนใจศึกษาพระไตรปิฎกก็คือหนึ่งในแสนใครที่ฝักฝ่ายมีอัธยาศัยยินดีในศีลสมถะวิปัสสนายินดีในคําสอนยินดีที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนเลื่อมใสในผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนประชุมชนกลุ่มนี้หนึ่งในแสนทําใจไว้เท่าว่าหนึ่งในแสนเท่านั้นเอง น้อยมากเนี่ยนะทีนี้ในบรรดาผู้ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสรอบด้านถามว่าใครบอกพระพุทธเจ้าในเรื่องรูปใครมีรูปงามเท่ากับพระพุทธเจ้าในเรื่องชื่อเสียงใครมีชื่อเสียงเท่ากับพระพุทธเจ้าในความเศร้าหมองเนี่ยนะปอนปนเนี่ยใครเท่าพระพุทธเจ้าบ้างพระองค์มากที่สุดแล้วก็ในเรื่องของคุณธรรมะ่ะพระพุทธเจ้าท่านพระองค์นี้จึงชื่อว่าสมันตะปาสาธิกา เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสโดยรอบสังเกตดูบางคนเนี่ยชื่นชมพระพุทธเจ้าในเรื่องของความงามบางกลุ่มนะชื่นชมนับถือพระพุทธเจ้าในด้านชื่อเสยียงบางพวกเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในเรื่องของทุกกิริยาในสิ่งที่ทําได้ยากอย่างที่สุดท้ายก็คือเลื่อมใสในพระธรรมเนี่ยนะเลื่อมใสในคุณธรรมของพระพุทธเจ้าอันถ้ากล่าวถึงว่าผู้ที่เลื่อมใสในคุณธรรมของพระพุทธเจ้า อก็ก็มีอยู่แต่ก็ถ้าเทียบในอย่างอื่นแล้วไม่มากในปริมาณจํานวนที่ไม่มากอธิบายว่าถ้าคนจะเลื่อมสายในพระรูปของพระพุทธเจา้าเนี่ยนะเลื่อมสายในพระสรีระคุณอย่างเราไหว้พระพุทธรูปนี่เราก็เลือกเอาพระพุทธรูปงามๆก่อนในชะ่ไหมองค์ไม่งามนี่เราก็ไม่ค่อยอยากกราบเท่าไหร่นะองค์ที่ช่างตั้นแม้ว่าเพิ่งหัดปั้นหรื อ, อยังไงเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยอยากกราบเท่าไหร่นะว่า ง, งั้นเถอะ พันธุปกติแล้วเราจะว่าเราเองไม่เลื่อมใสในรูปเราก็บอกไม่ได้เราก็ยินดีที่จะกราบอะไรอย่างพระพุทธรูปเราก็อยากจะกราบพระพุทธรูปทีง่งามเนี่ยนะแม้ด้านด้นไปถึงพิสณนุโลกไปกราบพระพุทธชินราชที่งามไปถึงอินเดียก็ไปกราบหลวงพ่อเมตตาที่ดูงามนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วพวกเราก็เลื่อมใสในพระพุทธรูปที่งามเนี่ยนะหลา ย, ลายองค์ที่ไม่งามเนี่ยไม่เอา ก็บอกว่าโอ้ขับรถ อ, อะไรนะนั่งรถไปสักไกลเลยนะที่เราเรียกว่า ง, งามมันแสดงว่าเราก็ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูปแต่ก็แต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปก็ดีแล้วละเนี่ยนะดีกว่ารูปอย่างอื่นทั้งหมดในโลกเนี่ยนะอธิบายว่าบุคคลผู้ถือรูปเห็นรูปเป็นประมาณเช่นเห็นความเจริญความเจริญเต็มที่สวดส่งความบริบูรณ์ของพระพุทธเจ้าคือดูอยังไงก็ถ้าหากว่าคนที่ชอบสีสันเนี่ยนะ ยิ่งดูยิ่งงามเมือนันเถอะยิ่งดูยิ่งมีความสุขอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระพิสุเป็นพันพันรูปอ่ะกิจกรรมอันหนึ่งของท่านก็คือนั่งดูพระพุทธเจ้านั่งดูเงียบๆแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่พระองค์จะแสดงธรรมนะแสดงคือเรียกว่าดูพระรูปแล้วก็คอยฟังเสียงคือคอยฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเขาเลื่อมสายในพระรูปมากเช่นพระองค์มีอะไร มีชวีวันเนี่ยสวยงามผิวของพระองค์เนี่ยเป็นผิวที่งามมากละเอียดแล้วก็งามประดุจทองร่างกายของพระองค์เนี่ยเหมือนกับประดับด้วยรัตนะต่างๆในร่างกายของพระพุทธเจ้าดูเหมือนแก้วว่า ง, งั้นเถอะเพราะอะไรเพราะมีแก้วเหมือนวิจิตงดงามด้วยแก้วหลากสีสันที่งดงามมากคืออย่างในในร่างกายของพระองค์เนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่รูปร่างกายโดยธรรมดาแบบทั่วๆไปร่างกายทุกส่วนของพระองค์เนี่ยเปล่งแสงออกมาได้พระเกศาซึ่งเป็นสีนินก็เปล่งแสงออกมาพระโลมาเนี่ยนะขนข น, ขนทั้งหลายขนตามร่างกายของพระองค์ก็เปล่งเป็นแสงเรืองแสงออกมาหมดแล้วก็แม้กระทั่งตรงไหนที่ผิวสีทองของพระองค์ก็เปล่งออกมาเป็นสีทองตรงไหนที่เป็นสีขาวเช่นฟันก็เปล่งออกมาเป็นสีขาว แล้วก็เสี่ยนที่เป็นพระโลหิตเลือดหรือเนื้อก็เปล่งออกมาเป็นสีแดงนะนะแดงออกชมพูอย่างเงี้ยแล้วก็มีทุกส่วนของร่างกายเนี่ยเปล่งรัศมีรังสีออกมาหมดมันก็ดูแล้วก็งามะนะเพราะมันแบบเพราแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยคนก็ยังชอบดูเครื่องเพชรใช่ไหมเครื่องเพชรเครื่องพลอยเครื่องอะไรที่ส่องประกายว่าแวบเป็นต้นฉันใดนี้ก็เหมือนกันนะพระองค์เนี่ยมีรัศมีที่งดงามแผ่ออกมาและร่างกายทุกส่วนของพระองค์นั้นเป็นที่ตั้งแห่ง พระฉับพันนรังสีอนนะมีสีตั้งหกประการแล้วก็มีสีเลื่อมประพัสซอนมีสีที่เปล่งออกนันพระองค์เนี่ยร่างกายของพระองค์เนี่ยประดุจแก้วอนนะที่มีความอลังการที่มีความงดงามและร่างกายรายละเอียดของร่างกายของพระองค์เนี่ยนะในส่วนของร่างกายก็มีลักษณะเรียกว่ามหาปริษลักษณะสาสบสองประการและก็ประดับประดาด้วยอนุพยัญชนะ แปดสิบประการไล่ตั้งแต่ฝาา่าเท้าค่อยๆขึ้นไปจนถึงเส้นพระเกศาเนี่ยนะเส้นพระเกศาทั้งดะเอ่อทั้งพระรูปทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาดูในด้านใดก็เลื่อมใสโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นร่างกายของพระองค์เหมือนแผ่นดินแผ่นใหญ่แห่งทองคําที่ประดับประดาเสร็จเนี่ยนะอย่างสังเกตดูนะอย่างห้องที่เราอยู่อาศัยห้องหรือเข้าไปในโบสถ์ถ้าโบสถ์เป็นโบสถ์ร่องร่องทาสีขาวไปหมดนะเรารู้สึกว่าไม่น่าอยู่ หรือดูได้ไม่นานนะแต่ถ้าเป็นโบสถ์ที่มีลวดลายวิจิตมีจิตกรรมที่วิจิตพิสดารเนี่ยนะดูเท่าไหร่ก็ดูไม่เบื่ออยากจะดูอยู่นานๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านบอกว่าโบสถ์ของท่านนะสร้างห้าอสร้างสักสองล้านมั้งแต่ว่าไอภาพจิตกรรมเนี่ยหมดไปห้าล้านแล้วนั่นนะก็เกกลายเป็นไอที่แพงยิ่งกลายเป็นจิตกรรมเพราะอะไรเพราะเป็นที่รื่นรมแห่งใจเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความ เพลิดเพลินเั้นคนที่มีรูปงามนั้นจึงเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเพลิดเพลินเจเริญใจแห่งประชุมชนจํานวนมากเหมือนเช่นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะร่างกายของพระองค์ที่ประดับประดาเกลื่อนกล่นไปด้วยมหาปริศลักษณะสามสิบสองเหมือนกับท้องฟ้าอันแจ่มจมัดโดยประการทั้งปวงเรียกว่าดูแล้วยิ่งเบิกบานใจอนะดูแล้วสบายใจดูแล้วก็โล่งใจดูแล้วก็ มีความสุขเพราะร่างกายของพระองค์เนี่ยเป็นที่ตกแต่งแห่งบุญบุญที่พระองค์สั่งสมมาตลอดสอสงไขยแสนกับเนี่ยนะกรรมเนี่ยนะในด้านกรรมมชรูปก็เป็นกรรมที่ประนีตวิจิตและบัรจงเป็นกรรมที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลกรรมที่เกิดจากบุญยักกิริยาวัตถุต่างๆบุญที่เกิดจากบารมีต่างๆมาตกแต่งมา ส, สร้างตกแต่งรูปกายของ พระพุทธเจ้าพันบุญที่พระองค์สั่งสมมาตกแต่งร่างกายตั้งแต่ที่เรียกว่าเส้นพระเกศาจนถึงพระนขาเล็บ น, นะทุกส่วนของร่างกายอันหนึ่งจิตตชรูปในส่วนของบางคนเนี่ยเขาบอกว่ารูปงามบุญเนี่ยมาตกแต่งให้งามแต่เหมือนกับว่าขาดชีวิตชีวาว่างนนแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์มีจิตตชรูปชั้นเลิศ น, นะจิตแบบทั่ ว, วไปก็พระองค์มีจิตที่ประกอบด้วยปัญญา จิตที่ประกอบด้วยปีติและโสมนัสนั้นโดยพื้นฐานของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ที่อยู่ด้วยปีติและโสมนัสนั้นคนที่แบบคนที่มีความสุขคนที่สบายใจเต็มที่เนี่ยอาจะดูเศร้าหมองไหมจะดูเฉาไหมจะดูอ่แบบหม่นมองเศร้าหมองเป็นคนที่มีทุกข์ในใจไหมบอกไม่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเนื่องจากว่าจิตของพระองค์นีเป็นจิตที่เป็นมหากริยาจิต เป็นจิตที่เป็นชาะกิริยาเป็นจิตที่เป็นมัคจิตและพลจิตจิตเหล่านี้เนี่ยสะท้อนออกมาซึ่งรูปปกายโดยสหาชาตปัจจัยสหาชาตะนิสยปัจจัยเป็นต้นเพราะนันเปล่งแสงออกมาจากร่า ง, างกายโดยนิยะต่างนันจิตที่ผ่องใสใจที่ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยอะไรบ้างอะจะตุเวสารชยานเป็นต้นเนี่ยนะจิตเหล่านั้นนั่นแหละเป็นปัใจจัยให้พระองค์นั้น บันเทิงเนี่ยนะบันเทิงวันสีหน้าของพระองค์พระเนศของพระองค์เนี่ยนะแตกแต่ละอย่างแต่ละส่วนในร่างกายของพระองค์นั้นจึงมีความงดงามอลังการอย่างเต็มที่เพราะพระองค์สั่งสมบุญไว้เป็นอย่างดีเนี่ยน ะ, ะในส่วนของร่างกาอกรรมก็ตกแต่งมาอย่างดีจิตก็เป็นจิตชั้นดีเป็นจิตพิเศษที่ไม่มีจิตใดเสมอเหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าอีกแล้วจิตที่ผ่านการอบรม บ่มด้วยคุณธรรมทั้งหลายมาเนี่ยนะเป็นจิตที่บริบูรณ์ด้วยทั้งเมตตาบริบูรณ์กรุณาอุมุทิตาอุเบกขาพันสิ่งใดที่เรียกว่าคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะพราะมิหารสีเนี่ยก็สมบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่แบบเมตตาธรรมดาเมตตาของพระพุทธเจ้าก็ระดับฌานกรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างของพระองค์ก็อยู่ในระดับฌานปัญญาของพระองค์ก็สูงสุดถึงสัพพัญญุตญาณแล้วก็มีเวสารชยานญาณที่พระองค์เนี่ย แก้วกล้าองอาจไม่ขั้นคล้่ในที่ทุกสถานเป็นต้นวันอันนี้ก็เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้จิตใจของพระองค์เนี่ยดีจิตใจที่ดีอย่างเนี้ยก็ส่อออกมาในรูปที่ดีเนี่ยนะเนื่องจากเป็นรูปที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเป็นสมุทฐานที่นี้ในเรื่องของอาหารอาหารชรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะพระองค์เนี่ยอาหารทุกคาของพระองค์ที่พระองค์เสเวยบริโภคขบฉัน เทวดาเนี่ยคอยหยอดทิพโอชาทุกคํเราฉะนั้นทุกคําทุกคําที่พระองค์เนี่ยเรียกว่าหยิบใส่พระโอษนะพอพระองค์ตั้นออกมาเป็นคำปั๊บเทวดาก็หยอดโอชาทิพแล้วพระองค์ก็เคี้ยวแล้วก็ฉันเพราะฉะั้นอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่ประณีตที่สุดที่ดีที่สุดที่หมู่มนุษย์จะพึงได้รับที่หมู่มนุษย์จะพึงได้บริโภคเพราะฉะนั้นพระองค์ได้รับอาหารที่ดีที่เลิศประเสริฐจึงอยู่ถึงจะฉันอาหาร แบบอาหารทั่วๆไปธรรมดาทั่วๆไปก็จริงแต่เป็นอาหารที่ประกอบกับทิพโอชาหรือว่าทิพโอชานี้ข้อต่อไปในส่วนของอุตุเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดในยุคสมัยที่อากาศดีเนี่ยนะอากาศดีอยู่กับธรรมชาติเนี่ยนะสมัยที่ยุคสมัยที่อะไรนะต้นไม้ใบหญ้านี่เขียวชะอมคือทุกอย่างเนี่ยบริบูรณ์สมบูรณ์ นะข้าวปลาอาหารแล้วก็อยู่ในยุคที่มนุษย์เนะี่ยมีจิตใจสงบเยือกเย็นเนี่ยนะโดยรวมๆแล้วมนุษย์ยุคพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดนิย้อนกลับมาว่าพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ที่งดงามแล้วก็มีสรีระที่มีพระรศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายมีรศมีแผ่ซ่านออกมาโดยปกติเนี่ยหนึ่งวา หนึ่งวาเนี่ย่านออกจากพระวรกายตลอดเวลาและรัศมีหนึ่งวาที่ส่านออกจากพระวรกายเนี่ยนะแสงจันแสงอาทิตย์แสงใดๆก็กลบเกลื่อนพระฉับพันธระดังสีของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่มีสิ่งใดทําลายพระฉับพันธระดังสีของพระพุทธเจ้าพันท่านในด้านพระรูปทั้งหลายผู้ใดนะจะมีพระรูปที่งดงามแม้กระทั่งรูปปั้นที่เขาปั้นอยู่สมัยใหม่ ที่เรียกว่าอุเทสิกะเจดีถึงไม่ได้เศษเสี่ยวขนาดนั้นก็ยังดูงามเนี่ยนะก็ยังดูงามประชาชนก็ยังหลั่งไหลไปกราบไปไหว้พระรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปยกย่องไปสรรเสริญไปกราบไปบูชามีเครื่องของกำนันเพราะว่าพระรูปงามก็คิดดูนะพระพุทธรูปองค์ไหนงามนะพระพุทธรูปองค์นั้นมีเครื่องสาการะเยอะพระพุทธรูปองค์ไหนไม่งามไม่เคยมีคนสนใจเลยเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็ว่าโดยที่สุดแม้กระทั่งรูปบรรูปใดเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสรูปเหล่านั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งการเคารพสักการะและบูชาพันอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็คือเลื่อมใสในพระรูปต่างๆนั่นเองอย่างที่สองบุคคลที่เลื่อมใสในเสียงผู้ที่ชอบศรัทธานในชื่อเสียง บุคคลเหล่านี้ก็เลื่อมใสในชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าทุกคนช่วยกันยกย่องสรนเสริญพระพุทธเจ้าว่าตลอดระยะเวลาสีอสงขายิ่งด้วยแสนกับนานมาม า, มากตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังก่อพระโพธิสัตว์เนี่ยทรงสร้างบารมีทรงบำเพ็ญบารมีสิบอุปปารมีสิบปารามัตถบารมีสิบพรงยังกะระทำมหาบริจาคทั้งห้าบริจาคบุตรบริจาค อวัยวะบริจาคภรรยาบริจาคราชสมบัติบริจาคทรัพย์ตลอดจนถึงบริจาคดวงตาเขาบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนะประชาชนทั้งหลายเนี่ยพอจับเวลาว่างก็นั่งสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อได้รับเสียงชมบ่อยๆเข้าจะไปไหนใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงชมก็เลยยิ่งยิ่งได้ฟังเสียงชมมากก็ยิ่งเลื่อมใสเท่านั้นพราะฉะนั้นบุคคลที่เลื่อมใสเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลเป็นที่ตั้งแห่งความ เลื่อมสายเขาก็เลยเลื่อมสายมากเพราะทุกคนมีแต่คนยกย่องมีแต่คนสรรเสริญมีแต่คนชมเชยนี่ก็เลยเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งอันนี้เหตุผลอย่างที่สองที่สมัยพุทธการเขานับถือบูชาแล้วก็เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเน้นพิเศษคือในพระปุพพะเจริยาคุณตอนแรกพระศริรักษุนไหมตอนหลังก็คือพระปุพพะเจริยาคุณพระปุพพะเจริยาคุณนี่แหละ เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเป็นที่ตั้งแห่งความสักการะและสรรเสริญส่วนต่อไปอกเนี่ยนะบุคคลที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นเลื่อมใสในความเศร้ามองเนี่ยนะในความเศร้าหมองเห็นความเศร้าหมองของพระพุทธเจ้าเช่นความเศร้าหมองในจีวนของพระองค์ว่าปกตินะถ้าหากว่าพระองค์ไม่บวช ถ้าพระองค์ครองอยู่ครองราชสมบัติพระองค์ก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผ้าที่พระองค์ใช้ก็จะใช้แต่ผ้าที่มาจากแคว้นกาสีเท่านั้นแต่พอพระองค์บวชแล้วพระองค์ก็ยินดีด้วยปังสกุลและจีวนผ้าที่เปื้อนฝุ่นเนี่ยนะที่แม้เอามาทำก็ไม่สวยเลยนะสีก็ไม่สวยสัมผัสก็หยาบพระองค์เนี่ยทำในสิ่งที่ทำได้ยากอย่างแท้จริงและผ้าบางสกุลเนี่ยบางสกุลจากใคร ไม่ใช่ไปบางสกุลจากศพมหากษัตริย์นะไปบางสกุลมาจากศพนางทาสีซึ่งก็ถือว่าเป็นไม่ใช่ว่าเป็นผ้าชั้นดีอะไรที่ไหนใช่ไหมไปนั่นแหละไปเอาไม้ค่อยๆเขียนอนออกแล้วก็เอาไปซักเอาไปย้อมเอาไปอะไรแล้วมาตัดเป็นจีอนเนี่ยนุ่งหม่มเมันพระองค์เนี่ยทําในสิ่งที่ทําได้ยากเนี่ยนะที่จะเอาผ้าชนิดนี้เนี่ยนะขนาดว่าทำไมก่อนตอนนั้นบวชเนนเขาไปเอาไอผา้ผ้าผ้าอะไรนะ หน้าหน า, าใช้ผ้าอะไรผ้าห่มนวมใช่หมผ้าห่มนวมที่เขาคลุมศพอะ่ะแต่ก็มันก็แบบศพที่มันเปื้อนเนะี่ยโอ้โหเราก็ไม่แค่ตอนแรกไม่กล้าห่มเลยนะเพราะหนาวเข้าจริงๆอ่ะห่มก็ห่มเลยขนาดผ้าห่มนวมลนะก็ไม่ใช่แบบผ้าแบบอะไรเขาก็ห่มศพแค่ไม่นานอ่ะนะก่อนถึงเผาเขาก็เอามาซากักเอามาอะไรดีแล้ะแต่มันก็กลิ่นอาจจะมีนิดหน่อยอย่างเงี้ยะแต่ก็หม่มอ่ะหนาวเข้าจริงก็ทนได้หมดนะเชื่อเะ ไม่งั้นปลาร้าเขากินไม่ได้กันเราะกันนะกลิ่นก็ไม่ได้หอมสดชื่นเหมือนดอกไม้อะไรหรอกอันเกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะผ้าก็ที่บางคนเนี่ยเลื่อมสายเพราะใช้สอยผ้าเนี่ยนะมันเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเพราะเครื่องทรงเครื่องหอมของพระองค์คือผ้าที่เศร้าหมองนี่ต่อไปบางพวกเลื่อมสายในบาทของพระองค์นะความเศร้าหมองของบาทคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เมื่อพระองค์ครองเรือเนี่ยเสวยราชาสมบัติโภชนะที่พระองค์ใช้นี่ใช้อะไรภาชนะที่เกิดจากทองคำอาหารอาหารที่พระองค์บริโภคก็เป็นข้าวสาลีที่มีกลิ่นหอมเป็นอาหารที่สมควรแก่พระเจ้าจั ก, กรพรรดิแต่พอพระองค์บวชมาแล้วก็อะไรข้าวก็เป็นข้าวแบบบางทีก็เป็นอะไรรำอย่างเงี้ยอาหารผสมรำบ้างอาหารที่ มันเศร้ามองบา ง, บางปีนี่ไปฉันข้าวแดงอยู่สามเดือนสี่เดือนฉันแต่ข้าวแดงอะนะข้าวแดงก็คืออะไรเอาเข้าวเปลือกมานึ่งพอข้าวเปลือกมันนึ่งให้มันสุกเนี่ยน ะ, ะก็เอาไปตําตำเสร็จแล้วก็มันก็จะเหลือแต่ข้าวแล้วเอาไปไปบดเป็นผงหรือไปอุ่นไปอะไรเนี่ยนะพระองค์ฉันอย่างนั้นสามเดือนบางโหถ้าหากพระองค์ไม่บวชพระองค์ก็จะได้บริโภคแต่โภชนะฉันดีแต่ว่าพระองค์บวชแล้วก็มาบริโภคอาหารที่อะไรเศร้ามองอย่างยิ่ง ได้ฟังอย่างนี้แล้วก็เลื่อมสาย ใ, ในพระพุทธเจ้าเพราะโภชนาของพระองค์นั้นเศร้าหมองเหลือเกินพระองค์เนี่ยก่อนหน้านี้ เ, เป็นจักระพัดใช่ไหมอาหารของพระเจ้าจักระพัดล้วนแต่เป็นอาหารชั้นดีพอบวชเข้ามาแล้วก็อาหารก็ไม่ได้ดีอะไรภาชนะเมื่อก่อนก็ใช้แต่ภาชนะทองคํำพอบวชมาแล้วพระองค์ก็มาใช้บาตรหินเนี่ยนะบาตรหินที่ทําด้วยศิลา ปกติแล้วเมื่อก่อนอยู่แต่ในตรอกอยู่ในตระกูลชั้นสูงเข้านอกออกวังอย่างเดียวตอนนี้ก็มาเลยถนนหนทางบางสายของพระองค์ก็เป็นถนนของคนเทอุจระเนี่ยนะถนนของคนยากเหมาอนกันเถอะถนนของคนยากคนจนเนี่ยสังคมอินเดียที่จนมันก็อย่างที่เราเห็นแล้วล่ะก็สุดๆเหมือนกันพระองค์ก็ไปเดินตามนั้นได้เนี่ยนะนพระองค์เนี่ยทํากิจที่ทําได้โดยยาก นะอย่างสมัยที่พระองค์ทาทุกขระกิริยาด้วยแล้วเนี่ยนะอาหารที่พระองค์บริโภคเนี่ยเป็นยังไงนะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยล้วนแต่ไม่ดีไม่เหมือนอาหารของพระเจ้าจากักรพรรดิเลยตอนที่พระองค์บวชเข้ามาครั้งแรกตอนที่ครั้งแรกที่บวชนะตอนที่อยู่ในวังเนี่ยอาหารชั้นเลนะิอเลยพะออกออกบวชมาได้เจ็ดวัน ท, ทั้งทั้งที่ไม่ได้ฉันมาแล้วเจ็ดวันพระองค์ก็ไปบินธบาตครั้งแรกที่เมืองราชครึก พอไปบินทบาทเนี่ยชาวบ้านแบบโอชาวบ้านสุดๆเนี่ยนะเอาอาหารมาใส่บาตรพระองค์ก็หิวพอหิวบ้างอ่ะนะก็ไปนั่งเห็นอาหารปั๊บเนี่ยมันแทบอาเจียนเลยนะลาไส้เนี่ยหมามันท้องเนี่ยมวนหมดเลยนะท้องบิดท้องเบี้ยวเสร็จแล้วพระองค์ก็ปัจเวกพิจารณาอาหารนั่นแหละจึงกลืนลงว่างั้นไม่งั้นเนี่ยโอ้โหมันลำลำไส้มันแทบจะวิ่งออกมาอยู่ข้างนอกอ่ะนะมันรับไม่ได้ว่างั้นนะะแต่ว่าในที่สุดพระองค์ก็ปัจเวกแล้วพระองค์ก็ขบฉันไป บางทีก็เห็นความเศร้ามองแม้ในเสนาสนะของพระพุทธเจ้าคนที่เลื่อมใสในที่อยู่ของพระพูเทธาเจ้าก็คิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้เมื่อทรงครองเรือนปกติพระองค์ก็มีพวกนางฟ้อนสามพวกเป็นบริวาเวรเสวยสิราชสิริดุจทิพสมบัตินะสมบัติที่เป็นทิพในปราศาทอันสมควรแก่ ฤดูการทั้งสามฤดูฤดูหนาวก็ปราสาทหลังหนึ่งฤดูร้อนก็ปราสาทอีกอย่างหนึ่งฤดูฝนก็ปราสาทอีกอย่างหนึ่งแต่บัดนี้พระองค์ผนวดบวชแล้วยินดีด้วยวัตถุมีกระดานไม้แผ่นศิลาเตียงไม้ไผ่เป็นต้นอยู่ในรุกขมูลอยู่ในเสนาสนะพระองค์ก็ทํากรรมที่ทําได้หนักอย่างยามที่มีหิมะตกเนี่ยนะพระองค์มานั่งอยู่ที่โคนไม้อะ่ะหิมะตกเนี่ยติดลบเลยนะอากาศติดลบแล้ว พระองค์นั่งอยู่โคนไม้อะแล้วพื้นดินที่ตรงที่พระองค์เดินเนี่ยนะถ้าดูธรรมดาเนี่ยรอยมีแต่รอยกีบบัวที่มันระหองระแหงเนี่ยนะถ้าดูธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่เดินพื้นที่ที่ระหองระแหงเนี่ยจะเจ็บปวดมากแต่ว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยพระองค์ก็อยู่ได้ผันผ้าหันท่านบอกว่าผ้าหันอยู่ที่ไหนก็ร่มรื่นสถานที่ใดที่ผ้าหันอยู่ที่นั่นก็น่าร่มรื่นเนี่ยนะในสายตาของผู้ที่มีศรัทธาแต่ถ้าแบบ คนธรรมดาทั่วทไปนี่ก็ทําใจไม่ได้ว่าโอ้พระองค์อยู่ได้ยังไงนะสถานที่แต่ละแห่งที่พระองค์อยู่เนี่ยแสนจัตุรักกันดารเนี่ยนะก็คิดดูว่าพระองค์นี่ต้องเดินรอบอินเดียเดินรอบที่เรียกว่าเดินในใ น, ในเดินจาริกเนี่ยนะทุกปีบางปีนี่ก็เดินจาริกตั้งหกร้อยโยต์บ้างเจ็ดร้อยโยต์บ้างก็เดินปีหนึ่งละเป็นพันกว่ากิโลสองพันกิโลสามพัน ก, กิโลเนี่ยนะ ปีหนึ่งเดินสี่ห้าพันกิโลก็มีจะพาะเดินแบบจาริกเนี่ยเดินทางเนี่ยนะมันก็ถามว่าทุกปีทุกปีเนี่ยไอระหว่างการเดินทางเนี่ยมีโรงแรมชั้นดีรองรับอะไรรอไหมบอกไม่มีอยู่ที่ไหนโคนไม้บ้างอยู่ป่าช้าบ้างอยู่ป่าของหมู่บ้านบ้างป่าของหมู่บ้านเนี่ยโยมอย่าไปคิดโอ้ยสะอาดหน้ารื่นรมไม่ใช่ก็ที่ถ่ายของเสียดีๆของหมู่บ้านนั่นแหละนั้นใคร ป, ปวดหนักปวดเบาก็เข้าไปในป่านั้น มันป่านั่นแหละคือป่าที่ท้าพิสูจนทั้งหลายท่านไปพักกันอยู่ไปอาศัยกันอยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะโอ้ทำในสิ่งที่ทำได้ยากเห็นความเศร้าหมองอย่างนี้ก็เลื่อมใสยอย่างยิ่งมาหรือบางทีตอนที่พระองค์บำเพ็ญทุกระกิริยาทุกระเนี่ยแปลว่าทำยากพฤติกรรมการกระทำที่ทำได้โดยยากคิดว่าพระองค์เนี่ยเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยบางทีเนี่ยก็อยู่แต่อยู่ด้วยน้าต้มถั่วเขียว ดื่มแต่น้ําต้มถั่วเขียวแล้วก็ไม่ใช่ดื่มทุกมือนะดื่มต่างน้ําบบไม่ใช่ดื่มครั้งเดียวเหมือนกันบางทีก็น้ําต้มถั่วภูเนี่ยนะน้ำต้มถั่วภูบ้างน้ํนะาต้มฮ า, าเรณุหรือบางทีก็บริโภคอาหารเท่าข้าวสารเม็ดเดียวบ้างบริโภคอาหารเท่ากับเม็ดพุทธาบ้างนั่นแหละอาหารที่พระองค์ทำเป็นไปบางทีอาหารที่พระองค์สเสวยนี่ก็แค่ฝายมือเรียกว่าอุ้งมือเดียวเนี่ยนะฝายมือนิดเดียวจริงๆ อาหารน้อยอย่างนั้นแล้วก็มานั่งนิ่งๆสบายๆ บ, บอกไม่ใช่นั่งเจริญอะปานกะชาญ น, นั่งเจริญชาญที่ไม่มีลมหายใจที่เราเรียกว่านั่งกลั้นลมหายใจแล้วสูตรข้างหน้าต่อไปก็จะมีใช่ไหมบางครั้งเนี่ยพอมไม่ไม่หายใจปั๊บเนี่ยลมมันก็จะออกหูลมออกหูเนี่ยดังฟู่ฟูบางทีเนี่ยไม่หายไม่หายใจขณะที่กลั้นลมหายใจเนี่ยนะบอกว่าปวดหัวเหมือนกับใครเอาอะไรมาขันชนะว่างั้น เสรแล้วก็วิงเวียนพอลุกขึ้นก็เซล้มลงเนี่ยนะอุจาระปัสสาวะก็เหมือนกับขี้แพะอ่ะเคยเห็นขี้แพะดำๆเล็กๆก้อนเล็กๆเหมือนกับมเมล็ดผลไม้เล็กๆเนี่ยนะนั่นแหละพระองค์ก็อยู่ในในสภาพเหล่านั้นนะะแล้วก็พร้อมกระรองเนี่ยนะพร้อมแค่ไหนบอกลูบท้องถึงหลังลูบหลังแล้วก็ถึงท้องลูบเนื้อตัวนี่ขนหลุดเลยขนร่วงแล้วถ้าเราตายไปตั้งนานแล้วเห่างนันกรรมก็หล่อเลี้ยงเราไว้นะแต่นี้ของพระองค์เนี่ยก็ พระ อ, องค์ไม่รู้เลยว่าคืนทําต่อไปกว่านั้นก็สิ้นพระชนแน่นอนเพราะองค์ทนอยู่ได้ขนาดนั้นทนได้แค่ไหนก็ปางตายใครว่าเกือบตายเนี่ยนะถ้าตายก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะแต่หมายคําว่าสู้อดสู้ทนอยู่ด้วยความทุกข์ความยากลําบากเกือบตายเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปใครไปทําได้ขนาดนี้ก็โอ้อาศัยเรื่องนี้ขายกินได้สบายๆเพราะถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเรื่อมใส พันบุคคลที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเห็นความทุกข์ความยากความลําบากในการครองชีพของพระพุทธเจ้าอยู่ที่อยู่ในเพศของนักบวชก็เลื่อมใสว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยทากิจในธรรมที่ได้โดยยากสรุปว่าบุคคลที่เลื่อมใสกลุ่มที่สามคือเลื่อมใสในความเศร้าหมองใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ยากลําบากยากลําบากเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างหนึ่งในเรื่องเครื่องนุ่งหม่ม สองอาหารสามภาชนะสี่ที่อยู่อาศัยห้าพฤติกรรมที่ทําแบบทุกยากและลําบากที่ยากเรียกว่านั่งสองวันนั่งสามวันเป็นต้นเนี่ยนะก็อันนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลยเลื่อมใสเพราะเห็นความเศร้าหมองเห็นความทุกยากลําบากของพระพุทธเจ้าส่วนอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าบางพวกเนี่ยถือประมาณในธรรม เราะเห็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเห็นศีละคุณของพระองค์พระองค์นี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกายสุจริตสมบูรณ์ด้วยวจีสุจริตสมบูรณ์ด้วยอาชีพที่บริสุทธิ์มีสมาธิคุณเนี่ยนะอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิสมาธิต่างๆสมาธิที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเห็นปัญญาคุณอันนะเห็นปัญญาพระยานต่างๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยานที่ไม่ติดขัดในอดีตอนาคตและ ปัจจุบันญาณที่กําหนดกําเนิดสี่เป็นต้นหรือฌานของพระองค์วิโมกของพระองค์สมาธิสมาบัติเนื่องจากว่าพระองค์นี่ถึงพร้อมด้วยสมาบัติต่างๆเห็นอภิน ญ, ญาของพระองค์ว่าพระองค์นี่สมบูรณ์ด้วยอภิญญาพระองค์มีย ม, มะกะปาฏิหารตอนที่พระองค์เสด็จลงจากสวรรค์เนี่ยนะในสมัยเทโวโรหณนะก็เกิดความอัศจรรย์หลายประการหรือเหตุการณ์อย่างอื่นอีกตอนที่พระองค์นี่ไปฝึกปาฏิกรบุตร ฝึกสัจจกะนิครนฝึกอละวัคยักษ์ฝึกภะกะพรมเป็นต้นของพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์นี่เป็นผู้ที่มีความสามารถบริบูรณ์ด้วยความรู้บริบูรณ์ด้วยความเข้าใจบริบูรณ์ด้วยพระคุณทุกประการอย่างนั้นน่ยอย่างที่เขาบอกว่าชนเหล่าอื่นเนี่ยที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่เลื่อมใสก็เนื่องเลื่อมใสในพระองค์ว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลทั้งหลายทั้งจุลศีลมชิมศีลและ ปปมหาศีลเลื่อมใสในสมาธิต่างๆของพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระปัญญาต่างๆของพระพุทธเจ้าอย่างที่ภาษาราบุตรเนี่ยนะกล่าวไว้ในภาษาทสูตรว่าภาษาราบุตรเลื่อมใส ย, ยิ่งนักในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยเหตุผลโดยประการต่างๆภาษาราบุตรนั้นจะเลื่อมใสในในพระธรรมเนี่ยนะเลื่อมใสในพระธรรมเป็นหลักใน พ, ร, พระรูปภาษาราบุตรก็ไม่ใช่ว่าไม่เลื่อมใส ในชื่อเสียงในความเศร้าหมองไม่ใช่ว่าท่านไม่เลื่อมใสแต่ท่านเลื่อมใสในพระธรรมมากกว่าเลื่อมใสในพระธรรมคือศีลรเลื่อมใสในธรรมคือสมาธิคือประมาณในธรรมเลื่อมใสในธรรมคือปัญญาฌานวิโมกสมา ธ, สมาธิสมาบัติอ่ะ น, นะอภิน ญ, ญายมกะปาฏิหานเทโวโรหณนะหรือว่าความน่าอัศจรรย์ว่าพระองค์เนี่ยสงเคราะห์โปรดอ่ะ น, นะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่หมู่มนุษย์และเทวดาต่างๆ ให้เหล่ามนุษย์และเทวดาต่างๆเนี่ยได้เกิดความเลื่อมใสเจริญด้วยศรัทธาเป็นต้นพระองค์นั้นสามารถที่จะช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเจริญด้วยคุณธรรมช่วยให้สรรพสัตว์นั้นบรรลุมรรคผลเห็นคุณธรรมต่างๆที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าก็เลยเลื่อมใสตัวในครั้งหนึ่งว่าบุคคลทั้งหลายที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหนึ่งเลื่อมใสในพระรูปพระรูปก็สรุปก็คือมหาปริศลักษณะ ส2สิบสองอนุพยัญชนะแปดสิบรัสมีที่สร้างออกจากพรวรกายหนึ่งวาแล้วก็เลื่อมใสในชื่อเสียงที่เขาสรรเสริญว่าพระองค์ได้สร้างบารมีชื่อเสียงที่คนสรรเสริญในความงามชื่อเสียงที่พระองค์เนี่ยมีพระพุทธคุณทั้งหลายที่บำเพ็ญพุทธกิจทั้งหลายหรือเลื่อมใสในความเศร้าหมองอนะเศร้าหมองทั้งหมดรอบด้านเว้นแต่ร่างกายและจิตใจของพระองค์นั้นไม่ได้เศร้าหมอง แล้วก็เลื่อมใสในพระธรรมอันนะเลื่อมใสในคุณธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้าเมื่อเลื่อมใสอย่างนี้แล้วมันแปลว่าที่ตั้งแห่งความอันนะคือเลื่อมใสเนี่ยมันหนักกว่าความรัก น, นะรักด้วยโลภะนี่มันก็ถือว่าหนักอยู่แล้วใช่ไหมแต่เลื่อมใสด้วยศรัทธาเนี่ยมากยิ่งกว่านั้นเพราะเมื่อบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะเลื่อมใสจากจุดใดจุดหนึ่งก็ตามก็ กระทำอาการแห่งบุคคลผู้เลื่อมใสกระทำอาการของบุคคลที่เลื่อมใสเลยก็คืออย่างที่หนึ่งก็คือลาบสักการะทั้งหลายที่จะเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่ตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองอันนะก็มอบถวายสิ่งนั้นอันนะแม้กระทั่งว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเขบอกว่าเขารักลูกมากนะแต่เพราะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็มอบลูกให้มาบวชใน พระพุทธศาสนาเพราะเลื่อมใสไหนพระพุทธเจ้ า, านะเขาบอกว่าแม้กระทั่งลูกที่เปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจเนี่ยนะความที่เขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากก็เลยมอบให้ลูกศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนจะกล่าวไปใหญ่ถึงอย่างอื่นเพราะฉะนั้นใครมีระเบียบดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟมีภาชนะข้าวของที่คิดว่าดีที่สุดบุคคลเหล่านั้นก็ก็เอาไปบูชาพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นพวกรัตนะทั้งหลายเช่นแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายก็เอาไปเหมือนกับว่าเอาไปเป็นเครื่องสักการะเป็นเครื่องบรรณาการถึงสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของดีแต่ผู้ที่เลื่อมใสก็บอกว่าแหมมันน้อยนิดถ้าเปรียบกับพระคุณของพระองค์เขาก็บอกว่าทุกขตะบรรณาการเครื่องสักการะของคนยากเหมือนนั้นนะขอพระองค์จงรับเครื่องสักการะของคนยากด้วยเถอด นะเป็นบรรณาการของคนยากเป็นเครื่องบรรณาการของคนลำบากวังนั้นขอพระองค์ได้โปรดอนุเคราะห์รับเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยเถอะเพรา ะ, ะนั้นเขาเนี่ยพากันบูชาพระพุทธเจ้ามากทั้งหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะเพรา ะ, ะนั้นลาบสักการะของพระพุทธเจ้านั้นจึงยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นบุคคลเนี่ยนะใครมีอะไรก็น้อมไปเพื่อจะบูชาพระรตนะตรัยได้รับอะไรที่ตัวเองคิดว่าดีอย่างเช่น บางท่านได้ผ้าอย่างดีมาเออเอาผ้าเนี่ยสมควรที่จะบูชาพระพุทธเจ้าที่สุดสรุปว่ามีอะไรที่ตัวเองมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็เอาสิ่งนั้นนั่นแหละมาบูชาสการะแดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมันลาบสการะของพระพุทธเจ้าก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นแต่ลาบสการะของพวกเดรัจฉ์ทั้งหลาย ก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปดุดกาในพาเวรุชาดกปเหมือนกับที่กล่าวไว้ในชาดกว่านางนกยุงที่ปกตินกยุงที่ร้องเสียงไพเราะถ้าหากว่าไม่เห็นนกยุงนกทั้งหลายจะบูชาอะไรก็เลยบูชากาบูชากาที่มันร้องนึกว่ากานี่มันเสียงเพราะแล้วนะเพราะไม่เกิดมาไม่เคยได้ยินว่าไอเสียงเพราะกว่านี้มันเป็นยังไงก็เลยบูชากา อะไรมาบูชาหาเนื้อมาบูชากาหาเนื้อมาให้กาหาผลไม้มาให้กาแต่เมื่อใดที่นกยุงถึงพร้อมด้วยเสียงสู่ภาเวรุในการนั้นลาบสการักของก า, กาก็เสื่อมไปก็คนก็เลิกนับถืออีกาใช่ไหมเพราะเห็นว่ามีนกที่สวยกว่ากามีนกที่เสียงเพราะกว่ากามีอะไรหลายอย่างที่ดีกว่ากา ก, า ก, าก็เลยเลิกนับถืออีกาว่างั้น ชั้นใดในการใดที่พระพุทธเจ้าผู้รรมราชาพระองค์ผู้ทาแสงสว่างให้เกิดแก่ลูกตอนที่พระองค์ยังไม่อุบัติขึ้นครั้งนั้นประชาชนเป็นอันมากก็บูชาแต่สมณะพราหม์เหล่าอื่นบูชาผู้ประกอบด้วยทิฏฐิหสิ62องบูชาผู้ที่ประกอบไปด้วยลัทธิต่างๆแต่เมื่อใดพระพุทธเจ้าพูดถึงพร้อมด้วยเสียงพระองค์ผู้เป็นธรรมราชา คำว่าธรรมราชาแปลว่าผู้สงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายด้วยธรรมพระราชานี i คือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสังคหาวตถุตีอย่างพระราชาในโลกสังคหาวะทุตีหนึ่งพระองค์ให้ทานสองพระองค์นี้กล่าวปิยะวาจาพระองค์เนี่ยทำไรสมะอัตจาริยาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่อานาราศดรทั้งหลายแล้วก็พระองค์นั้นวางตนได้อย่างสม่ําเสมอวางตนได้เหมาะสมในฐานะพระราชา ชั้นใดพระพุทธเจ้าก็มีสังฆะวัตถุพระองค์ให้ธรรมทานแก่สัพพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ให้ธรรมทานแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นอะไรประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สรรัตว์โลกประพฤติเป็นประโยชน์แก่สัรพะสัตทั้งหลายพระองค์นั้นเป็นผู้ที่รทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ เหล่าเทวดาพันพระองค์นั้นสงเคราะห์สัตว์ด้วยทานปิยะวาจาถ้อยคําที่พระองค์พูดนั้นอ่ะไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใดสร้างแต่ประโยชน์สร้างแต่ความสุขให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขณะเดียวกันเสียงของพระองค์ก็ประกอบไปด้วยองแปดทุกคนเนี่ยนะมีใจยินดีที่จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปรารถนาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์นั้นเสียงก็ดีไม่ใช่ชื่อเสียงเฉยๆนะ เสียงที่พระองค์แสดงทำทุกคําทุกคําทุกคําที่เปล่งออกมาก็เป็นเสียงที่ดีเสียงพระพุทธเจ้าดีอย่างไรดีตรงที่ว่าเสียงของพระองค์นั้นเป็นเสียงที่หนึ่งแจ่มใสเนะเป็นเสียงที่แจ่มใสหรือว่าสดใสนะเสียงที่สองเข้าใจง่ายทุกคําเนี่ยม่แบบไม่ใช่แบบแหมมันฟังยากยากไม่เห็นฟังรู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยท่านพูดอะไรก็ไม่รู้แต่แบบนี่ไม่พระองค์ต้องการจะพูดอะไรเขาก็เข้าใจ ขณะเดียวกันพระองค์ก็มีเสียงไพเราะเนี่ยนะเสียงที่เพราะมากแล้วก็ทุกคำเนี่ยที่พระองค์พูดน่าฟังไปหมดเลยปรารถนาที่จะฟังยินดีที่จะฟังเมื่อว่าประชาชนเนี่ยมีความสุขที่ได้ฟังเพราะเสียงของพระองค์นั้นน่าฟังจริงๆและท่านบอกว่าเสียงเนี่ยหยด ย, ย้อยเรียกว่าเสียงหวานอย่างนั้นเถอะเสียงขอ ง, ของคนที่เสียงหวานก็คือพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีเสียงหวานปรารถนาที่จะฟัง น่าฟังเสียงของพระองค์ก็ไม่แตกก็คือไม่พร่าไม่ใช่พูดออกไปแล้วแหมมันแบบเสียงแตกแบบกลามังแตกนะตีแล้วข้อแบบนั้นไม่ใช่แต่ว่าเสียงของพระองค์เนี่ยกลมกล่อมมากนะเสียงที่กลมกลมแล้วก็เป็นเสียงที่ลึกอ่ะนะไม่ใช่แบบเป็นเสียงที่แบบพูดด้วยปลายจมูกอ่ะนะเคยได้ยินไเสียงที่พูดแบบปลายจมูกแบบคนที่มีปัญหาในการใช้เสียงบอกไม่ใช่แต่เกิดเป็นเสียงที่ลึกแล้วก็เป็นเสียงที่ กังวานเนี่ยนะเป็นสำเนียงที่เสนออ่านะดดเสียงนกกาเะเวกเนี่ยนะที่ใครได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าต้องฟังก่อนอ่นะว่าพระองค์ตรัสอะไรพระองค์แสดงอะไรอ่นะรอเมื่อไรที่พระองค์จะแสดงธรรมเมื่อไร่ที่พระองค์จะประกาศธรรมแล้วก็เมื่อได้ยินเสียงธรรมของพระองค์ปั๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะตั้งใจฟังมากความตั้งใจฟังของพระองค์เนี่ยนะจนพระเจ้าประเซนที่โกศลเนี่ยยังจำนวนว่าต้องแคบจริษยา ขนาดพระองค์เป็นมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ใช่หมมอบอำนาจให้แก่พวกทหารหารทั้งหลายให้สมบัติแ ก, พก่พวกประชาชนทั้งหลายแก่พวกข้าราชการถึงขนาดนั้นนะบุคคลเหล่านั้นยังเถียงกันต่อหน้าพระราชาแต่สำหรับพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าพระองค์ประทับนั่งอยู่นะตรงใดพระพิสุท์ทั้งหลายเป็นต้นสมัยพุทธกาลนี่เงียบกริบเลยว่างั้นเงียบจนขนาดว่า ถ้าคนใดกระแอมขึ้นมาโดยที่สุดแม้กระแอมนะคนที่อยู่ใกล้ๆนี่จะเอาเข่ากระทุงนะนะเอาเข่านะครับ ว, ว่าแต่ว่าไม่ใช่แบบกระทุงแบบนี้นะคือว่าสะกิดกันเนี่ยนะแค่สะกิดกันหน่อยว่านี่นี่เงียบๆหน่อยนะพระพุทธเจ้ากําลังจะแสดงธรรมเนี่ยนะคือเขามีอัธยาศัยชอบฟังธรรมแบบนั้นเพ ร, ร่อใหญ่พาะคําพูดที่พระองค์ตรัสเนี่ยยมไม่เคยเห็นหรอกยมที่ไปขอหวยเนี่ยทําตัวยังไง โยมที่ไปขอหวยเชื่อไหมถ้าไปเป็นพันคนก็เงียบกริบเลยไม่พูดเลยรอดูว่าพระเขาจะพูดอะไรจะได้ไปแปลเป็นภาษาหวยเนี่ยนะจะได้แปลมาเป็นภาษาหวยเข้าใจจดใจจ่อไปนั่งรอตั้งแต่หัวค่ำบางทีกว่าพระจะออกมาพุยด้วยนะตาตีหนึ่งตีสองนะ่ยเพื่อจะมาฟังหวยเขาเอาเป็นเอาตายกันขนาดนั้นนะเพื่อจะฟังหวยไ ป, ไปไหนได้ลงทุนแล้วผิดพลาดผิดกันเยอะแยะ แต่ว่ากลุ่มคนที่ฟังธทำเขามายังแปลกใจว่าเอ๊ะมีเห็นว่ามีค่าเท่านั้นบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะบางทีก็นูบ่เมื่อไหร่จะเลิกคุยกันก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่ถ้าขอมาก็ไม่เป็นไรบอกเอาคุยธุระให้มันเสร็จก่อนนะก็มาค่อยเทศทีหลังแล้วกันน่ยนะปรึกษากันให้เรียบร้อยจัดหนังสือตกแต่งให้มันเรียบร้อยอะไรกันนะก็รอดูจนกว่าเขาจะเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยพูดสักทีนหนึ่งอ่ะนะก็อย่าแย่งกันพูดเลยอย่างนั้นเถอะ แต่ถ้าเขาไม่เลิกพูดอา้าวเลิกของมาก็ไม่ได้อยากพูดมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็เงียบไปงั้นเน่ยสบายจะตายพันก็อ่าเรื่องการฟังธรรมเนี่ยนะเขคือเขาถือว่ามันเป็นสาระว่าอะไรนั้นมีสาระเขาแยกสาระเป็นแยกว่าอะไรมีค่าอะไรไม่มีค่าอะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรเป็นไปเพื่อความสุขเขาจําแนกเหตุผลมางั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เงีย่ยโสดลงฟังวันสมัยพุทธกาลนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาฟังด้วยความเคารพเขามีศรัทธาที่จะฟัง และเขาฟังแล้วก็เข้าใจคาว่าเข้าใจเนี่ยเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยประสงค์จะบอกอะไรพวกเขาและพระธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยดีอย่างไรเขารู้ว่าค้าเขาได้รับประโยชน์มีการตรัสรู้ธรรมมีการเห็นธรรมมีการบรรลุธรรมแล้วเขาเนี่ยได้รับสาระได้รับประโยชน์เช่นใดเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นจึงพยายามที่จะ เงี่ยโสดลงฟังธรรมตั้งใจฟังธรรมเมื่อตั้งใจฟังธรรมเพราะเขาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ประโยชน์ทั้งปัจจุบันประโยชน์ทั้งสัมปรายภพประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกห น, น้าและที่สําคัญการฟังธรรมนั้นเป็นประตูเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งและก็ประโยชน์ที่สูงที่สุดเนี่ยนะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ลาบสการะต่าง ๆ, ๆก็เอามาบูชา พระพุทธเจ้าที่เขาเหล่านั้นบูชาพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าปูชาจะปูเชนียานั ง, งเพราะการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุแห่งความเจริญการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นแหละจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่แก่พวกเขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุคคลในยุคนั้นก็เลยพากันบูชาพระพุทธเจ้ากันมาก ส่วนลาบสการะของเดรธีทั้งหลายก็เสื่อมเอาเสื่อมเอาเนี่ยนะตอนแรกก็หมารุ่งโรดรุ่งเรืองหมู่ประชาชนทั้งหลายก็เลื่อมใสมากตอนหลังก็เฉาลงเฉาลงเฉาลงเหมือนอะไรเหมือนแสงเหีงห้อยยามเมื่อพระอาทิตย์อส่องสว่างขึ้นในโลกเช่นั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าเฉาไปเฉาไปเมื่อไปเมื่อไปเพราะไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครสนใจถึงก็มีอยู่บางช่วงเนี่ยนะ พวกพราหมณ์เนี่ยน้อยใจมากเลยที่ที่อินเดียนะไม่ใช่ที่เมืองไทยที่อินเดียเนี่ยพวกกลุ่มศาสนาอื่นเนี่ยนะเขาเขาเสียใจมากเขาเขาเครียดมากะนะว่าทําไมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพวกเขาเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการยอมรับเป็นที่ตั้งแห่งการนับถือมีแต่คนสนอกสนใจแต่บัดนี้ทําไมไม่มีใครสนใจเขาเลยเนี่ยนะจนบางคนเนี่ยผูกอาฆาตขึ้นผูกอาฆาตในพระพุทธศาสนาว่าจะทําลายพระศาสนาได้อย่างไร เนะี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมันเฉาลงเสื่อมลงเสื่อมลงกลมลัทธิทั้งหลายแหละเนี่ยมันเสื่อมลงไปมากก็เลยที่มาของการว่าวางแผนเพื่อทําลายพระพุทธศาสนาและก็มีบุคคลที่พยายามทําลายได้สําเร็จจริงๆเนี่ยนะโดยการมาปลอมแปลงคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแต่ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็คือว่าลากสการะทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเมื่อ สมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเอาลาบสการะมาบูชาพระตนะตรยัยไอ้คนหลังๆที่เข้ามาในพระศาสนาเนี่ยก็กลายถือว่าลาบสการะเป็นสาระเมื่อถือเอาลาบสการะเป็นสาระแล้วทำอะไรต่อไปเมื่อทุกคนถือเอาลาบสการะเป็นสาระและสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนไหมคนในก็ฝักใฝ่แต่เรื่องลาบสการะคนนอกก็จ้องแต่ทาลายก็กลายเป็น ถ้าเป็นทางธรรมะก็บอกว่าถ้าพูดเหมือนแผ่นดินนะนะอาณาจักรพุทธจักรก็ล่มสลายเพราะคนในต้องการแต่ลาบสการะคนในโหยหิวอดอยากแต่เรื่องลาบสการะทำยังไงที่ตัวเองจะได้มีลาบสการะอย่างสมัยก่อนเนี่ยสการะทั้งหลายเขาไปบูชาบุคคลที่ควรบูชาไอตอนหลังคนที่ไม่สมควรบูชาก็ปรารถนาจะให้คนอื่นเขาบูชาก็เลยทำตัวที่ไม่เหมาะสมโดยประการต่าง พระอรหันต์รูปหนึ่งท่านบอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะพระพิสุทั้งหลายเนี่ยจะทำตัวไม่เหมาะสมเพื่อปัจจัยสี่ถึงเขาเหล่านั้นจะนุ่งห่มจีวรก็เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกเอาหนังราชสีมาห่มเท่านั้นเองเพราะคนในก็เละเทะไม่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนไม่สนใจที่จะเรียนรู้ปฏิบัติตาม คำสอนไม่ใส่ใจในคำสอนไม่ได้ถือคำสอนว่าเป็นสาระคนนอกก็จ้องทำลายอยู่แล้วคนในก็ไม่เห็นว่าคำสอนของตัวเองาศาสนาตัวเองมีสาระคนนอกก็ไม่หวังดีไม่ปรารถนาดีพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรในที่สุดก็อันตรทานมาจากอินเดียอินเดียก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ก็มีบางท่านไปเผยแพร่ในอินเดียแล้วก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งอยากจะบวชมากเลย เนี่ยมีศรัทธาอยากจะบวชทิงสี่ร้อยห้าร้อยปัญหาบอกว่าไอ้ที่บวชไม่ยากหาภาพไปไนันให้หม่มให้นุ่งได้แล้วอาหารที่จะเลี้ยงคนห้าร้อยตลอดไปนะอยู่ยังไงไอ้ปัญหาเรื่องอาหารก็ไม่น่าจะหนักใจอีกแต่ว่าแล้วท่านจะอยู่ทําอะไรกันตั้งห้าร้อยรูปเนี่ยนะอยู่เรียนอะไรเอาแล้วใครไปบอกไปแนะนําไปสั่งสอนท่านก็อาจจะใช้ชีวิตแบบพระภิกษุทั้งหลายแต่เรียนวิชาของเดรัจฉ์ทั้งหลาย เรียนวิชาศาสนาของตัวเองก็ไม่เข้าใจเรียนแต่วิชาภายนอกพุทธศาสนาก็ล่มสลายยิ่งแก้ไขยิย่งสลายถามว่าทำไมเพราะยิ่งแก้ไขแต่แก้ไขข้างนอกแต่ไม่เคยน้อมมาจะแก้ไขว่าทําอย่างไรเราจะเจริญในพระพุทธศาสนานะนั้นสมัยสมัยนั้นเนี่ยนะศาสนาก็ ค่อยๆเสื่อมสลายจากอินเดียมาปัจจุบันนี้ในยุคใหม่นี้ก็จะคล้ายๆกันแล้วที่คล้ายๆกันก็คือว่าไม่ค่อยถือเอาคําสอนว่าเป็นสาระเนี่ยนะเมื่อไม่ถือเอาคําสอนว่าเป็นสาระก็บอกว่าดูจากอะไรว่าไม่ถือเอาคําสอนเป็นสาระก็บอกว่าปกติชีวิตถีชีวิตเนี่ยสนใจในคําสอนขนาดไหนคิดถึงคําสอนขนาดไหนบางคนก็บอกว่าเนี่ยเข้าเป็นชาวพุทธนะสนใจคําสอน แต่ถามจริงๆเฮ่เป็นชาวพูดและจําคําสอนอะไรได้บ้างพระพุทธเจ้าสอนอะไรเขาพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมอะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรและเขาปฏิบัติในาศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เป็นอะไรตัวเองก็สับสนสับสนแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าคือใครก็ไม่รู้พระธรรมที่พระองค์สอนสอนอะไรก็ไม่รู้พระสงค์เนี่ยที่สาวกของพระพุทธเจ้าท่านมีคุณธรรมอะไรก็ไม่รู้แล้วตัวเองเนี่ยปรารถนาจะเจริญในคําสอน อย่างไรเป้าหมายไม่ชัดเจนนะเป้าหมายไม่ชัดเจนเนี่ยนะก็ถามมาดูจากอะไรหูได้ยินเสียงไปไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจมูกรู้กลิ่นแต่ว่าพับในทวารจมูกพระพุทธเจ้าสอนอะไรเช่นโลกานิโรทสูตรก็เนึกไม่ออกอาทิตตปริยยสูตรก็ไม่เข้าใจเนี่ยนะทวารตาที่จะมองเห็นคุณพระรัตนตรายก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ก็ได้แต่สติ๊กเกอร์ชาวพุทธเนี่ยติดไปเนี่ยนะ แล้วก็ปฏิบัติแบบเดรัจฉีโดยที่ตัวเองไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเดรัจฉีมันคนนอกศาสนาไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ที่มีศาสนาไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพราะไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเอาคําของใครไม่รู้มาพูดเสร็จแล้วบอกนี้พระพุทธศาสนาก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระธรรมของพระองค์เป็นอย่างไรก็ไม่เมื่อไม่มาใส่ใจในพระรัตนตรัยเข้า เสื่อมจากพระพุทธศาสนาตั้งนานแล้วนะเสื่อมจากพระพุทธศาสนาตั้งนานแล้วถามว่าทําไมก็ดูวันก่อนนี้ก็ไปสลดสังเวชใจอยู่ที่หนึ่งก็คือว่าทัา้งจริงในฐานะเป็นชาวพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรและจําคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เท่าไหร่ออกจําอะไรไม่ได้เลยถ้าจําอะไรไม่ได้เลยก็แปลว่าไม่มีสมบัติอะไรจากพระพุทธเจ้าติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีอริยท ร, รัพย์อะไรจากพระพุทธเจ้าเลย พระพุทธเจ้าขนอริยสรัพย์สร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนกลับมาเพื่อที่จะสั่งสอนธรรมก็เลยกล่าวว่าไม่เหลืออะไรเลยในที่ถ้าเรามองเห็นความแตกต่างว่าสมัยพุทธกาลสมัยแต่เก่าแต่ก่อนเขาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยกันอย่างยิ่งนะแต่ถ้าเทียบกับยุคหลังแต่ถ้าถ้ามองจากคนไหว้พระาธาตุก็ก็ไปกราบไปไหว้ไปบูชากันเยอะแต่ที่ไปบูชาโดยการยกย่องสรรเสริญพระคุณของพระองค์ก็ น้อยลงพระองค์เนี่ยผู้มีพระทาตเช่นนี้มีคุณธรรมเช่นใดก็น้อยลงบุคคลทั้งหลายก็รู้แต่ว่าไหว้แล้วดีไหว้แล้วเป็นมงคลแต่ว่ากระดูกอันเนี้ยเคยเป็นที่ตั้งแห่งคุณธรรมเช่นใดบ้างพระองค์เนี่ยมีคำแนะนำสั่งสอนเป็นอย่างไรบ้างความเข้าใจเหล่านั้นก็น้อยลงเมื่อความเข้าใจน้อยลงเนี่ยนะพระจัน์ข้างแรมจริง นะข้างแรงก็เเช้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็ทําความเข้าใจเถต่ว่านี้บอกว่าเนี่ยทุกคนบอกว่าดีใจมากปีใหม่นะหลายคนก็บอกโอ้เฮปปี้นะมีความสุขมากนะค่อยๆนับถอยหลังกับปีใหม่แต่หน้าเศร้าใจมากกว่าพศมันเปลี่ยนวันนี้พศเปลี่ยนเป็นปีสี่เจ็ดถามว่าอะไรจะหน้าเศร้าปีที่แล้วเนี่ยนะเราห่างพระพุทธเจ้ามาสองพันห้าร้อยสี่สิบหกปีปีนี้เนี่ยห่างไปอีกนิดหนึ่ง คิดได้ว่าลักษณะห่างพระรัตนตรัยมาเรื่อยห่างนับตั้งแต่วันสมัยพระพุทธเจ้าปารินิพพานห่างไปทุกปีทุกปีค่อยๆห่างไปเรื่อยในที่สุดเหมือนกับว่าแบบอะไรนะมองเห็นเจดีย์ริบๆอะ่ะเดินทางอห่างออกจากเจดีย์ห่างหนึ่งเม็ดก็เห็นก็ห่างไปเรื่อยๆถ้าห่างเป็นร้อยเม็ดถ้าห่างเป็นพันเม็ดถ้าห่างเป็นหลายหลาพันเม็ดก็แปลว่ามองค่อยไม่ค่อยเห็นเลือนรางเต็มทีเพราะฉะนั้นปีใหม่เขามาว่า หน้าสังเวชสลดใจมากกว่าอายุก็เพิ่มอายุที่ได้มาก็เพิ่มขึ้นอายุก็เหลือน้อยลงพระพุทธศาสนาก็ห่างก็ไปทุกทีทุกทีอ น, นะก็คือมีนีแต่ความเสื่อมไ ม, ไม่เข้าใจว่าแฮปปี้กันตรงไหนเนี่ยนะมันมีแต่ความสูญเสียเขาบองั้นแทนที่โอ้เนี่ยโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตย่างชีวิตของเราย่างเข้าไปสู่ชาราและมรณะอายุพระพุทธศาสนาก็ ลดน้อยถอยลงไปเนี่ยนะผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนก็ลดน้อยถอยลงไปก็มองแล้วถามว่าหน้าเศร้าไหมบอกว่าไอ้เศร้านี่ไม่ดีหรอกแต่ว่าหน้าสังเวชพันบุคคลผู้สังเวชควรแล้วที่จะตั้งความเพียรเพื่อให้มีศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นในพระธรรมไตรยัยเพื่อที่จะเพิ่มผูนคุณธรรมเป็นต้นเนี่ยนะอาจจะได้เจริญงอกงามในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราพลาดโอกาส ที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพลาดโอกาสที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ายาก บางคนก็บอกแม้ปรารถนาชาติหน้าขอให้ได้พบศ า, าสนาอีกชาติ ต, ต่อไปขอให้ได้พบศ า, าสนาอีกเข้ามาก็ดูว่าชาตินี้แค่ไหนอ่ะนะชาติต่อไปก็แผ่วไปทุกทีชาตินี้พศสี่ห้าสี่หี่เจ็ดสี่แปดอ่องพันห้0กว่าปีมาแล้วนะสอ4พ4นี่เจ็ดี่ดถ้ามาตอนพศสอ0 0อพศสอ0 7อพศสองพอพศสามพอ สามพันห้าร้อยสี่พันปีพอสองห้าพันไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งหวังน้ำบ่อ น, น้าเข้าไปเนี่ยมันแห้งเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีมันแห้งเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดก็น้ำอมตะที่พระพุทธเจ้าสอนก็ อันตรธานไปจากโลกพราะวันนี้เขามาไม่สวัส ด, ดีปีใหม่ไม่อะไรสักอย่างทางนั้นน่ะใครจะดีใจปีใหม่ก็ดีใจไปเถอดที่แน่ๆอายุมันเพิ่มขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วล่ะเนี่ยนะอายุาศาสนามันก็นลดลงไปเข้าไปอีกปีหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีอายุยืนกันแล้วกันทางนั้นเพื่อมันจะขยายอายุไปอีกปีหนึ่งแสงสว่างแห่งประเทศคือปัญญาเพื่อมจะเพิ่มขึ้นบ้างเลนะรู้คุณพระรันาตนะตรัยเข้าใจความเสื่อมเข้าไปโอ้ชีวิตมันเสื่อมเข้าไปทุกปีทุกปีเนี่ยนะ เนี่ยนะท่านปีนี้เราแก่ขนาดนี้แล้วปีหน้าแก่กว่านี้ปีนี้อีกปีที่แล้วก็ยังหนุ่มกว่าปีนี้นะอายุตัวเลขก็ไม่ในมากเท่าปีนี้เลยปีนี้ก็แก่ก็ไปทุกทีเนี่ยนะมันก็อย่างงี้แหละชราและมรณนะใกล้เข้ามาเยือนทุกทีแล้วคุณธรรมละเจริญบ้างไหมบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคิดว่าตัวเองจะต้องมีศรัทธาขึ้นในพระธรรมตรัยเท่าไหร่อันนะ่ะถ้าจะมาบอกว่า บอกปกติแล้วทางโลกทั้งหลายผู้ที่เจริญงองามทางโลกเนี่ยนะบริษัททางโลกทั้งหลายเขาก็มีเป้าหมายว่าภายในปีเนี่ยจะต้องทํายอดให้ได้เท่าไหร่เป็นต้นพุทธบริษัททั้งหลายปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายไม่ว่าปีนี้จะมีศาสนาเพิ่มในพระพุทธเจ้าอีกเท่าไหร่นะเพิ่มอริยทรัพย์เนี่ยนะมีศรัทธาในพระพุทธคุณเพิ่มอีกเท่าไหร่ศรัทธาในพระธรรมคุณเพิ่มอีกเท่าไหร่ศรัทธาในสังฆคุณเพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยนะคือว่าอริยทรัพย์คือศรัทธา ตั้งเป้าหมายเพื่อให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองตั้งเป้าหมายเพื่อศีล ข, ขึ้นไหมศีลปีที่แล้วเป็นหานาพาคยะหรือทิติภาคยะเป็นศีลที่อยู่ในฝ่ายแห่งความเสื่อมหรือความดำรงอยู่หรือเป็นศีลประเภทพิเศษยิ่งขึ้นไปแล้วปีนี้อ่ะ จะให้พิเศษกว่าปีก่อนๆอย่างไรให้พิเศษกับปีที่แล้วอย่างไรเนี่ยนะปีที่แล้วเนี่ยยอดของการรักษาอุโบสถเนี่ยนะในตลอดระยะเวลาปีหนึ่งเนี่ยมีอุโบสถกี่ครั้งแล้วจำนวนเลขตัวเลขที่รักษาอุโบสถเนี่ยมีจำนวนกี่ครั้งอุโบสถที่รักษาเป็นพรมอุโบสถหรือเป็นธรรมอุโบสถหรือเป็นอริยอุโบสถหรือเป็นศีละอุโบสถมันเป็นอุโบสถประเภทไหน ในบรรดาอุโบสถทั้งหลายหวังว่าไม่ใช่โคปตาละกะอุโบสถแล้วปีนี้อุโบสถที่จะรักษา ม, มันเป็นอุโบสถกลุ่มไหนเนี่ยนะเป็นอุโบสถที่เป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไหมแล้วทราบคือฮเรโอตปะตั้งใจจะอายชั่วกลับาปกว่าปีที่แล้วอย่างไรเนี่ยนะตั้งว่าฮิเรจะสูงขึ้นขนาดไหนโอตปะจะมีกําลังขึ้นอีกอย่างไรปีที่แล้วเรียนฟังพระไตรไปิฎกจบกี่เล่มแล้วปีนี้คิดว่าจะจบอกีก กี่เล่มบอกโอ้ยปีที่แล้วฟังมาเยอะแล้วปีนี้เพลาเพลาลงบ้างออย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็โอ้โหสัเพสตาอเวราโหงตุอยู่เป็นสุขเป็นสุขเธอแต่ถ้ห่างกันบ้างก็ดีแตตั้งว่าเออเนี่ยปีที่แล้วฟังพระไตรปิฎกจบไปห้าเล่มปีนี้หกเล่มนะปีก่อนเนี่ยฟังไปแล้วจบสิบเล่มปีนี้ก็ต้องสิบเอ็ดเล่มปีที่แล้วนี่ยังอ่านพระไตรปิฎกไม่จบสักเล่มเป็นต้นปีนี้ต้องจบมันก็ต้องหลายๆเล่มนะฟังทากี่ชั่วโมง ปีหนึ่งเนี่ยมีสามร้อยหสิบห้าวันวันหนึ่งมีตั้งยี่สบสี่ชั่วโมงแล้วเฉลี่ยแล้วฟังธรรมวรกี่ชั่วโมงอ น, นะปีหนึ่งเนี่ยมีตั้งสามรอยหสิบห้าวันวันหนึ่งตั้งยี่สบสี่ชั่วโมงแล้วเราคิดธรรมวะวรกี่นาทีอยู่กับคําสอนกี่นาทีพันสุตะเรามีเท่าไหร่แล้วตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีสุตะอริยทรัพย์คือสุตะเพิ่มไหมและอะไรมั่งที่เราเข้าใจแล้ว ทีคณิกายเราเข้าใจขนาดไหนทีคณิกายมีสามสิบสี่สูตรพรหมชาลสูตรเราเข้าใจไหมสามัญจะผลสูตรเราเข้าใจไหมเป็นต้นเนี่ยนะมัชฌิมนิการหนึ่งร้อยห้าสิบสองสูตรสูตรไหนมั่งที่เราไม่เข้าใจสูตรที่เข้าใจแล้วเข้าใจว่าอย่างไรเพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจได้ไหมสังยุตตนิกายเจ็ดพันเจ็ดร้อยกว่าสูตรเนี่ยนะเราจําได้กี่สูตรแต่ละสูตรเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนเข้าใจว่าอย่างไร ทั้งสั่งยุตธนี่พระพุทธเจ้าสอนอะไรอังคุตรนิกายมี900ากระสูตรเนี่ยนะเก้ากระสูตรเนี่ยเก้าสิูตรเราจำได้กี่สูตรแต่ละสูตรเนี่ยพระองค์อยากจะบอกอะไรพระองค์อยากให้เรารู้อะไรเราฟังมาแล้วกี่สูตรเหลืออีกกี่สูตรไอ้ที่ยังไม่ได้ฟังเนี่ยทำไมมันจึงไม่ได้ฟังแล้วฟังแล้วให้มันเข้าใจแค่ไหนและอย่างไรนะคุถการนิกายมีทั้ง15คัมภีร์มีคุถกะพาทะเป็นต้นแต่ละคัมภีร์เราฟังมาแล้วกี่คัมภีร์ จบคำมภียอะไรบ้างสุตตานิบาตก็ยังเรียนไม่จบเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้ที่เรียนมาแล้วเนี่ยเข้าใจแค่ไหนไอ้ที่เข้าใจแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ไหมหรือว่าผ่านตาเป็นอักษรกอไข่ขอไข่ข้อขวดกอเอ๋ยกอไก่ข้อไข่ขไขได้เล้าอ่ะนะเห็นแต่หน้าตาแบบนี้เป็นตัวอักษรไม่รู้เรื่องเลยว่าพระพุทธเจ้าอยากจะบอกอะไรมันจะน่าสงสารขนาดไหนแล้วพีธรรมีทั้งเจ็ดคำเพี์ธรรมสังคีนีเราฟังอะไรไปบ้างอ่ะ น, นะ วิพังเป็นต้นเนี่ยนะคัมพีอภิธรรมทั้งเจ็ดกำปีเราฟังอะไรไปบ้างและไอ้ที่ฟังแล้วเนี่ยอภิธรรมท่านบอกอะไรเราท่านอยากให้เรารู้อะไรแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตจริงๆได้ไหมพระธรรมหมวดไหนที่เอามาใช้ในชีวิตจริงๆได้บ้างเอามาเจริญในชีวิตจริงเน่ยนะอันนี้คือเรื่อว่าสํารวจตรวจสอบดูทราบคือสุตะเนี่ยนะทรบคือปัญญาบอางทราบคือจ่าค่าบ้างอกุศลเนี่ยสละอะไรออกไปบ้างแล้วเนี่ยนะ สละอะไรสละบาปเหล่าไหนออกบ้างสละความไม่มีศรัทธาสละความเกียดคร้านสละความประมาทสละความฟุ้งซ่านสละอวิชาอะไรออกไปบ้างสละโลภความโลภอะไรออกไปได้บ้างสละความโกรธสละความลุ่มหลงได้เท่าไหร่สละวัตถุบริจาคเป็นเครื่องทําบุญเนี่ยปริมาณแห่งการทําบุญเนี่ยให้ข้าวไปกี่ทัพพีแล้วทําบุญด้วยข้าวไปกี่ทัพพีให้น้ําไปกี่แก้ว หรือว่าไปกี่เร้ว่าให้น้ำเป็นทานไปกี่ขวดให้อาหารเป็นทานกี่คําและกี่ถ้วยให้เครื่องนุ่งห่มเป็นทานกี่ชิ้นให้ที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นทำพุทธบูชาเท่าไหร่ทําธรรมบูชาไปเท่าไหร่สังฆบูชาไปเท่าไหร่พอไหมที่จะใช้ในชีวิตในพบต่อต่อไปอย่างแค่เรายังถ้ายังต้องเวียนไหวตายเกิดอีกหลายชาติปัจจัยสี่พอมีใช่ไหมสะสมสเสบียงทางพอมีใช้เป็นต้นไหมต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ แล้วก็นี่ต่อไปทรับคือปัญญาเนี่ยนะทับคือปัญญาเนี่ย อ, อริยศาสตร์ดูสิทุกควรกําหนดรู้เราเข้าใจว่ากําหนดรู้ว่าอย่างไรเรากําหนดรู้อะไรบ้างแล้วอะไรบ้างที่ยังไม่ได้กําหนดรู้สมุทัยเป็นธรรมที่ควรละละอะไรออกไปบ้างแล้วละโดยตาทางข้าประหารหรือละโดยวิคัมปนาประ ห, า, หารยังไม่ละแต่เข้าใจว่าละหรือละแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองละหรือมันเป็นยังไงเนี่ยนะ แล้วก็นิโรธสัตว์ควรทำให้แจ้งแจ้งแค่ไหนแจ้งอย่างไรแล้วก็มัคควรเจริญเนี่ยนะอริยมัคคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นหรือโพธิปัจยธรรม 3.7 มิเจ็ดสติปทานเจริญไปถึงไหนสัมมาปทานอิทิบาทอินทรียีพระละโพชงองค์มัคแต่ละอย่างเจริญไปถึงไหนแล้วะนะ ใกล้ๆจะได้รับมรดกพระพุทธเจ้าหรือยังใกล้จะเป็นธรรมทาญาติหรือยังเป็นต้นก็มาเช็คมาสํารวจตรวจสอบดูเพราะว่าเนี่ยมันห่างพระศ า, ศาสนาไปเรื่อยๆเมื่อห่างไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องขนอริยทรัพย์ขนมรดกจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ใช้จากนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแม้ถ้าชาตินี้บอกว่าอะไรนะโอ้ยไม่ได้บรรลุรอมา ง, งั้นอะ่ะถ้าได้บรรลุก็ดีไปก็ถือว่ามีบุญไปโชคดีไปแต่ถ้าไม่ได้บรรลุรออีกหนึ่งพุทธันดรเ น, นี่ยนะ รอไปเหอะทีนี้ทานอะไรอ่ะนะอุปบ่าว่าอา้าวเนี่ยมาไม่ทันรถมาไม่ทันเครื่องตกรถตกเครื่องแล้วงั้นอีกสามปีข้างหน้าจึงจะมีรถเที่ยวใหม่สมมุตินะเออจากนี้สามปีทานอะไรละ่ะนอนที่ไหนกินอะไรอยู่อย่างไรอยตกใจหมดเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันเราเนี่ยมันก็ห่างไปทุกทีทุกทีห่างไปทุกปีทุกปีเนี่ยนะเอ๊ะเป็นยังไงเนี่ยนะชีวิตของเราเป็นยังไงเนาะ หรือไม่สงสารตัวเองเลยช่างนั่นเถอะเดี๋ยวไปตายเอาดาบหน้ากันแล้วกันไม่ต้องห่วงได้ตายจริงๆองนั้นไม่ต้องตกใจนะําใจให้สบายเถอะได้เป็นอย่างที่ใจคิดจริงๆแต่จะเตรียมการอะไรได้บ้างเนี่ยนะในฐานะชาวพุทธที่พระพุทธเจ้ามีคําสั่งหรือมีคําสอนตักเตือนว่าให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเราไม่ประมาทอะไรบ้างคําว่าไม่ประมาทแปลว่าไม่ปล่อยใจไปในกรรมคุณ ไม่ประมาทแปลว่ายินดีที่จะประพฤติสุจริตแต่ตั้งอยู่ในการประพฤติสุจริตคาว่าไม่ประมาทก็คือเ <_ ening> พิ่มศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นศีลที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญบริบูรณ์ไปสมาธิที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มให้บริบูรณ์ขึ้นไปปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะ วิมุตติยานัสสนะเป็นต้นก็ในยะเดียวกันมันก็ต้องตั้งเป้าหมายถ้าไม่มีเป้าหมายเลยเขาเรียกว่าอัปมงคลปีใหม่นี้ก็ขอให้เป็นปีแห่งมงคลมงคลเนี่ยคือตั้งอัตตะซัมมาปฏิทินนะตั้งไว้ที่จะเจริญคุณธรรมไม่ใช่ปล่อยประละเลยนะธรรมะมีอยู่สองอย่างเขาบอกปล่อยวางกับปล่อยประละเลยปล่อยวางก็คือไม่ปล่อยว่าเที่ยงไม่ปล่อยว่าเป็นไม่ไปปล่อยใจนี้สังขารเป็นเที่ยงสังขารเป็นสุข ทำเป็นอัตตาเป็นต้นอันนั้นก็เรียกว่าปล่อยเอไม่ปล่อยยึดเอาไว้ด้วยวิปลาสแต่ก็ให้ปล่อยตามเป็นจริงแต่ถ้าปล่อยปราละเลยก็ไม่สนใจอะไรเลยไปที่ไหนก็อ้างว่ามันไม่เที่ยงไปที่ไหนก็อ้างว่ามันเป็นทุกข์ไปที่ไหนก็อ้างว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะเออดีอย่างไงนะทำมันขอให้มันจริงเถอะปัญหาว่ามไม่จริงอะสิเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วไอ้ไม่เที่ยงนั้นเขาจะเจริญอริยมรรคเมื่อรู้ไม่เที่ยงแล้วเขาเจริญมรรค เมื่อรู้ว่าเป็นทุกข์เขารีบเจริญมัก่กเมื่อรู้ว่าเป็นอนัตตาแล้วรีบเจริญมั่กใช่ไหมถามว่าถ้าเรารู้ว่าเหตุการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้นเราจะนั่งรอเลยใช่ไหมนั่งรอไหมเอาทาไมไม่นั่งรอก็เพราะเรารู้ว่าจะต้องหนีฉันใดก็ดีถ้ารู้ว่าสังขารเป็นต้นไม่เที่ยงก็ยิ่งต้องรีบรีบยิ่งเร่งที่จะเจริญคุณธรรมเพราะเจริญได้เท่าใดนั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเรา เท่านั้นเนี่ยนะท่านก็อย่างที่กล่าวว่าปีใหม่เนี่ยก็อายุพระศาสนาก็บวกเข้าไปอีกปีหนึ่งก็แปลว่าเหมือนกับคนที่อายุมากๆนี่จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะขนาอายุของเรามาขนาดนี้ยังขนาดนี้ถ้าหากว่าอายุของปีอายุของคําสอนต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรอยากหวังเลยอยากคิดเลยอย่าเดาเลยว่าศาสนาจะเจริญยิ่งขึ้นบอกไม่เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละอยากคิดว่ามันจะเป็นสาวขึ้น แก็กลายเป็นที่มาล้อเรียนสัมนวนว่าสาวน้อยหนุ่มน้อยก็แปลว่ามันเหลือน้อยเต็มทีเนี่ยนะมันน้อยเข้าไปเหมือนผ้าของช่างหูกที่ทอไปเท่าไหร่มันก็เหลือน้อยเท่านั้นฉันใดชีวิตของเราก็เหมือนกันทีนี้ศรัทธาของเราเพิ่มขึ้นไหมตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไว้เถอาว่าเนี่ยก่อนที่เทว่าจะถึงกับล้มหมอนนอนเสือ่ออันนะั้ถูกเจาะซ้ายยางมาตั้งหลายเส้นเนี่ยจ ะ, จะเจริญอะไรไว้ก่อนเนี่ยนะจะเจริญอะไรไว้ก่อนนั่นก็ตั้งเอาไว้ให้ดีเรื่อง ตั้งไม่ดีก็ไม่ไปเยี่ยมหรอกนี่ก็ย้อนกลับมาในจูลสีฮานสูตรอัตกถาเพิ่มอีกว่าพวกกลุ่มที่ใช้ชีวิตแล้วเนี่ยนะทำอะไรก็ไม่เจริญยิ่งขึ้นเช่นเผยแผ่นะรัฐที่ของตัวเองก็เสือเส่อมลงเสื่อมลงเพราะเสื่อมมากขึ้นมากๆทำไงดีท่านก็บอกว่าเหมือนแสงเห่งห้อยใช่ไหม เผยแร่แล้วตัวเองก็ไม่ประสบความเจริญอะไรเลยเหมือนแสงหิงห้อยในหน้าสิบสี่บอกว่าแสงหิงห้อยทั้งหลายย่อมแสดงออกซึ่งแสงในราตรียามข้างแรมนั่นก็เป็นวิสัยของหงห้อยทั้งหลายถ้าเดือนสว่างเดือนหงายจริงๆนะหิงห้อยแทบไม่ค่อยมีแสงต้องเดือนมืดมิดแสงหิงห้อยจะดูงามฉันใดก็ดีลัดที่าศาสนาอื่นก็คล้ายๆเหมือนกันแต่เวลาใดที่ดวงอาทิตย์ ถึงพร้อมด้วยรัศมีขึ้นอยู่เวลานั้นแสงของเหง่ห้อยทั้งหลายก็หายไปฉันใดเดีร์ถีทั้งหลายในโลกนี้ส่วนมากเป็นเช่นกับแสงเหง่ห้อยฉะ น, นั้นเหมือนกันย่อมแสดงคุณของตนเน่ยนะในโลกที่เปรียบเหมือนข้างแรงกว่าเปิดเผยเปิดเผยตัวเองได้ในยามที่พระพุทธศาสนาไม่เจริญรุ่งเรืองว่างั้นแต่เวลาใดพระพุทธเจ้าผู้มีรัศมีหาที่เปรียบมิได้อุบัติขึ้นในโลก เวลานั้นเดียร์ธีทั้งหลายก็หมดสิ้นซึ่งรัศมีเหมือนเฮงห้อยทั้งหลายในยามที่มีพระอาทิตย์ฉนั้นแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์กำจัดความมืดฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แสดงเพื่อกำจัดความเข้าใจผิดเท่านั้นคือ ลทัทธิเดรัทธีเนี่ยนะมันเป็นลัทธิที่เกิดจากความวิปลาดความเข้าใจผิดเช่นว่าเข้าไปในห้องหรือเข้าไปในถ้ำใดถ้าหนึ่งเนี่ยนะก็ไปเข้าใจว่าในถ้านั้นนะ่ะมันมีอะไรเพราะความมืดมิดเนี่ยมันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้เนี่ยนะก็เลยมองคิดแล้วก็คํานวณต่างๆว่าในถ้ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่เมื่อใดที่แสงสว่างเกิดขึ้นในโลกนะเมื่อมีแสงสว่างก็มองเห็นตามเป็นจริงฉันใดในโลกนี้ก็เหมือนกับมนุษย์ถ้ำนะ ข่ม ค, คืออวิชชาคือกระเปาะคืออวิชชาเนี่ยมันห่อหุ้มและก็หุ้มหอยามใดที่มีปัญญาเห็นคำสอนเข้าใจคำสอนก็จะรู้จักความจริงเมื่อรู้จักความจริงไปแล้วเนี่ยนะละทัทธิเดียร์ีทั้งหลายก็สูญหายไปจากใจเนี่ยนะก็สูญหายไปจากใจสมัยพุทธกาลก็ลักษณะเดียวกันสมัยนั้นเนี่ยความที่ประชาชนทั้งหลายอยู่ในความมืดมิดไม่เห็นพระรัตนตรยัยพอพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลก พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็สอนเมื่อสอนเน้ประชาชนก็รู้ตามความเป็นจริงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็ไม่นับถือาศาสนาแห่งความมืดและความโง่เขลาก็เลยหมดลาบสการะพอหมดลาบสการะแล้วก็เนื้อตัวนี้เรียกว่ากราดเกลื่อนไปด้วยอะไรหิด ต, ต่อมเล็กๆ เ, เป็นต้นอ น, น, นะนะก็คือร่างกายเนี่เป็นตุ่มเป็นน้องเนี่ย น, นะแต่ก็จริงไคล้ายๆกับ ถ้ามีพวกสมณะน์สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเห็นเยอะสมัยใหม่ไม่ค่อยเห็นแ่ละพอบวชเข้ามาเนี่ยตามตัวเนี่ยนะเป็นตมเป็นตอมเป็นอ่าเป็นอะไรนะเป็นตอมอะตอมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นหิดเป็นตุ่มชนตุ่มเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยสมัยใหม่ไม่ค่อยเห็นแหละแต่เมื่อยี่สบาสิบปีก่อนเนี่ยจะมีบ่อยนะยี่สิบปีก่อนกเนี่ยจะเห็นค่อนข้างเยอะช่วงหลังหลังมาก็ไม่ค่อยเห็นเนื่องจากว่าดูแลสุขภาพดีขึ้นอะไรขึ้นเอ็ดพอนหนึ่งชั้นใดก็ดีในสมัยก่อนก่อนสมัยเดรัจฉีอยู่ก็ ฉันนั้นมันพวกเดียร์ถีเนี่ยนะเมื่อเสื่อมจากลาบสการะเนื้อตัวก็สพังไปด้วยเอ็นแล้วชีวิตของคนที่เคยมีแล้วไม่มีเนี่ยอยอมมาทุกไหมเคยได้รับการนับถือแล้วตอนหลังไม่ได้รับการนับถือเคยมีลาบสการะแล้วไม่มีลาบสการะเคยไปที่ไหนใครก็ทักทายบูชาเหมือนเช่นกับเทพเจ้ามาตอนหลังเหมือนกับตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่เดิน เดินผ่านไปเนี่ยจะน้อยอกน้อยใจจะเสียใจขนาดไหนพราะฉะนั้นกลุ่มเดียร์ีเหล่านี้ก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเข้าไปหาพระธรรมไปหาพระสงฆ์เข้าไปในที่ประชุมของมหาชนเสร็จแล้วก็ไปยืนครวนแปลว่ายืนครวนก็คือยืนด้วยอำนาจโสกปริเทวะระหว่างถนนบ้างในตรอกทางสี่แพร่งเข้าไปในสภาก็ร้องเรียกความสนใจวคำนั้นร้องเรียกหาความสนใจร้องเรียกหาความนับถือ รองเรียกว่าดูก่อนผู้เจริญสมมะณโคโดมเท่านั้นหรือเป็นสมณะพวกเราไม่เป็นสมณะหรือเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเท่านั้นสาวกของพระสมมะณโคดมเท่านั้นเป็นสมณะแม้สาวกของพวกเราก็ไม่เป็นสมณะหรือทานที่ให้กับพระสมมะณโคดมและสาวกของสมมะณโคดมนั้นมีผลมากทานที่ให้แก่พวกเราไม่มีผลมากหรือ สมณะโคดมอันที่จริงอ่ะนะก็บอกว่าอันที่จริงสมณะโคดมก็เป็นสมณะพวกเราก็เป็นสมณะสาวกของพระสมณะโคดมก็เป็นสมณะสาวกของพวกเราก็เป็นสมณะมันนักบวชด้วยกันทั้งนั้นแหลยว่ากั้นทานที่ให้แก่สมณะโคดมและแก่สาวกของสมณะโคดมมีผลมากด้วยฉันใดทานที่ให้แก่พวกเราและสาวกของพวกเราก็มีผลมากด้วยไม่ใช่หรือ ฉะนั้นเหมือนกันนั่นแหละทำบุญเธอทำที่ไหนมันก็ได้บุญเหมือนกันนี่ยนะก็เหมือนกับแบบสมัยเนีย่ยแบบทำบุญกับพระดีพระชั่วเขาให้เป็นพระเธอหนุ่งเหลืองหอมเหลืองจะทำที่ไหนเมื่ อ, อไรอย่างไรมันก็ได้บุญเหมือนกันหมด น, นั่นแหละเนี่ยนะก็นะก็ก็เป็นคําโฆษณาสมัยใหม่เขาก็โฆษณาตรงนี้ก็พระทั้งนั้นแหละอันะจะดีจะชั่วก็พระทั้งนั้นแหละท่านจะเรียนไม่เรียนจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติทำบุญไปเธอได้บุญเหมือนเหมือกันไปหมดนั่นแหละก็พยายามจะสรรหาโฆษณาเข้ามาเนี่ยนะ นั่นก็เลยบอกว่าท่านทั้งหลายจงทําแก่สมณะโคดมแก่สาวกของสมณะโคดมด้วยจงทําแก่พวกเราและแก่สาวกของพวกเราด้วยที่สมณะโคดมเนี่ยอุบัติแล้วตลอดวันก่อนๆไม่ใช่หรือคือพระพุทธศาสนาเพิ่งมีไม่ใช่หรือแต่ศาสนาของพวกเราเนี่ยนะเกิดขึ้นมานานแล้วเกิดขึ้นในโลกนะนะเหมือนกับว่าอยู่ดํารงอยู่คู่โลก ันสมัยนั้นก็เรียกว่าร้องเรียกความเห็นใจร้องเรียกความนับถือร้องเรียกความศรัทธาเนี่ยนะครั้งนั้นอพอมีเหตุการณ์โพลธนากล่าวขานโจ์ขานกันในยุคนั้นว่าผู้ที่เป็นสมณะไม่ใช่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น การให้ทานที่มีผลมากไม่ใช่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นทาที่ศาสนาไหนที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็เหมือนๆกันไปหมดนั่นแหละก็มีนะคนที่บอกอ้างว่าตัวเองเป็นชาวพุทธแต่ถ้อยคำประเภทนี้จะมีถ้อยคาแบบเดียรถีเนี่ยค่อนข้างกระจายออกมาเยอะแล้วในหมู่ของคนที่เรียกตัวเองว่า ชาวพุทธบอกที่ไหนก็เหมือนกันาศาสนาไหนก็เหมือนกันสอนให้ละชั่วสอนให้ทําดีเหมือนกันไปหมดเนี่ยนะก็จะคําพูดประเภทนี้ออกมามากเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆ ก, กับที่เขาเรียกว่าชายสามโบสถ์ะนะคล้ายๆแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวพุทธหรือชาวอะไรกันแน่ก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นช้อนสรรเสริญทุกทุกทัศน์ที่ไปหมดเลยเนี่ยนะ ก็กลายเป็นว่ารัที่บางรัที่นี่เป็นชมได้ทุกเรื่องวังงั้นอ่ะชมได้ทุกอย่างแยกแคะเออตาบอดก็ดีตาไม่บอดก็ดีอย่างเงี้ยเดินขาเป๊ก็ดีขาดีก็ดีมิจฉาทิฐิก็ดีสัมมาทิฐิก็ดีก็ชมไปหมดละคราวนี้อ่าววุนมิจฉาทิฐิก็ดีสัมมาทิฐิก็ดีอู้ดีไปหมดยอมรับได้ทุกทุกอย่างไปหมดเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่าไม่เข้าใจว่าเป็นชาวพุทธหรือว่าชาวอื่นๆกันแน่ มีพระรัตนตรัยเป็นสารณะหรือว่านับถืออะไรเป็นสารณะกันแน่เนี่ยนะพันก็ต้องพยายามจับประเด็นสำคัญให้ได้ว่าเออเมื่อคนอื่นเขาบอกว่าเขาก็เป็นสมณะพระพุทธเจ้าก็เป็นสมณะรัตที่อื่นก็เป็นนักบวชพระพุทธเจ้าก็เป็นนักบวชเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันตรงไหนมีอะไรบ้างเป็นความต่างคําสอนของใครก็สอนให้ทำดีละชั่วกันทั้งนั้นหละมันต่างกันตรงไหนเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ที่ในอัตถกถากล่าวเป็นสรุปว่าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าสำคัญว่าสมณะมีในที่อื่นตามคําของพวกเดรธีเพราะฉะนั้นในสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่ปฏิเสธความเป็นสมณะของนอกพระพุทธศาสนาของพวกอัญญะเดรธีจะอนุญาตความเป็นสมณะในศาสนานี้เท่านั้นพระองค์ก็เลยตรัส พระสูตรนี้อันนี้เรื่องราวที่ทำให้เกิดพระสูตรที่ชื่อว่าจูลสสีหนาะสูตรก็เนื่องจากความเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนากับศาสนาอื่นไม่มีความต่างกันพระพุทธเจ้าบอกว่ามันต่างมันเทียบกันไม่ได้หรอกอันะมันเปรียบกันไม่ได้เนี่ยนะนะมันพูดได้เลยพูดให้เต็มปากเต็มคำไปเลยว่าว่าอะไรในหน้าแรกที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า ในข้อนหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เนี่ยนะดูก่อนที่สู่ทั้งหลายสมณ ะ, ะมีในพระศาสนานี้เท่านั้นอันนี้ในพูดให้เต็มปากเต็มคำเลยว่าสมณ ะ, ะมีในศาสนานี้เท่านั้นสมณ ะ, ะที่สองมีในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณ ะ, ะที่สามมีในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สี่มีในพระศาสะนานี้เท่นานั้นสมณ ะ, ะคือพระโสดาบันสมณ ะ, ะที่สองคือพระสกะทาคามีสมณ ะ, ะที่สามคือ พระอนาคามีสมณะที่สี่คือพระอาหารหันต์มีอยู่ในพระศาสนานี้เท่านั้นส่วนลทัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงศาสนาอื่นไม่มีสมณะอย่างที่กล่าวกันหรอกข้อความในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาจูลสิีหนสูตรเนี่ยนะในข้อหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสมณะคือพระโสดาบันนีมีในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองคือพระสกทาคามีมีในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สามคือพระอนาคามีมีเฉพาะในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สี่คือพระอรหันมีเฉพาะในพระศาสนานี้เท่านั้น ลัทธิของศาสดาอื่นที่สอนทิฐิหกสิบสองว่างเปล่าจากสมณนะคือพระอริยะผู้รู้ทั่วถึงดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายพวกเธอจงบรรลือสีหนาถโดยชอบอย่างนี้ด้วยประการชนิดทีเดียวนีนะท่านก็บรรลือสีหนาถเปล่งวาจาได้เลยว่าสมณะมีอยู่เฉพาะในพระศาสนานี้เท่านั้น คือผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีมีอยู่เฉพาะในพระศาสนาของเราอธิบายคำว่าสมณะเนี่ยนะอิเทวะคือในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นคำว่าสมณะเนี่ยนะสมณะที่บอกว่ามีในพระศาสนานี้เท่านั้นหมายถึงพระโสดาบันพระโสดาบันนี่คือผู้ที่เข้าถึงกระแสะแห่งอริยมรรคน้มเอียงเพื่อตรัสรู้ อริยมรรคชั้นสูงบรรลุเป็นพระบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อไปในภายภาคหน้าแน่นอนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็สมณะเป็นไฉนะดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้เพราะสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่าเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงคือประชมอริยมรรคได้แล้ว มีการตรัสรู้มักเบื้องสูงเป็นเบื้องหน้าดูก่อนพิสูนทั้งหลายนี้เรียกว่าสมณะนั้นความเป็นสมณะนั้นหมายถึงพระโสดาบันขึ้นไปความเป็นสมณะไม่ได้อยู่ที่ปลงผมความเป็นสมณะไม่ได้อยู่ที่เครื่องนุ่งหม่มแต่ความเป็นสมณะอยู่ที่ธรรมะอยู่ที่คุณธรรมดับปราคะดับโทสะและดับโมหะ น, นะเพราะว่าผู้ที่ไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ย เป็นสมณะไม่ได้เพราะคําว่าสมณะเนี่ยนะสมณะนั้นหมายถึงอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาผัสสมณะเนี่ยนะคือผู้ที่อย่างอธิศีลบริบูรณ์ก็คือพระโสดาบันดงั้นความเป็นสมณะก็คือผู้ที่บรรลุโสดาปฏิมัติแทงตลอดโสดาปฏิมัติทําให้แจ้งโสดาปฏิผลอันนะั้เป็นผู้มีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์และปัญญาบริบูรณ์ผู้ที่เป็นสมณะ บรรโลกเป็นพระโสดาบันนั้นสิ้นสั ก, กายทิฏฐิสังโยชนิจิกิจชาสังโยชนและศีลพัตะปรามาสังโยชนสิ้นริศยาสังโยชนและอิจฉาสังโยชนเนี่ยนะริศยามัชยริยาสังโยชนนั้นพระโสดาบันกาจัดได้แล้วอันสังโยชนเหล่านี้พระโสดาบันทาให้สิ้นสูญไม่มีอยู่พร้อมกับการเห็นอริยสัจพันธ์นพระโสดาบันเนี่ยนะผู้ที่เป็นสมณะ ในพระศาสนานี้เมื่อเห็นทุกขสัจเห็นสมุทัยสัจจะและส ก, กายทิฐิแทงตลอดนิโรธตรัสรู้อริยมรรตตรัสรู้นิโรธและวิจิกิจชาและละสีพรพตปรามาศหรือว่าเห็นทุกขสัจจะและส ก, กายติฐิเห็นสมุทัยสัจจะละวิจิกิจชาเห็นนิโรธคือเห็นพระนิพพานละ ศีลพัตตปรามาตเห็นอริยมรรคละสีลพัตตปรามาตเพราะการเห็นอริยสัจนั่นแหละจึงจะเป็นการละบาปละอกุศลได้อย่างแท้จริงถ้ายังไม่เห็นอริยสัจการละกิเลสทั้งหลายก็เพียงแต่ตะทางฆะปะหารยังไม่ใช่ละเด็ดขาดเพราะการละเด็ดขาดนั้นต้องพร้อมกับการเห็นพระนิพพานเพราะผู้ที่เป็นสมณะที่พระพุเทธเจ้ายืนยันว่า สมณะมีเฉพาะในพระศาสนานี้คือผู้ที่เห็นอริยสัจมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นก็คือมีในธรรมวินัยของพระองค์เท่านั้นที่จะบอกวิธีเพื่อให้แทงตลอดอริยสัจเพราะเมื่อแทงตลอดอริยสัจนะสังโยษ์สามเป็นอันสิ้นไปเป็นโสดาบันแปลว่าเข้าถึงกระแสเข้าถึงกระแสอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเข้าถึงกระแส สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิและไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่ตกต่ำทั้งโดยการปฏิบัติและไม่ตกต่ำทั้งสู่พบใหม่เพราะท่านเหล่านั้นไม่ทำบาปกรรมที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกขณะเดียวกันท่านเหล่านั้นก็ไม่ต้องไปรับเสวยผลบาปอยู่ในอบายทุคติวินิบาตนรก มันไม่ตกต่ำกว่าความเป็นพระโสดาบันอีกแล้วเนี่ยนะไม่ตกไปเป็นปุตุชนไม่ตกเป็นคนที่มากไปด้วยกิเลสจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วจะไม่ตกไปสู่ที่ชั่วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่แน่นอนนิยโตเพราะประชุมอริยมรักษอันประกอบไปด้วยองแปดการประชุมอารยมรักอันประกอบไปด้วยองแปดยิ่งใหญ่ถึงผู้ใดมาเปลี่ยนเปลี่ยนใจท่านไม่ได้แล้ว ผู้ที่ประชุมอริยมรรคอันประกอบไ ป, บปด้วยองค์แปดเห็นอริยศาสตร์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีใครเปลี่ยนใจได้พระโสดาบันนั้น่ะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในเพราะลมปากของมิจฉาทิฐิเมื่ออริยมรรคประชุมพร้อมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านเนี่ยแน่นอนละไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของท่านได้อะ น, นะหมายความว่ามีไม่มีใครหลอกท่านเป็นอย่างอื่นไปได้ หลอกให้เชื่อศาสดาอื่นท่านก็ไม่เชื่อหลอกให้เชื่อธรรมวินัยอื่นลัทธิอื่นท่านก็ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อว่าลัทธิอื่นจะนําออกจากทุกได้จริงแล้วก็ท่านเองก็เป็นผู้ที่มั่นคงในอริยกันตศีนปัณสมณะคือผู้ที่บรรลุพระโสดาบันนั้นมีเฉพาะในพระศาสนานี้เท่านั้นพระสกทาคามีเนี่ยชื่อว่าเป็นสมณะที่สองเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพิ่สูทั้งหลาย ก็สมณะที่สองเป็นฉไนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายภิสูจนในศาสนานี้เป็นสกะทาคามีที่เรียกว่ากลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะเพราะสังโยชน์ทั้งสามสิ้นไปขณะเดียวกันราคะโทสะโมหะท่านก็ละให้เบาบางกลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกแค่ครั้งเดียวก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้สมมติว่าถ้าท่านเป็นพระสกทาคามีในชีวิตในชาตินี้ ท่านไปสู่เทวโลกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นพระสกทาอมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นผ้ารหารันหรือตายจากชาตินี้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นผ้ารหารันเลยเรียกว่าสกทาคามีผู้กลับมาเกิดอีกแค่ครั้งเดียวเพราะอะไรเพราะราคะโทสะโมหะของท่านเบาบางไม่หนาะถ้าเปรียบเหมือนเมฆหมอกก็คือเป็นหมอกบางๆนะไม่หนาะแต่ถ้าปุถุชนทั้งหลายโดยปกติเหมือนอะไร เหมือนกลางคืนเดือนมืดที่เมฆหมอก เ, นะ เ, มเนี่ยนะเมฆเนี่ยหนาเป็นสิบกิโลว่างั้นน่ยหนาขนาดนั้นนั่นลักษณะวิสัยของปุตุชนแต่ท่าของพระโสดาบันทั้งหลายก็บางมากพระสะกาทาคามีทั้งหลายก็บอกว่าเหมือนกลางวันแล้วก็เมฆบางไม่มากเนี่ยนะถ้าท่านนาคามีก็กแม้ฟ้าเนี่ยโลง่งถ้าพระนทหัา์นี่ก็เรียกว่าโปร่งหมดเลยโปร่งใสใ ห, หมดไม่มีอะไรเพราะนนั้ พระอริยเจ้าทั้งหลายคือผู้ที่เบาบางบาปอากุศลที่อยู่ในใจเนี่ยเบาบางมีความเศร้าหมองเบาบางถ้าเป็นเปรียบเหมือนโรคโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะท่านเป็นไม่สบายแต่เล็กน้อยอ น, นะอาจจะมึนศีรษะนิดหน่อยแต่ละลักษณะประเภทล้มหมอนนอนเสื่อไม่มีอีกต่อไปแล้วอ น, นะเพราะอะไรเพราะสมุทฐานที่เป็นเหตุให้มีโรคเหล่านั้นท่านกําจัดได้แล้วด้วยอนุภาพของสะกะทาคา ม, มีมัต อันนี้เป็นสมณะที่สองส่วนพระอนาคามีเนี่ยนะเรียกว่าสมณะที่สามเพราะเหตุนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็สมณะที่สามเป็นไนะดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิสูจในศาสนานี้เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำห้านะละสกายะทิฐิวิจิกิจชาสีรพตะปรามาตการมราคะและปฏิฆะได้อย่าง เด็ดขาดท่านเป็นโอปปาติกะแปลว่าท่านจะไม่เกิดในคันจะไม่เกิดในไข่จะไม่เกิดเป็นเท่าใครจะเป็ น, นโน่นปฏิสงที่ในสุทธาวาสปรินิพานในสุทธาวาสนั้นไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นอีกจะไม่มาเกิดในกามมพบจะไม่มาเกิดพบระดับล่างมีแต่ถ้าจะเกิดก็อวิหาอตตปาสุทสาสุทศีอคนิ t ฐ า, า, า, าแต่อย่างไรก็ปรินิพานที่ อคณิฐาพบอย่างแน่นอนกปว่าไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดานี้เรียกว่าสมณะที่สามเพราะโอรัมพาคยะสังโยชน์สังโยชน์ที่ผูกมัดเอาไว้ให้อยู่ในการมมาพบพระนาคามีตัดได้แล้วด้วยสมุิเฉทประหารเพราะอนุภาพของอริยมรรคท่านประชุม อ, อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดจนประสบความสำเร็จ ส่วนสมณะที่สี่หมายถึงพระอาหารหันต์ชื่อว่าสมณะที่สี่เพราะเหตุนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็สมณะที่สี่เป็นฉไหนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายภิสูุในศาสนานี้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้คืออรหัตผลเนี่ยนะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยอภิญญาของตน หรือด้วยความรู้ยิ่งของตนเข้าถึงอยู่ในทิธธรรมคือในปัจจุบันนี่แหละดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี่แหละชื่อว่าสมณะที่สี่มันสมณะที่สี่คือผู้ที่ทําอรหัตตผลให้แจ้งเจริญอรหัตตผลอรหัตตผลนั้นเกิดขึ้น น, นะสัมมาสมาธิในอรหัตตผลชื่อว่าเจโตวิมุตติสัมมาทิฐิในอรหัตตผลชื่อว่าปัญญาวิมุตติ หรือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะในอรหัตผลชื่อว่าปัญญาวิมุตต์องค์มรที่เหลือเป็นเจโตวิมุตต์วิมุตต์คืออรหัตตผลอันนี้นี่แหละหากา ม, มาสวะภวาสวะพิถาสวะอวิชชาสวะไม่ได้เพราะด้วยอนุภาพของปัญญาคืออรหัตตมรขปัญญาเนี่ยนะรู้แจ้งแทงตลอดอาสวะทั้งหลายสิ้นไปและก็เสวยผลคืออรหัตผลในปัจจุบัน ทิ่ถราทก็คือในปัจจุบันชาตินี้แหละดูก่อนพิสูุทั้งหลายนี้เรียกว่าสมณะที่สี่เพราะฉะนั้นท่านประสงค์เอาสมณะที่ตั้งอยู่ในผลสีนั่นเทียวด้วยประการชนี้ที่ยืนยันว่าที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายสมณะมีในพระาศาสนานี้เท่านั้นคือพระโสราบันมีในาศาสนานี้เท่านั้น พระสกทาคามีคือสมณะที่สองมีอยู่ในศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สามคือพระอนาคามีมีอยู่ในศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สี่คือพาหันมีในศาสนานี้เท่านั้นลัทธิของศาสดาอื่นลัทธิทิฏฐิหกสิบสองว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงอริยสัจอย่างใครที่เดินเป็นนักท่องเที่ยวมาทั่วโลกเนี่ยเคยได้ยินลัทธิใดทิฏฐิใด ข้อปฏิบัติใดคำสอนใดที่สอนให้เห็นอริยสัจบ้างไหมบอกไม่มีเนี่ยนะจะไม่มีเพราะข้อปฏิบัติเพื่อให้เห็นอริยสัจนั้นมีอยู่เฉพาะในาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนรัดที่อื่นว่างแปลว่าไม่มีไม่มีเลยว่างเปล่าเหมือนหม้อว่างก็แปลว่าหม้อที่ไม่มีอะไรอยู่ในหม้อนะเหมือนที่นั่งเปล่าก็คือไม่มีใครนั่งเรียกว่าที่นั่งเปล่า ฉั้นใดลัทธิอื่นก็ว่างเปล่าจากผู้ที่เห็นอริยสัจบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ทีนี้คําว่าลัทธิอื่นเนี่ยนะปรัปปาวาทาลัทธิอื่นทิฏฐิอื่นศาสนาอื่นก็คือศาสนาที่ว่าสัตตทิฏฐิสี่ประเภทเป็นเอกจสัตถทิฏฐิสี่ประเภทอันตานันติกทิฏฐิอีกสี่ประเภทนะ อมราวิเคปะอีกสี่ประเภทอธิจะสมุปปนะอีกสี่ประเภทัทิฏฐิที่เป็นปุพานตะทิฏฐิทิฏฐิที่ปรารบถึงอดีตสิบแปดทิฏฐิว่างเปล่าจากพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์หรือลัทธิที่ปรารบอนาคตอปรันตะทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐิที่เป็นสัญญีวาทัศิบกสัญญีวาทัศิแปดเนวสัญญีนาสัญญียะวาทะอีกแปดอุเฉทวาทัอีก เจ็ดทิธรรมะนิพานวาทะอีกห้าทั้งหมดเหล่านี้นะเรียกว่ารวมเป็นสี่สิบสี่ทิธิที่ปรารบอนาคตสี่ิบสี่รวมกันเป็นนะทิธิปรารบอดีสิบแปดปรารบอนาคตสี่บสี่รวมเป็นหกสิบสองพระสูตรที่ทิฐิเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพรหมชาลสูตรลัทธิวาทะทิฐิของนอกศาสนาทั้ง62ลัทธินี้ชื่อว่า ปรบประวาทะวาฒะอื่นลทัทธิอื่นศาสนาอื่นที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นน่ะไม่มีผู้ใดบรรลุโสดาปติผลเลยไม่มีผู้ใดบรรลุเป็นพระสกท า, าคามีพระนาคามีและพระอาหารหันต์เลยที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่ข้อปฏิวัติเพื่อบรรลุมรรผลนั้นทิฏฐิ62เหล่านั้นจึงไม่มีสมณะคือไม่มีพระอริยะทิฏฐิทั้ง62เหล่านั้นเนี่ยนะ ไม่มีอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกับว่าสะบัวที่ยังไม่มีดอกถึงขณะนั้นจะเรียกว่ายังไม่มีดอกแต่ก็เปอร์เซนตต่อไปก็จะมีดอกใช่ไหมถามว่าสะบัวที่มีกอบัวมีใบบัวน้ำอุดมสมบูรณ์เป็นต้นเนี่ยพื้นข้างล่างเนี่ยปุ๋ยดีถึงขณะนั้นไม่มีดอกแต่อนาคตจะมีดอกบัวใช่ไหมบอกใช่ลทัทธิเดรธีหาเป็นเช่นนั้นไหม อย่าว่าแต่ผู้ที่บรรลุเลยแม้แต่ข้อปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยนะก็ทําให้บรรลุโสดาปติผลไม่ได้ถ้าปฏิบัติตามลัฐที่ทิฏฐิหกสิบสองถึงอย่างไรก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลแน่นอนลัที่อื่นเนี่ยนะรัฐที่ของพระพุทธศาสนานอกจากลัฐที่ทิฏฐิหกสิบสองพันทิฏฐิหกสิบสองนั้นนะ่ะนะ ไม่มีผ้าอาริยะอยู่เลยและไม่ใช่ผู้ใดประพฤติตามลัทธิทิฏฐิห2สิบสองแล้วจะบรรลุเป็นภ้าอาริยะอันนี้ก็ไม่ใช่ก็เท่ากับยืนยันว่าผู้ที่ปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐิเท่านั้นจึงจะบรรลุมรรคผลมิชาทิฏฐิบรรลุไม่ได้ มิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉามัตทั้งแปดก็บรรลุไม่ได้แต่ที่บรรลุได้คือสัมมามัตสสัมมาทิฏฐิรวตอริยสัตสีสัมมาสังกัปปะกุศลสังกัปปะ 3, สามสัมมาวาจาเวน้นจากวาจีทุจริตเป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้เท่านั้นแหละที่จะทําให้บรรลุมัตผล เพราะฉะนั้นลัทธิอื่นเนี่ยศูนย์จากสมณะสิบสองประเภทจริงๆแล้วสมณะเนี่ยนะถ้ากล่าวตามนี้ทั้งหมดมีอยู่สิบสองประเภทคือสมณะผู้ตั้งอยู่ในมรรคสี่อันนี้นับง่ายๆโสดาปฏิมรรคสกธ า, าคามีมรรคอานาคามีมรรคอรหัตตมรรคสี่มรรคเลยใช่มอันนะัแล้วก็สมณะอีกสี่ก็คือโสดาปฏิผลสกธ า, าคามีผลอานาคามีผลอรหัตตผลอีกสี่เรียกว่าผู้ที่ได้มรรคสี่ได้ผลสี่รวมเป็นแปด ผู้เจริญวิปัสนาเพื่อโสดาปติมัคเนี่ยหนึ่งเจริญวิปัสนาเพื่อสกทาคามีมัคอีกหนึ่งเจริญวิปัสนาเพื่ออนาคามีมัคอีกหนึ่งเจริญวิปัสนาเพื่ออรหัตมัคอีกหนึ่งะสามสี่เท่ากับสิบสองสมณะทั้งสิบสองที่กล่าวมาแล้วเนี่ยไม่มีอยู่ในลัตทิทิหกสิบสองเลยก็แปลว่าทิทิหกสิบสองนั้นเนี่ยนะ ไม่มีแม้แต่การเจริญวิปัสนาเพื่อโซดาปฏิมัติไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสข้อความอันนี้ไว้ยืนยันตอนก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพานในมหาปรินิพานสูตรที่สุพัทปริภพาชกไปถามพระพุทธเจ้าว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นเนี่ยมีผู้บรรลุบ้างไหม บรรลุทั้งหมดใช่ไหมนี่คำถามที่หนึ่งนะลัทธิอื่นาศาสนาอื่นบรรลุทั้งหมดใช่ไหมสองหรือไม่มีใครบรรลุเลยสามบรรลุบ้างไม่บรรลุบ้างคือบางพวกบรรลุบางพวกไม่บรรลุพระพุทธเจ้าบอกว่าเออเรื่องนั้นจงยกไว้ก่อนแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนสุภัฏะเรานี้มีไวัยได้ยี่สิบเก้าปีตอนที่เป็นอะไรเป็นพระโพธิสัตว์ออกจากเรือนบวชเนี่ยนะ บวชแล้วก็สแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลบวชแล้วก็สแสวงหาอริยมรรคบวชแล้วสแสวงหาสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิแสวงห า, มม า, มมาข้อปฏิบัติเพื่อโสดาปติมัคสกธาคามิมัคอานาคามิมัคและอรหัตตมัคออกบวชตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าปีดูก่อนสุพัทธะตั้งแต่เราบวชเมื่ออายุยี่สิบเก้าปีเนี่ยนะจนบัดนี้ได้ห้าสิบปีเศษก็แปลว่าบวชห้สิบเอ็ดปี สมณะผู้เป็นไปในประเทศแห่งธรรมเครื่องนำออกไม่มีแต่ภายนอกจากนอกจากธรรมวินัยนี้เท่านั้นแปลว่าพราะองคนะ์เที่ยวสแสวงหาเนี่ยนะเที่ยวแสวงหาใช้เวลามาชั่วชีวิตเผยแผ่ทั่วทั้งประเทศเพระองค์ไม่เคยเห็นเลยแม้แต่รัที่เดียวที่จะสอนสอนข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลไม่เคยพบเคยเห็น นอกจากธรรมวินัยของพระองค์เท่านั้นแม้แต่พระสารีบุตรท่านก็กล่าวใช่ไหมพระสารีบุตรเนี่ยออกบวชได้อาจารย์อยู่90กว่าอาจารย์ยนะนะมาฟังพระอัสสชิแล้วจึงบรรลุมรรคผลท่านไปมาทั่วอินเดียแล้วก็ไม่พบผู้ที่แนะนําให้ท่านบรรลุมรรคผลได้เพราะฉะนั้นอัมณะคือผู้บรรลุมรรคผลนิพพานมีอยู่ในาศาสนานี้เท่านั้นมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นเราเคยได้ยินบ้างไหยว่าที่ไหนสอนเพื่อให้ทําให้ เพื่อให้เจริญเพื่อให้บรรลุโสดาปติมาร์นอกจากธรรมวิไ น, นั์นี้แต่ที่สำคัญเนี่ยนะบอกหลายแห่งก็บอกว่าเขาก็สอนเพื่อให้บรรลุนะเทา้าสกะบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานต้องกลมกลืนกันเข้ากันได้จะต้องเข้ากันได้โดยเหตุและผลพันการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติต้องสมเหตุสมผลมิฉงนั้นเถอต้องเข้ากันได้ เพราะฉะนั้นสมณะที่หนึ่งก็ไม่มีสมณะที่สองก็ไม่มีสมณะที่สามที่สี่ก็ไม่มีมันสมณะคือพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันเป็นต้นไม่มีในลทัทธิอื่นาศาสนาอื่นเลยเพราะฉะนั้นสมณะที่หนึ่งคือพระโสดาบันไม่มีในาศาสนาอื่นนอกจากคาสอนของพระพุทธเจ้ า, าสมณะที่สองคือพระสกทาคามีสมณะที่าาสามคือพระอนาคามีสมณะที่สี่คือพระอรหันต ไม่มีอยู่ในศาสนาอื่นเลยเพราะฉะนั้นลททัทธิทิฏฐิ62ของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงในอริยสัจว่างเปล่าจากผู้กำหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ะฉะนันคำว่าผู้ปรารกวิวปัสสนาชื่อว่าปเทสวัตติในมหาปรินิพานสูตรเพราะฉะนั้นในอัตะของอริยสัจสเนี่ยนะ อัตแห่งทุกปีระณะสันตาปะวิปริณามะสังคตะอันนอัแห่งสมุทัยก็คืออายุหะนิธานะปริโพธะสังโยคะอัตแห่งนิโรธคือนิสระณะอมตะอสังคตะส่วนอัตของอริยมรรคคือนิยานิกะเนี่ยนะอัตที่นำออกจากทุกอัตของอริยมรรคคือเหตุอัตของอริยมรรคคือ ทัศนะอัถะของอริยมรรคคืออธิปไตยะพณิยานิกะคือเครื่องนําออกไม่มีคําสอนอื่นใดนอกจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะสอนนําออกจากทุกคืออริยมรรคเนี่ยนะก็แม้กระทั่งว่าอย่างวิชาในโลกเนี่ยนะตำรับตําราในยุคนี้เนี่ยเป็นตําราที่กองท่วมมหาศารตามฮอสมุดต่างๆเนี่ยนะตำราเนี่ยนะกองท่วมผนินเทินทึกมีไหมที่สอนให้เห็นอริยสัจ สอนให้กำหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดจนเพียบพร้อมบริบูรณ์พันลัทธิอื่นจึงไม่มีผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโซดาปฏิผลสกท า, าคามีผลอนาคามีผลและอรหั ต, ตผลมันลัทธิอื่นจึงไม่มีไม่มีสมณะผู้รู้ทั่วถึงไม่มีผู้ปฏิบัติเพื่อไม่มีผู้ปรารภวิปัสนาเพื่อโสดาปฏิมรรค ไม่มีพระโสดาไม่มีผู้บรรลุโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลไม่มีผู้ปฏิบัติเพื่อสกทาคามีมัตไม่มีใครเจริญวิปัสนาเพื่อพระสกทาคามีมัตและสกทาคามีผลมันผู้เจริญวิปัสนาเพื่อบรรุโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเจริญวิปัสนาเพื่อบรุโอรหัตตมัตก็ยังไม่มีจะกล่าวไปใหญ่ถึงผู้ที่บรรลุจริงแม้แต่ผู้ที่เจริญเพื่อบรรุยังไม่มีเลย นอกจากอะไรพระองค์บอกว่านอกจากในธรรมวิไนนี้เท่านั้นนอกจากปฏิบัติเป็นไปตามคําสอนของพระองค์เท่านั้นถ้าไม่เป็นไปตามคําสอนของพระองค์ก็ปฏิเสธนะนะเพราะฉะนั้นปฏิเสธสมัยพุทธกาลแล้วคนสมัยนี้จะเก่งกว่าคนสมัยนั้นสักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัตินอกคําสอนก็คือเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการใส่ใจคําสอนการเรียนรู้คําสอน พยายามเอาใจใส่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้บรรลุอะไรสอนให้ตรัสรู้อะไรแล้วเราจะปฏิบัติตามได้อย่างไรใส่ใจไว้ตรงนี้เถอะถ้าไม่เป็นไปตามนี้พระองค์ก็ปฏิเสธแล้วว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแม้กระทั่งว่าสมัยนี้ก็เหมือนกันอ น, นะลัดที่สายทิฏฐิสายอาจารย์ใดก็ช่างเถอะถ้าไม่เป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าบรรลุไม่ได้ถามว่าทําไมจึงบรรลุไม่ได้ ก็เพราะว่าลัทธิเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดเมื่อไม่เป็นไปตามมรรคมีองแปดมันก็บรรลุไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปนับถือาศาสดาที่ไม่ใช่สัพพันญูไปนับถือคําสอนที่เป็นคําสอนไม่ได้ประเจริญเพื่ออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดไปนับถือบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลที่จเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดถือว่าอันตราย เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่าอันตรายแค่ไหนเนี่ยนะสรุปว่าเพราะฉะนั้นพระองค์กระทําผู้ปรารบวิปัสนาเพื่อโสดาปฏิมักผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมักผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลเนี่ยนะพระองค์ก็เลยบอกเข้าด้วยกันว่าสมณะไม่มีคําเดียวนะคำว่าสมณะไม่มีเนี่ยหมายความว่าผู้ที่เจริญวิปัสนาเพื่อโสดาปฏิมักผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมักผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลไม่มี อธิบอกว่าสั ม, มณนไม่มีเนี่ยนะคําแรกพุทธพจน์ที่บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสมมนามีในาศาสนานี้เท่านั้นสั ม, มณะนอกาศาสนาไม่มีเนี่ยนะก็หมายถึงผู้เจริญวิปัสสนาเพื่อโสดาปติมัคผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติมัคและผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลอันนี้สามใช่ไหมต่อไปอีกผู้เจริญวิปัสสนาเพื่อสกทาคามีมัคผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามีมัคผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลก็ไม่มีนอกจาก ในศาสนาของพระองค์ผู้เจริญวิปัสนาปราบรวิปัสนาเพื่ออนาคามีมัชผู้ตั้งอยู่ในอนาคามีมัชผู้ตั้งอยู่ในอนาคามีผลก็ไม่มีนอกศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ผู้ที่เจริญวิปัสนาเพื่ออรหัตตมัชผู้ที่ตั้งอยู่ในอรหัตตมัชผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลก็ไม่มีนอกจากในธรรมวินัยนี้ เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าลทัทธิทิฏฐิอื่นนอกจากคำสอนพระพุทธเจ้าว่างจากสมณะนนสิบสองนะสมณะสิบสองทวนอีกครั้งหนึ่งนะพระโสดาบันมีสามใช่กลุ่มพระโสดาบันมีสามหนึ่งปฏิบัติวิปัสนาเพื่อโสดาปฏิมัติพระผูะ้ผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมัติผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลเป็นสามใช่พระสกะทาคามีอีกสามคือผู้เจริญวิปัสนาเพื่อสกทาคามีมัต ผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรักและผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลพผ้านาคามีและพ้าอรหันก็ในยะเดียวกันสรุปว่าสมณะสิบสองไม่มีในรัฐที่าศาสนาอื่นทิฏฐิหกสิบสองไม่ใช่ฐานะก็บอกว่าถ้าพูดตามนี้เนี่ยนะกล่าวตามนี้โดยโสดคล้องแห่งพระธรรมนั้นก็บอกว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโซดาปฏิมรักก็แปลว่าปิดอบายไม่ได้ แปลว่าลัทธิอื่นปิดอบายทุกขติวินิบาตเป็นต้นไม่ได้มันก็ถือว่าถ้าหากว่าเราไม่บรรลุมรรคผลนี้ก็ถือว่าเสี่ยงมากไนงะอันตรายมากทั้นถ้าหากว่าต่อต่อไปไม่มีการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไปศึกษาลัทธิของคนอื่นมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะพ้นจากอบายก็แปลว่าไปไหนก็ไปอบายเนี่ยนะถามว่าที่ไปอบายก็เพราะอะไร ก็เพราะว่าไม่ใช่เขตแดนที่จะทำให้พ้นจากทุกขนั่นเองเนี่ยนะตั้งคำถามว่าก็สมณะเหล่านั้นเนี่ยนะคือพระอริยบุคคลเนี่ยสมณะทั้งสิบสองประเภทเนี่ยที่ไม่มีในลัตที่อื่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะลัตที่อื่นไม่มีไม่มีเขตแปลว่ารัตที่อื่นไม่ใช่นาไม่ใช่เนื้อนาที่จะเพาะปลูกพระอริยบุคคล ไม่มีเขตแปลว่าไม่ใช่เขตไม่ใช่เนื้อนาที่จะเพาะสร้างพระอริยะขึ้นมาได้เปรียบเหมือนอุปมาที่หนึ่งมเมล็ดพันธุ์ผักกาดย่อมไม่ตั้งอยู่ในปลายเหล็กแหลมอันนี้เคยเห็นมเมล็ดพันธุ์ผักกาดตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมไหมแบบตั้งอยู่ไม่ได้ไฟไม่ลุกโผลงในหลังน้ําอันนี้ไฟฟืนธรรมดานะไม่ใช่ไฟราดน้ํามันเนี่ยนะไฟฟืนธรรมดาเนี่ยตั้งอยู่บนน้ำแล้วจุดไฟเผาไม่ติด พืชทั้งหลายไม่งอกในแผ่นหินแผ่นหินเป็นผลาญผลานหินร้อนระอุแดดจ้ า, มาเมล็ดพันธุ์ไหนเพาะขึ้นตรงนั้นบ้างไหมนี้มีแต่ทําลายมาเมล็ดเท่านั้นฉันใดสมณะสิบสองอย่างเหล่านี้ไม่เกิดในรัฐที่เดียรถีลัฐทธิทิฏฐิหกสิบสองฉันนั้นเหมือนกันเนยนะเพราะฉะนัพยายามศึกษาไ อ, ไอท้ทิฏฐิหกสิบสองให้ดีว่าของเราเนี่ยนะถ้ายัง อิงทิทธีหกสิบสอยู่ทิทธีหกิบสทิทธีใดทิฐิหนึ่งบรรลุมักผลไม่ได้เพราะนั่นแต่ที่สําคัญเราต้องรู้ว่าทิทธีหกสิ62มันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าทิทธีหกสิบสคืออะไรแล้วเราเอาอะไรมายืนยันว่าเราปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลเอาอะไรเป็นตัวยืนยันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามศึกษาไอ้ทิธีหกสิบสให้เข้าใจอันนี้ไหนที่หนึ่งอย่างที่สอง พระพุทธเจ้าสอนต่างจากลัทธิทิศทหกสิบสองอย่างไรถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจของพระพุทธเจ้าเราไม่รู้หรอกว่าของคนอื่นเขาสอนว่าผิดถูกแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้เนี่ยก็สุดแท้แต่อะไรเอ่ยสุดแท้แต่มงคลถ้าเจริญไปตามมงคลก็บรรลุถ้าไม่เป็นไปตามมงคลก็ไม่บรรลุพันั้พฤติกรรมของเรา เออเป็นไปเพื่อบรรลุมรคผลแทงตลอดอริยสัตว์ในตอนท้ายหรือไม่ก็ดูจากมงคลข้อต้นๆถ้าเป็นไปตามมงคลทำที่สุดแห่งทุกได้ถ้าไม่เป็นไปตามมงคลพ้นจับพ้นจับทุก์ไม่ได้เพราะว่าการครบคนพานเนี่ยก็คือคบแล้วได้ทิฏฐิหกสิอกลับมาเนี่ยนะถ้าคบบัณฑิตก็ได้กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิตามคําสอนเพราะว่ากรรมมกรรมสักสการตมมาทิฏฐิต้องเป็นไปตามคําสอนนะ อกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิกับพวกลัทธิกรรมเก่าแตกต่างกันอ่าลัทธิกรรมเก่าก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งนะศาสนาที่โยนสุดแท้แต่กรรมเก่าเรียกว่าคนจะดีจะช่วยจะสุขจะทุกข์จะเจริญจะเสื่อมแล้วแต่กรรมเก่าปบผ้าเหตุกะทิฏฐิเนี่ยนะแล้วแต่เหตุเก่าแล้วแต่ทําอะไรมาเก่าอันนี้ไม่ใช่คําสอนนะถ้าคําสอนศาสว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็น pastor, ที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทพระพุทธศาสนา จ, จึงสอนอดีตเหตุปัจจุบนันผลปัจจุบันเหตุอานาคตผลอย่างตาที่มองเห็นอดีตเหตุปัจจุบนันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผล blush. หูที่ได้ยินก็ยังแบ่งอีกอดีตเหตุปัจจุบนันผลปัจจุบันเหตุและ อนาคตผลต่อไปเชื่อมโยงกันโดยลําดับเนี่ยนะสายความสัมพันธ์แห่งกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏแต่ละที่อื่นอ่านะละที่อื่นไม่เป็นไปตามนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นจึงไม่ใช่เนื้อนาที่จะเพาะปลูกพระอริยะบุคคลอ่านะเหมือนอะไรเหมือนมเมล็ดพันธุ์พักาดไม่ตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมเนี่ยนะขนาดตั้งอยู่ไม่ตั้งอยู่เลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงมันเพาะปลูกบนปลายเหล็กแหลมได้ยังไง เพราะฉะนั้นชั้นใดสมณะคือพระโสดาบันเป็นต้นไม่มีไม่เกิดในลัฐที่เดียรถีภายนอกชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนที่ประกอบไปด้วยสิกขาสามของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นจึงจะเป็นเนื้อนาให้บรรลุมรรคผลถามว่าเพราะอะไรเพราะพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาที่เพาะปลูกสามารถที่จะสร้างพระโสดาบันขึ้นมาได้ อ่นแค่เรว่าเป็นโรงงานผลิตได้ว่างอนนเถอะเป็นเนื้อนาชั้นดีที่จะเพาะปลูกพระโสดาบันถามว่าทำไมเพราะมีข้อปฏิบัติบอกกล่าวแนะนําคําสอนข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันลทัทธิในาศาสนาอื่นไม่เป็นเนื้อนาเพื่อเพาะสร้างพระโสดาบัน พระพุทธศาสนานี้เท่านั้นเป็นเนื้อนาเพาะปลูกพระโสดาบันลัตที่อื่นไม่มีพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลมีอยู่เฉพาะในพระศาสนานี้เท่านั้นถามว่าเพราะเหตุใดเพราะว่าศาสนาอื่นไม่มีศีลวิสุทธิเพื่อเป็นบาตรองรับจิตตาวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นต้นเพราะเนื่องจากศาสนาอื่นลัที่อื่นคําสอนอื่น ไม่มีอธิศีลสิกขาอาธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาศิกขาและที่อื่นไม่มีอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8เมื่อไม่มีอารยมรักษอันประกอบไปด้วยองค์8การบรรลุการตรัสรู้มรรคผลจึงมีไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปฏิเสธว่าดูก่อนสุพัทธ์อริยมรักมีองแปดอันประเสริฐเนี่ยนะหรือมรรคมีองค์8อันประเสนะริฐ บุคคลไม่ได้ในธรรมวินัยใดแม้สมณะคือพระโสดาบันเป็นต้นก็ไม่ก็มีไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นก็ถ้าหาว่าไม่มีมรรคแปดเนี่ยนะก็มีพระโสดาบันไม่ได้ถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเห็นอริยสัจไม่ได้เพราะการเห็นอริยสัจนั้นต้องเห็นด้วยอะไรด้วยอริยมรรคอริยมรรคมีอัตถวถัฒนโถทัศนะเนี่ยนะเห็นอริยสัจ เห็นทุกข์ด้วยปริญญาเห็นสมุทัยด้วยปหานะเห็นนิโรธด้วยอารัมณะคือทําให้แจ้งด้วยไปจักแล้วก็เจริญสภาวะคืออารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดพันคําสอนใดที่ไม่แนะนําให้เจริญอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดคำสอนนั้นไม่มีพระอริยบคุคคลไม่มีพระโสดาบันพระสกะทาคามีไม่มีพระนาคามีและไม่มีพระอรหัน พัขนขณะพระโสดาบันยังไม่มีในลัที่อื่น น, นะนะพระสกะทามคามีก็มีไม่ได้ในลัที่อื่นพระอนาคามีก็มีไม่ได้ในลัที่อื่นพระอรหันต์ก็มีไม่ได้ในลัตที่อื่นเพราะฉะนั้นดูก่อนสุพัท ธ, ธะตอนแรกองค์ปฏิเสธใช่ไหมว่าตอนละอนุญาตบอกว่าสุพัท ธ, ธะมักมีองค์แปดอันประเสริฐย่อมมีได้ในธรรมวินไนใดแล แม้สมณะก็มีได้ในธรรมวิไนัยนั้นคือพระโสดาบาันมีได้ในธรรมวิไนัยนั้นสมณะที่สองคือพระสกะทาคามีก็หาได้ในธรรมวิไนัยนั้นพระอนาคามีรราก็หาได้ในธรรมวิไนัยนั้นแม้แต่พระอรหันต์ก็หาได้ในธรรมวิไนัยนั้นเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าถ้ า, าศาสนาไหนมีมรรคแปดมีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดศาสดาใดสอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดได้ ศาสนานั้นศาสดานั้นสามารถที่จะสร้างพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ถ้าหากว่าสอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดไม่ได้ในศาสนานั้นไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีและพระหันมีไม่ได้ดูก่อนสุพัทธะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดอันประเสรยย่อมได้ในธรรมวินัยนี้นั้นแล นั้นแลนั้นแลตัวนั้นแปลว่าเท่านั้นนะแปลอีกภาษาหนึ่งบอกว่าเท่านั้นมรแปดนี้ในในพระพุทธศาสนาเท่านั้นดูก่อนสุพัทธะสมณะคือพระโสดาบันมีในศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองคือพระสกทาคามีมีในศาสนานี้เท่านั้นอนะสมณะที่สามคือพระอนาคามีมีในศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สี่คือ พระอาหารหันมีในศาสนานี้เท่านั้นลัะที่ของาศาสดาอื่นศูนย์จากสมณะผู้รู้ทั่วถึงก็คิดดูนะว่าแม้ก็แม้อย่างในยุคใหม่ๆเนี่ยเราก็มาดูว่าออย่างอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะเลือกเจริญเป็นเฉพาะมรรคถ้าเลือกเอาแค่องค์มรรคใดองค์มรรคหนึ่งเนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดจะเจริญได้ไหมก็มีไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะมันถ้าถ้าเจริญก็ต้องเจริญให้ครบมรรคแปด ถึงยังเจริญไม่ได้ก็ตั้งความปรารถนาเพื่อจะเจริญเพราะถ้าไม่เจริญมรรคแปดมันก็บรรลุไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าฉันเอาแต่สัมมาทิฏฐิอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสนาสัมมาวาจาเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิเป็น สมถะอย่างไรสมถะและวิปัสนาต้องเคียงคู่กันไปถ้าไม่มีสมถาวิปัสนาเคียงคู่กันไปก็บรรลุไม่ได้เนี่ยนะบรรลุไม่ได้เพราะมรรคแปดจะปฏิเสธมรรคองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เหมือนรถเนี่ยนะเหมือนรถที่มีองค์ประกอบอะไหล่ใหญ่ๆแปดชิ้นด้วยกันซึ่งขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้เอาแต่ล้ออย่างเดียวเนี่ยนะมาบรรทุกสินค้าขนไปได้ไหมไม่ได้เอาอย่างไดอย่างหนึ่งได้ไหมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดเนี่ยนะ ต้องอย่างนั้นแน่นอนตัดองค์ใดองค์หนึ่งออกไม่ได้เว้นไว้แต่ระดับทุติยฌานอาวิตกออกเอาวิตกออกเท่านั้นเองที่เหลือต่ำกว่านั้นไม่มีเว้นองค์อื่นๆบรรลุไม่ได้ทีนี้องค์อื่นๆถ้าไม่ได้รับการเจริญให้ดีตั้งแต่เบื้องต้นองค์มรรคอื่นๆจะมีได้ไหมก็มีไม่ได้เนี่ยนะเพราะการเจริญการปฏิบัติเนี่ยนะจะต้องดูว่าการปฏิบัติของเราทั้งหลาย น้อมไปเพื่ออริยมรรคประชุมกันได้ไหมทําไมอริยมรรคจึงประชุมกันพันุโบราณท่านจึงแนะนําวิธีการเจริญโบราณคือพระพุทธเจ้าแนะนําว่าเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคา้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละแปลว่ามีจุดมุ่งหมายเหมือนการสร้างองค์พระเจดีย์ยอดแหลมเนี่ยนะการสร้างองค์พระเจดีย์ยอดแหลมการรวบรวมวางก้อนอิฐทุกอย่างก็เพื่อให้ไปหาที่รวมคือ ที่ยอดฉันใดอารยมรรคทั้งหลายการเจริญก็ลักษณะเดียวกันต้องเป็นไปเพื่อการประชุมอริยมรรคถ้าอริยมรรคประชุมกันไม่ได้การตรัสรู้ก็มีไม่ได้แล้วการปฏิบัติเพื่อประชุมอารยมรรคมีไหมถ้าไม่มีบรรลุไม่ได้เนี่นะถ้าบรรลุไม่ได้ก็แปลว่าปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ยินเสียงเห่าเสียงหอนแล้วก็บอกว่าเรายังไม่พ้นเลยถามทําไม ประชุมมักแปดไม่ได้อ่ะพันได้ยินเสียงยุงบินผ่านก็บอกเราก็ยังไม่พน้นทําไมมักแปดยังประชุมไม่ได้พันถ้าฝ่าเห็นสัตว์เดรัจฉานไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยนะทุกตัวเลือกดูได้หมดเลยว่าอนาคตเราทั้งนั้นถามทําไมเอา ก, ปมมก็ประชุมมักแปดไม่ได้ประชุมมักแปดไม่ได้เนี่ยมันก็พ้นไม่ได้เนี่ยเห็นเห็นปลาว่ายในานา้ําเนี่ยนะจะไปไหนเนี่ยนะ ไม่รู้ใครเป็นใครถ้าคิดถึงอากาศเย็นๆคิดถึงน้ำเมื่อไหร่ก็ถ้าจุติตอนนั้นก็เกิดในน้ำเป็นอะไรอ่ะเป็นเทพพยายดาเฝ้าน้ำยากเป็นต้องสามศึกษาและปฏิบัติให้ให้เป็นไปตามอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดพยายามทำความเข้าใจใเธอสัมมาทิฏฐิรู้อริยศาสตร์ สัมมาสังกปะกุศลสังกปะสามเนี่ยนะศึกษามรรคเขาวิพังให้ดีๆว่าที่เราเจริญเป็นไปตามอริยมรรคไหมายตรวจสอบได้เลยถ้าไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามมรรคถึงใครจะรับรองว่าใช่มันก็ไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณต้องทําใจไว้ว่าเราไม่รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เนี่ยนะถ้าเชื่อบุคคลอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าก็เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเจอกันชาติหน้า ชาติหน้าศาสดาเป็นแมวเราเป็นหนูแมวจะสงสารไหมเดี๋ยวข้างหน้าจะมีเนี่ยนะไม่ได้ว่าเองนะท่านพาว่าศาสดาเกิดเป็นเสือถ้าเราเกิดเป็นเนื้อล่ะท่านจะสงสารเราไหมถ้าเราเกิดตกนรกท่านเป็นนายนิรยบาลท่านจะเมตตามไหมเป็นต้น น, นะเดี๋ยวจะมีต่อไปสรวลว่าลทัทธิศาสดาศาสนาอื่นในทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนะไม่เป็นเนื้อนาศาสนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยสิกขาสามเท่านั้นเป็นเนื้อนาเปรียบเหมือนไกรสอนสีหราชเนี่ยนะมีแสงสว่างแผวๆเป็นพญาเนื้อมีเออซึ่งมีเท้าหน้าและเท้าหลังแดงจัดไกรสอนราชสีย่อมไม่อาศัยอยู่ในป่าชา้าหรือกองอยากเยื่อแต่เข้าไปสู่หิมะวันซึ่งกว้างสามพันโยธอยู่ในถ้ำแกวมณีฉันใดพระอริยบุคคลก็มีในาศาสนานี้ฉันนั้น พญาช้างฉับทันย่อมไม่เกิดในตระกูลช้างก้าวตระกูลมีตระกูลโคเจริยะเป็นต้นแต่เกิดในตระกูลช้างฉับทันเท่านั้นฉันใดพญาม้าเวลาหกเนี่ยนะมาที่เรากระโดดลมไม่เกิดในตระกูลลาหรือไมอ่หรือเกิดในตระกูลอูแต่เกิดในตระกูลมา้าสินพบที่ฝั่งแม่น้ำสินทุเท่านั้นฉันใดมณีรัตนะคือแก้วมณีอันทําความพอใจให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมไม่เกิดในกองหยากเยื่อหรือในภูเขามีภูเขาดินเป็นต้นย่อมเกิดในระหว่างภูเขาเวปุระบรรพศเท่านั้นฉันใดพรยาปลาติมิมระมิงคละย่อมไม่เกิดในบ่อและสระบกคารณีเล็กๆย่อมเกิดเฉพาะในมหาสมุทรที่ลึกได้แปดหมื่นี่พันโยธเท่านั้นฉันใดพรยาครุดตัวใหญ่ร้อยห้าสิบโยธย่อมไม่อาศัยอยู่ในป่ามีป่าละหงเป็นต้นที่ใกล้ประตูบ้าน แต่บินข้ามมหาสมุทรแล้วอาศัยอยู่ในสิมพฤีธาวันก็คือป่าสิมพลีปางยิ้วฉันนั้นเอ่อชันใดพระยาหงทองทัตตะทะไม่อาศัยอยู่ในที่ทั้งหลายมีบ่อน้ําเป็นต้นที่ใกล้ประตูบ้านแต่มีหงส์เก้าหมื่นตัวเป็นบริวารอาศัยอยู่ในภูเขาจิตตะกูบดบรรพศเท่านั้นฉันใดพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่ไม่เกิดในตระกูลต่ํา ย่อมเกิดในตระกูลกษัตริย์ที่ไม่เจือปนเท่านั้นฉันใดสมณะคือพระอริยาบุคคลมีพระโสดาบันนะพระสกทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์หรือสมณะทั้งสิบสองประเภทที่กล่าวไปแล้วไม่เกิดในลัทธิที่หกสิบสฉะ น, นั้นย่อมเกิดเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่บริบูรณ์ไปด้วยศิกขาสามเป็นข้อปฏิบัติที่แวดล้อมด้วยอรยิยมรรคเข้านั้น ฉันั้นเหมือนกันต้องเป็นไปตามนั้นถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็บรรลุไม่ได้ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พร ะ, ระองค์ก็คงไม่ยืนยนันเนี่ยนะอันนี้พระองค์ยืนยันว่าถ้าไม่เป็นไปตามอริยมรรคอันประกอบไ ป, ปด้วยองค์แปดเป็นไปไม่ได้รอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในศาสนานี้เท่านั้นนะนะพระโสดาบันผู้ที่เห็นอริยสัจมีในศาสนานี้เท่านั้นพระสกาทาคามีพระนาคามีพระรันมีในศาสนานี้เท่านั้นศาสนานอื่นลัที่อื่นที่เป็นไปกับด้วยทิฏฐิหกสิบสองที่เป็นมิจฉามักว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงไม่มีลัฐที่อื่นที่จะ ก, กําหนดรู้ทุกลัษโสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคเลยนอกจาก พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยเพิ่งเปล่งสีหนาทให้คำรามเนี่ยนะพูดแบบภาษาไทยบอกว่าคำรามไว้อย่างนั้นเถอะเป็นการบรรลือที่ประเสริฐไม่น่ากลัวเป็นการบรรลือที่ไม่ติดขัดไม่ต้องหวัน่นไม่ต้องผวาคำรามได้เลยบรรลือสีหนาาประกาศได้เลยว่าสมณะทั้งหลายมีในศาสนานี้เท่านั้นเพราะอะไรเพราะความที่สมณะสี่คือภาริยะเหล่านี้มีอยู่ในศาสนานี้เท่านั้น เป็นการบรรลือที่สูงสุดและสุดยอดเป็นการบรรลือที่ประเสริฐที่สุดเป็นการบรรลือแบบไม่ต้องหวนไม่ต้องกลัวไม่ต้องผวาเพราะไม่มีภัยหรือความระหวาดระแวงจากที่อื่นเลยเธอไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าเออเดียวมีนะดีกลุ่มน้นเป็นพระอริยกลัดที่โน้นมีอริยบอกไม่ต้องห่วงยังไงมันก็ไม่มีหรอกเหมือนอะไรนะเหมือนเนี่นะที่อุปมาเนี่ยเหมือนช้างเหมือนมา้า เหมือนแก้วมณีเหมือนปลาใหญ่เหมือนครุฑเหมือนหงเหมือนพระเจ้าจักพรพรรดิไม่เกิดในตระกูลจันทานเคยได้ยินไหมจักพรพรรดิเกิดในตระกูลชันตานบอกไม่มีเกิดในตระกูลกษัตริย์เท่านั้นพระเจ้าจักพรพรรดิจึงจะได้เป็นจักพรพรรดิไม่ต้องห่วงหรอกเพราะอะไรเพราะลักธิ ท, ที่ที่62ไม่ใช่เขตแดนที่จะทําให้บรรลุมรุ่นอันการบรรลุนี้แหละเรียกว่าเป็นการบรรลุที่ไม่มีการติดขัด นะบันลืแบบสูงสุดบอกว่ามีในาศาสนานี้เท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นและเป็นการบันลือที่ไม่ติดขัดเพราะว่าเป็นการบรนลือที่ไม่ผิดพลาดและก็เป็นการบันลือที่ไม่มีใครขัดขานได้เพราะฉะนนั้เจ้าลทัทธิทั้งหลายมีปุรณะกัสปะเป็นต้นไม่สามารถลุกขึ้นปฏิเสธได้ว่าข้าพเจ้าก็โสดาบันนะอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมว่าผู้ใดยืนยันว่าเขาเป็นพระโสดาบันในลทัทธิอื่นๆเนี่ยนะ อย่างโบราณเนี่ยอาจจะแม้ถูกครอบหูครอบตาแต่สมัยใหม่เนี่ยนะที่มันการสื่อสารไร้พรมแดนเนี่ยมีช่องใดช่องหนึ่งบ้างไหมที่สอนอริยศัพท์นะในทีวีแบบที่เปิดรับทุกช่องได้ทั่วโลกเนี่ยนะมีช่องใดไหมที่สอนอริยศัพท์นี้ทุกกำหนดรู้ทุกเป็นอย่างนี้นี้สมุทยัยนี้นีนโรดนี้มัก หรือแม้กระทั่งว่าโวะการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้ที่มีการสื่อสารหนังสืออื่นในโลกนี่มือเป็นล้านเล่มเนี่ยนะมีไหมบอกไม่มีมันไม่ต้องกลัวว่าจะมีพระสโสดาบันเป็นต้นเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เนื้อหนาเพราะจะดูว่าดูตามอริยมรต์เนี่ยมีอริยมรต์ไหมถ้าไม่มีอริยมรต์ล่ะเพราะว่าในโลกนี้รัที่ทั่วทวไปเนี่ยนะสรนเสริญมิจฉาทิฐิสรนเสริญมิจฉาสังกปะมิจฉา วาจาสรรเสริญการฆ่าสั่งเสริมการกระทำบาปอากุศลธรรมทั้งหลายปัญบันรลุมรรคผลจะมีได้อย่างไรนอกจากข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อไหลไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกเท่านั้นเหมือนเพราะฉะนั้นรัฐที่อื่นลัฐที่อื่นคือลัฐที่ไหนรัฐที่เดรัทธีบทว่ายังอัญญติทิยารัฐที่เดรัทธีเกี่ยวกับเรื่องเดรัทธีเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มด้วยกัน คือติดทะติดทะกระเดรธีสาวกเดรธีติดทะเนี่ยนะที่เปรียบเหมือนท่าท่าก็คือลทัทธิลทัทธิทิฐิหกสิบสองได้เรียกว่าติดทะคือท่าท่ายัางลงไปสู่อะไรไปสู่อาบายนะสัตว์ทั้งหลายย่อมข้ามไปบ้างย่อมลอยไปย่อมกระทำการผุดหรือมุดลงเนี่ยนะใคเรียกว่าผุดขึ้นหรือมุดลงอยู่ในทิฐิหกสิบสอง ทิฏฐิหกนี่แหละจึงชื่อว่าติดฐะเปรียบเหมือนท่าเป็นทิฏฐิเป็นที่มุดลงผุดขึ้นในเป็นไปตามทิฏฐิหกสสองนะมุดลงในอบายแล้วก็โผล่ขึ้นมุดลงอยู่นั่นแหลส่วนติดติดถะกระติดฐากรเนี่ยนะติดถะกรเนี่ยก็คือเจ้าลัทธิเจ้าลัทธิพวกนี้ก็สามารถสร้างมิจฉาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้ เช่นปุรณะัสสะอัชิตะเกสกัมพลมักรลิกโคสารเป็นต้นบุคคลเหล่านี้เป็นพวกสร้างทิฐิหกสบสองนะพวกเจ้าฤลิตรที่ทั้งหลายเป็นพวกสร้างทิฐิหกสบสอผู้ใดที่สร้างทิฏฐิหกสบสอขึ้นมาบุคคลนั้นเนี่ยนะก็คือคนที่เปิดประตูอบายนะบุคคลที่สร้างประตูอบายสร้างสะพานเชื่อมนะเชื่อมไปสู่อบายทุกขติวินิบัติแล้ว นรกผู้ที่สร้างข้อปฏิบัติเพื่อไปส่วบายเรียกว่าติดฐิกรเจ้าลัทธิทั้งหลายส่วนผู้ที่เชื่อถือในลัทธิเหล่านั้นแล้วบวชตามเรียกว่าพวกเดรธีผู้ถวายปัจจัยให้แก่พวกเดรธีที่เรียกว่าติดทิยะสาวกสาวกของเดรธีลัทธิผู้ที่สร้างลัทธิผู้ปฏิบัติตามลัทธิและผู้สนับสนุนส่งเสริมลัทธิเนี่ยนะแบ่งออกเป็น4อย่างนะหนึ่งลัทธิ ลัทธิทิฏฐิหกสสองลัทธิมิจฉาทิฐิสองนักสร้างลัทธิสผู้ที่บวชและปฏิบัติตามลัทธิสี่ผู้ถวายปัจจัยมอบปัจจัยให้แก่พวกลัทธิก็เลยแบ่งออกเป็นติฏฐิติฏฐกะระเดียรทีและก็ติฏฐยะเดียรทีก็คือสาวกของเดรยรทีนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเดียรทีทั้งหลายนะเดียรทีทั้งหมดเหล่านี้ว่างจาก สมณะผู้รู้ทั่วถึงที น, นี้ถามว่าเขามีคำถามในหน้าสองดูก่อนพิสูทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่พวกบริพาชชคัญญะเดียรถีในโลกนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเขากล่าวอย่างนี้บอกว่าอะไรเป็นความมั่นใจของพวกท่านอะไรเป็นกำลังเป็นพละเป็นเรี่ยวแรงของพวกท่าน อะไรเป็นการพิจารณาเห็นในตนด้วยประการใดจึงกล่าวอย่างนี้ว่าหมายถึงว่าอะไรล่ะเป็นตัวให้ท่านเนี่ยยืนยันว่าสมณะคือพระโสดาบันมีอยู่ในาศาสนานี้เท่านั้นคือท่านเอาอะไรเป็นเป็นเหตุเป็นผลเป็นตัวมายืนยั น, น่ะนะเป็นหลักการที่ท่านมาบอกว่านี่แหละพระโสดาบันมีอยู่ใน ศาสนานี้เท่านั้นสมณนที่สองคือพระสกทาคามีมีในศาสนานี้เท่านั้นสมณนที่สามคือพระอนาคามีมีอยู่ในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณนที่สี่คือพระอรหันต์มีอยู่ในศาสนานี้เท่านั้นและที่อื่นว่างจากพระสมณนผู้รู้ทั่วถึงว่างจากพระอริยบุคคลผู้แทงตลอดอริยสัจเดี๋ยวถีเข้าถ้าเขามาถามเราอ่ะนะถ้าเขามาถามว่าอะไรเป็นความมั่นใจอะไรเป็นกาลังและเป็นการ พิจารณาเห็นความมั่นใจและกำลังหมายว่าเอาอะไรมาเป็นตัวยืนยันเอาอะไรมารับรองทำไมจึงเชื่อนักเชื่อหนาว่าเชื่อว่าพาาระระยะมีเฉพาะในธรรมวินัยนี้เท่านั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายพวกปริพาชกัญญะเดียรถีผู้มีวาทะอย่างนี้อันพวกเธอเพึงกล่าวตอบอย่างนี้ว่าให้ให้ตอบเข้าไปเลยว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะสี่ประการอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นผ่ารหัสนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วมีอยู่ที่พวกเราเห็นธรรมะเหล่านี้ในตนคือเห็นธรรมะสี่ประการเหล่านี้ในตนจึงกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าสมณะคือพระโสดาบันมีในาศาสนานี้เท่านั้น สมณะที่สองคือพระสกทาคามีมีในศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สามคือพระอนาคามีมีในพระาศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สี่คือพระอรหันต์มีในพระาศาสนานี้เท่านั้นลัที่ของศาสด า, าอื่นว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึง muut? อนนับอกไปเลยเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเรามีธรรมะสี่ประการอย่างนี้สี่ประการอนนสี่อย่างเป็นไนคือ ความเลื่อมใสในศาสดาของพวกเรามีอยู่ความเลื่อมใสในธรรมของเรามีอยู่ความกระทาให้บริบูรณ์ในศีลมีอยู่ทั้งครหัตและบรรปะชิตผู้ประพฤติ ธ, ธรรมร่วมกันเป็นที่รักอ่เป็นที่น่ารักน่าพอใจมีอยู่ตรงนี้ท่านบอกว่านี่คือโสดาปฏิยังค่าธรรมเอาโสดาปฏิยังค่าธรรมนี่แหละมาเป็นเครื่องสำรวจตรวจวัดถ้าเป็นไปตามโสดาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ประการ คืออะไรเลื่อมสายอันมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเลื่อมสายมั่นคงอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมส่วนข้อสี่ที่บอกว่าครหัดบันประชิตประพฤติธรรมร่วมกันก็คือเลื่อมสายอันมั่นคงในพระสงค์และก็มีอริยะกัรตศีลโสตาปติยังฆะธรรมสี่ประการนี่แหละเป็นตัวยืนยันว่าสมณะคือพระโสดาบันพระสกท า, าคามีพระอนาคามีพระอระหันต์มีอยู่ในพระศาสนานี้เท่านั้น ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านั้นแลอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระ้าหัน์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วที่พวกเราเล็งเห็นธรรมะเหล่านั้นมีอยู่ในตนเห็นเลยว่าตัวเองเนี่ยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมทาให้บริบูรณ์ในศีลและสมัครสมานสามัคคีกันเสมอกันด้วย ความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้แหละที่พวกเราเห็นเล็งในตนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะคือพระโสดาบันมีในาศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองคือพระสกทาคามีมีอยู่ในาศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สามคือพระนาคามีมีในาศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สี่คือพระหรันมีในพระาศาสนานี้เท่านั้นลัฐที่ของาศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงใน อริยศัสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าของเรานี่มีอะไรมีโสตาปฏิยังฆะธรรมสี่ประการอธิบายตามลําดับที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระาถันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะชานตาปัสตาราตาสัมมาสัมพุทธเทนะเนี่ยนะ อาที่บอกว่าในหน้าส9บเก้ายี่สิบบอกว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วมีอยู่อันนี้เป็นเนื้อความโดยย่อถามว่าพิสดารนะผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นใดบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศนะตลอดระยะเวลา สี่อสองไขยแสนกับเจริญอริยมรรคจนกำจัดกิเลสทั้งปวงตรัสรู้สัพพันย์อยู่โดยชอบอย่างยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยิ่งยวดหมายคือว่าคิดง่ายๆว่าวพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเส้นทางของพระองค์ก็คือบำเพ็ญบารมีสาสิทัศถะลกิเลสทุกชนิดตรัสรู้ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณหรือสัพพัญญตญาณอันนี้นี่คือพระพุทธเจ้าพระโ อ, อ้อานะพระผู้มีพระภาคเจ้า คำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือใครคือผู้ที่มีปุพพจริยาคุณคือสร้างบุญบารมีมาเป็นอย่างดีกำจัดกิเลสได้ทุกชนิดตรัสรู้โพธิญาณคือสัพพัญญุตญาณอันยิ่งยวดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้อาสยะอนุสยะของสัตว์เหล่านั้นผู้เห็นธรรมะที่ควรรู้ทั้งหมดเหมือนมะขามป้อมที่วางไว้บนฝ่ามือฉะนั้นพระองค์นี้รู้หมดนะ อัธยาใสาของสัตว์นี่เป็นยังไงกิเลสประจำอยิวาอนุัสกิเลสที่มีกำลังของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรพระองค์รู้หมดไม่มีอะไรที่ไม่รู้สำนวนว่าไม่ต้องเห็นหน้าแล้วพระองค์ก็รู้ว่าเขาเนี่ยอดีตเป็นใครปัจจุบันนี่คือใครและอนาคตต่อไปนั้นเป็นอย่างไรมีอินทรีย์อ่อนอินทรีย์แก่กล้าพอบรรลุมรรคผลได้ไหมหรือไม่บรรลุมรรคผลอัธยาศัยเลวหรืออัธยาศัย ประณีตและเขายินดีจะคบหาสมาคมกับบุคคลเช่นใดเนี่ยนะพระ อ, องค์เห็นปั๊บรู้หมดแล้วว่างั้นเถอะเห็นด้วยอะไรเห็นเห็นด้วยสัพพัญญุตยานเห็นธรรมที่ควรรู้ทั้งหมดเรียกว่าสัพเพเยยธรรมทุกชนิดพระ อ, องค์รู้หมดเห็นเหมือนอะไรมะขามป้อนบนฝ่ามือเหมือนกับลูกแก้วใสๆวางบนฝ่ามือฉะนั้นไม่มีอะไรที่พระ อ, องค์ไม่ทรงรู้ไม่ ทรงเห็นจึงเชื่อว่าผู้รู้ผู้เห็นรู้ด้วยอายานุสยะยานเห็นด้วยสัพพัญยุตยานอันนี้เรียกว่ายกอสสาธารณะยานให้เป็นให้เป็นหลักให้ดูว่าเออเนี่ยพงษ์มีอายานุสยะยานนะเห็นทำทั้งหมดด้วยสัพพัญยุตยานและอนนาวรณะยานอันนี้ยกอสสาธารณะยานขึ้นมาคิดเรียกว่ายกพุทธจักสุกับยกสมันตะจักสุกเข้ามา อีกในหนึ่งพระองค์ทรงรู้ด้วยยานทั้งหลายมีปุเพนิวาสานุสติยานและก็เห็นด้วยทิพจักสุญานข้อนี้ยกตัวอย่างวิชาสามมาให้เป็นตัวยอย่างพระองค์นี่รู้ด้วยปุเพนิวาสานุสติยานกับอาสวัคคยาญเห็นด้วยทิพจักสุยานคือพระองค์นี่จะเรียกว่าวิชาสามเตวิชาเตวิชาก็ได้เนื่องจากพระองค์มีปุเพนิวาสานุสติยานพระองค์มีจุตูปปาตาญและมี อาสวัคคายาญัตมั น, นพระองค์รู้ด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณและอาสวัคคยาญัตเห็นด้วยทิพจักสุญาณทั้งหลายอีกในหนึ่งท่านบอกว่ารู้ด้วยวิชาสามหรือรู้ด้วยอภิน ญ, ญาหกส่วนเห็นด้วยสมันตะจักสุอันไม่ติดขัดในที่ทั้งปวงหมายค่าว่าพราะองค์นี้รู้ทุกอย่างรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันด้วยวิชาสามและอภิญญาหกโดยไม่ติดขัด และพระองค์รอบรู้ทั้งหมดด้วยสัพพันยูสัพพันยูของพระองค์ไม่มีอะไรมาติดขัดและขัดขวางประสงค์จะรู้อะไรก็จะรู้สิ่งนั้นเรียกว่ารู้ด้วยวิชาสามพิญญาหกเห็นด้วยสัพพัญญุตยานและอนนาวรณายาต่อไปบอกทรงรู้ด้วยปัญญาที่สามารถรู้ธรรมทั้งปวง ทรงเห็นรูปทั้งหลายที่ล่วงจากสุวิสัยของสัตว์หรือที่อยู่ในกำแพงเป็นต้นด้วยมังสะจากสุอันหมดจดยิ่งตรงนี้ก็ยกตัวอย่างว่าพระองค์เนี่ยมีมังสะจากสุกับมีปัญญาจากสุนั่นเองพระพุทธเจ้าตาเนื้อของพระองค์ก็ชันยอดตาปัญญาของพระองค์ก็เยี่ยมเนี่ยนะในเรื่องของรูปเนี่ยพระองค์เห็นทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่เห็น และในเรื่องของธรรมที่ควรรู้นะจะรู้ด้วยตาหรือจะรู้ด้วยปัญญาสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลพระองค์รู้หมดโดยไม่มีส่วนเหลือเรียกว่ารู้ด้วยปัญญาที่จะรู้ธรรมเห็นรูปด้วยตาทิ่เป็นต้นหรือตาเนื้อนะสะรุว่าปัพระองค์ผู้มีจักสุจักสุทั้งห้าตรงนี้เท่ากับยกจักสุห้าขึ้นมาพระองค์มีมังสะจักสุมีญาะจักสุมังสะจักสุมีทั้งภาษาท่าจักสุและมังสะจักสุ อันนะั้สะสมภาระจักสุพระองค์มีทั้งอธรรมะจักสุทิพตะจักสุยาณาจักสุธรรมะจักสุแล้วก็สมันตะจักขุพันรู้หมดว่างั้นเถอะพระองค์ผู้ทรงรู้ทรงเห็นมีอะไรที่ไม่เห็นอีกในหนึ่งพระองค์รู้ด้วยปฏิเวทปัญญาอันเป็นประทับฐานเหตุใกล้มาจากสมาธิสามารถยังประโยชน์ตนของพระองค์ให้สําเร็จ ทรงเห็นด้วยเทศนาปัญญาอันเป็นมาจากเหตุใกล้จากเทศนาปัญญานี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้เหตุใกล้ก็คือกรุณาสามารถที่จะยังประโยชน์ของผู้อื่นให้สําเร็จแสดงว่าทรงรู้เนี่อรู้อะไรรู้ว่ารู้แล้วทําประโยชน์ให้ตัวเองได้อะ่ะเห็นเห็นประโยชน์ของผู้อื่นที่เห็นด้วยปัญญาของพระองค์เนี่ยพระองค์มีสมาธิเป็นประทัดฐานให้เกิดปัญญาสามารถยังประโยชน์ตน ให้สำเร็จอาศัยกรุณาเป็นประทัฐานเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยมีเทศนาปัญญาช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จมันพระองค์เนี่ยนะมีปฏิเวทปัญญาที่มาจากสมาธิเนี่ยทำให้พระองค์ได้รับประโยชน์ตนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์อย่างยิ่งนะประโยชน์เหล่าใดที่ควรได้พระองค์ได้รับประโยชน์เหล่านั้นโดยสิ้นเชิงเพราะมีกรุณาต่อรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นเหตุใกล้ทําให้พระองค์แสดงคำเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์ประโยชน์เหล่าใดที่สัตว์ทั้งหลายพึงจะได้รับพระองค์ให้ประโยชน์เหล่านั้นแก่สัรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีส่วนเหลือนะประโยชน์เหล่าใดเนี่ยนะที่สัพพสัตว์ควรได้รับพระองค์ให้ประโยชน์เหล่านั้นโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะพระองค์มีเทศนาปัญญารู้ด้วยปฏิเวทปัญญาเห็นด้วยเทศนาปัญญาปฏิเวทปัญญาทําให้สําเร็จประโยชน์ตน เทศนาปัญญาทาให้สำเร็จประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะก็คืออนุภาพของการเทสนาการบอกกล่าวสางังสอนโอวาทของพระองค์นี่แหละทำให้สัตว์อื่นได้รับประโยชน์อันนี้ขยายสองคำนะผู้ทรงรู้กับผู้ทรงเห็นรู้อะไรบ้างรู้อาสยานุสยญาณรู้ด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณอาสวัคค ย, ยานรู้ด้วยวิชาสามปิญญาหกรู้ด้วย ปัญญาที่รู้ธรรมเรียกว่าธรรมจักสุเนี่ยนะแล้วก็รู้ด้วยปฏิเวทปัญญาอและพระองค์เห็นอะไรเห็นด้วย เ, เห็นผู้ทรงเห็นเนี่ยเห็นด้วยสัพพัญญุตยานนาวรณายานเห็นด้วยทิปจักสุยานเห็นด้วยสมันตะจักสุ เ, นะเห็นด้วยมังสะจักสุเห็นด้วยเทสนาปัญญา อันนี้อนุภาพของการเห็นมันการเห็นของพระองค์เนี่ยนะเนื่องจากพระองค์เป็นบัณฑิตพระองค์จึงสามารถยังประโยชน์ของพระองค์ให้สำเร็จและประโยชน์ของผู้อื่นให้สำเร็จมันผู้ที่รู้เห็นจริงๆอ่ะรู้เห็นแล้วยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้สำเร็จมันก็เท่ากับบอกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนั่นเองเนี่ยนะทีนี้อ่าวิชาจารณ ะ, ะนะตรงนี้ก็เท่ากับขยายอยู่สี่คอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปนโนขยายอยู่เท่านี้ยชาณาตาปัสตารหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเนี่ยนะคำว่าพาหันเนี่ยพระองค์เป็นพาหันเพราะอะไรเพราะกิเลสที่เป็นข้าศึกทั้งหลายพระองค์ละหรือพระองค์ทําลายได้แล้วเสี้ยนน้ําภายในข้าศึกภายในเพชฌฆาตภายในบาปอกุศสลธรรมภายในพระองค์ทําลายเสร็จสิ้นแล้วและความเป็นพาหันของพระองค์ทําให้คู่ควรแก่ปัจจัยนะคู่ควรแก่เครื่อง สักการะคู่ควรแก่เครื่องอบูชาทั้งหลายอันพาทารก็คืออะไรไกลจากกิเลสกําจัดฆาสึกคือกิเลหสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรไม่มีความลับในการทําบาปเป็นต้นพระองค์ชื่อว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธเพราะสัจจะทั้งหลายพระองค์นี้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องนะนะชอบแปลว่าถูกต้องโดยลําพังพระองค์เองเพราะความที่พระองค์สั่งสมบุญมาเป็นอย่างดี อันนี้ขยายควาว่าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในยะที่หนึ่งอีกในหนึ่งพระองค์เนี่ยรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยอันตรายกธรรมมเทศนาอนรู้อะไรรู้นะอะไรเป็นธรรมที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลพระองค์เห็นนิยานิกรรมมเทศนาเห็นว่าธรรมเหล่าไหนาที่จะนำสัตว์ให้ออกจากทุกก็ พูดแบบภาษาอริยศาสตร์ก็บอกเห็นอะไรเป็นสมุทัยเห็นอะไรเป็นอริยมรคนั่นเองพระองค์ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ก็คือกําจัดข่าศึกคือกิเลสทั้งมวลเนี่ยพระองค์ละได้หมดแล้วชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะธรรมทั้งปวงพระองค์ตรัสรู้โดยพระองค์เองพันนัยยะที่สองเนี่ยรู้ด้วย น, นะผู้ทรงรู้รู้ว่าอะไรเป็นอันตรา ย, ยิกธรรมเห็นว่าอะไรเป็นนิยานิยกรรมเป็นอรหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้ชมเชยด้วยอะไรเวสารัชยานสี่เวสารัชยานสี่ก็คือยานที่ทาให้พระองค์ถึงความแกล้วกล้ า, ลาในยะนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้ายกพระองค์เนี่ยมีเวสารัชยานสี่ยานที่ทำให้พระองค์ถึงความแกล้วกล้ า, ลาไม่คลั่นค้ามไม่มีใครโจดทวงพระองค์ได้ว่านี้ อไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นอันตรายนี้ไม่สามารถนำออกจากพวกท่านไม่เป็นะ้าหันท่านไม่ได้เป็นพระพุทธาเนี่ยนะเนื่องจากอ่พระองค์เห็นว่าไม่มีผู้ใดโจดทวงพระองค์ได้พระองค์นี่จึงถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าและอาถรรพ์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงกล้า ย, ยืนยันว่าอ่ที่พระองค์ให้พระพิสุทั้งหลายยืนยันนะนะยืนยันที่บอกว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ทำสี่ประการอันพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสแล้วมีอยู่ที่พวกเราเห็นว่าคุณธรรมทั้งสี่นี้มีอยู่ในตนเพราะเนื่องจากมีคุณธรรมสี่ประการอยู่ในตนนี่แหละจึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่าสมณะคือพระโสดาบานันมีอยู่ในาศาสนานี้เท่านั้น สมณะที่สองคือพระสกทาคามีสมณะที่สามคือพระอนาคามีอ่มีอยู่ในศาสนานี้เท่านั้นศาสนาอื่นว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงก็เนื่องจากอาศัยโสตาปัิยังฆธรรมสี่ประการสประการเป็นไฉนหนึ่งความเลื่อมใสในศาสดาของเรามีอยู่สองความเลื่อมใสในพระธรรมของเรามีอยู่สมความทําให้บริบูรณ์ในศีล ของเราทั้งหลายมีอยู่และก็สุดท้ายเ้าบอกว่าทั้งเครือข่าละบรรประชิดประพฤติธรรมร่วมกันอันเป็นที่น่ารักและน่าพอใจอธิบายตามลำดับข้อแรกก่อนบอกว่าสัทธริปาสาโทความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายมีอยู่อันในหน้า20นับขึ้น3บรรทัดบอกว่าสัทธริปาสสาโทความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นแก่ระลึกถึงพระพุทธคุณโดยในเป็นต้นว่า แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์มั่นใจว่าเลื่อมใสจริงๆว่าเพราะอย่างเนี้พระองค์เป็นพระอรหันต์มีความเลื่อมใสอย่างมั่นใจจริงๆว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นสัมมาสัมพุทธะนะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเป็นต้น เนื่องจากว่าแมมทบทวนตรวจสอบสํารวจไปหมดแล้วว่าเราเลื่อมใสทุกคำเลยเพราะทุกคำดีทุกคำเอออันนี้คืออะไรนะก็แปลไม่ได้ไม่เข้าใจไม่รู้ทันว่าอะไรถ้าอย่างนี้ก็ห่างนักแรนยังคุณมัวอีกนานนะนั้นที่จะสามารถทำให้ยืนยันได้ก็อรหัง เข้าใจเลยนะมีความหมายอย่างไรมีความเลื่อมสายอย่างแท้จริงสัมมาสัมพุทธมีความหมายว่าอย่างไรมีความรู้มีความเข้าใจและมีความเลื่อมใสยอย่างแท้จริงนั่นแหละอันนี้แหละที่บอกยืนยันได้ว่ายืนยันได้ว่าสมณะมีอยู่ในศาสนานี้เท่านั้นก็เนื่องจากมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธคุณเนี่ยนะสัทธฤปาสาโทเลื่อมสในภาษาสดาซึ่งเป็นสัตผู้เป็นสัมมาสัมพุทธ ก็คือเลื่อมสายในอิติปิโสนั่นแหละว่าอิติปิโสพระวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมาสาระทิสาถาเทวมนุษสาหนังพุทโธพระวาทุคคำไม่มีคำไหนที่สงสยัยหรือเคลือบแคลงทุคคำพูดถึงแล้วก็ใจผ่องใสใจเลื่อมสายมีความสุขที่ได้ยินได้ฟัง พระพุทธคุณทั้งหลายเหล่านี้มีความสุขที่จะระลึกถึงพระพุทธคุณเหล่านี้พระพุทธคุณเหล่านี้ช่วยให้ผ่องใสช่วยให้เกิดศรัทธาและเกิดปัญญาเนี่ยนะมั่นคงบรนพุทังสรารนางังฆะฉามิเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องยืนยันข้อที่หนึ่งว่าสมณะเนี่ยมีในศาสนานี้เท่านั้นอย่างที่สองธรรมโมปสาโทความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในพระธรรม เลื่อมสายว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสวดจริงๆและเข้าใจจริงๆเชื่อจริงๆนะบอกปกติแล้วสวดสวาขาโตภควะตาธรรมโมสวดก็จริงนะแต่พระไตรวิฎกเชื่อมือไม่ได้มันขัดกันเองนะ หรือพระไตรปิกไม่น่าเชื่อถือแต่ก็สวดว่าสวาขาโตพระคาวตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิแต่ปฏิเสธสูตรนี้ก็ไม่เอาสูตรนโน้นก็ไม่ดีสูตรนี้ก็ใช้ไม่ได้สูตรนั้นก็ผิดสูตรนี้ก็พลาดสูตรนโน้นก็ไม่ถูกต้องสรุปว่าสูตรตัวเองดีที่สุดอย่างนี้นะพะนธ์ไอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยก็สวดไม่ได้อยู่แล้วเพันธ์เขาไม่ได้เลื่อมใสจริงถ้าเลื่อมใสในพระธรรมก็บอกสวากขาโตพระคาวตาธรรมโมพระธรรมคําสอนนับเป็นหนึ่งคือวิมุติรสนับเป็นสองคือธรรมวินัยนับเป็นสามคือ ปีดอกสามนับเป็นสคือเอ่อนับเป็นห้าคือนิกรห้า 5, นับเป็น9คือคําสอนอันประกอบไปด้วยองค์9้านับเป็น 84% ดหมพันโดยพระธรรมขันตรัสไว้ดีแล้วเพราะกําจัดราคะกําจัดโทสะกําจัดโมหะได้จริงเป็นที่สางแห่งความเมาได้จริงผู้ปฏิบัติตามนี้ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงแล้วก็พระธรรมเหล่านี้นี่แหละ เป็นสันทิทิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติเพึ่งเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะไยิโกปัจจตังเวทิถะโพวินยูหิเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานอย่างแน่นอนนั้นมรรคผลนิพพานสันทิทิโกเห็นได้ด้วยตนเองอริยมรรคอากาลิโกให้ผลได้ในไม่จำกัดการโลกุตระธรรมเ้านี่แหละเอหิปัสสิโกควรเรียกให้ ว่าจงมาดูเถิดนะปัจจตังนะโลกุตระธรรมเก้าเนี่ยเป็นเรื่องที่วินยูชนคืออุคติตันญูเป็นต้นรู้ได้เฉพาะตนมันถ้ากว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ปฏิเสธอนะนะก็สวดไปอย่างนั้นแหละสวักขาโตแต่ปฏิเสธคําสอนถ้าอย่างนี้เนี่ยนะอ่าเขาบอกว่าตาซ้ายเอาตาขวาไม่เอาเงี่ยนะนเกิดอะไรขึ้นอ่ะข้างหน้าเอาแต่ข้างหลังไม่เอาเงี้ยแม้แขนซ้ายงามแต่แขนขวาไม่เอาดีกว่าเงี้ยนะเป็นไปได้ไหม ส่วนบนเอาส่วนล่างไม่เอาอะไรเงี้ยนะอย่างพระพุทธเจ้าองค์นี้เอาองค์นั้นไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยนั้นพระธรรมแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันธ์ท่านบอกว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันองไม่ใช่ว่าจะเที่ยวปฏิเสธกันง่ายๆเนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งถ้าไม่เป็นอย่างมากก็อยู่ในฐานะของสาวกถ้าอยู่ในฐานะของสาวกปฏิเสธขาดทุนเนี่งนะ ขาดไม่ขาดไม่รู้ก็ห่างจากพระพุทธเจ้าก่อนละเป็นอันดับแน่ถ้าห่างพระพุทธเจ้าแล้วคบใครคะนี้ก็คบคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตำรวจดูแล้วอภิมงคลในตัวตั้งหลายสิบอย่างอย่างงีนน้ก็แหมไม่เป็นมงคลเลยถ้าไม่เป็นมงคลแล้วไปไหนเนอคือมีอยู่สองอย่างถ้าห่างพระพุทธเจ้าก็แปลว่าใกล้ต่อใครก็ใกล้ต่อคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอ้าแล้วจะบรรลุมรรคผลได้อย่างไรบอกเต้นไปไม่ได้เลยนะผู้ที่เขาบรรลุมรรคผลเขาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละ อย่างหนึ่งสุตตะพุทธะอย่างที่สองสาวกพุทธะอย่างที่สามปเจกพุทธะอย่างที่สี่ก็สัมมาสัมพุทธะถ้าปฏิเสธพุทธะสี่ประการนี่หละก็เป็นอันทะแค่นั้นน่ะอันทะไม่ใช่อันดะที่แปลว่าไข่นะอันทะแปลว่ามืดบอดเนี่ยนะไม่ใช่อันทะอันอันดะอันน่ะนะที่แปลว่าไข่นะแปลว่าอันทะปุตุชนว่างั้นบอดสนิทว่างั้นแตะ ต่อไปอีกบอกว่าสีเลสุปริปูรกาธิตาเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายอันพระอริยเจ้าใคร่แล้วศีลที่อริยกันตศีล น, น, นะนะศีลที่เป็นอริยการตศีลคืออะไรคือศีลห้าเรียกว่าอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้าใคร่ฟังให้ดีนะฟังให้จบนะ เขาบอกว่าหนึ่งเข้าไล่ตรวจดูตัวเองนั่นหนึ่งไม่ขาดสองไม่รับสามไม่เพื่อผิดในกามสีไม่พูดเท็จห้าเล่าก็ไม่ดื่มอุย้ยบรรลุแน่นอนเราบรรลุอะไรเราต้องชาติหน้าด้วยจะยืนหยัดอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ย น, นะท่านคำว่าอริยการแต่สีเนี่ยแปลว่าศีลทั้งห้าข้อเนี่ยแม้แต่อยู่ในระหว่างพบแม้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพระสูดาบันสมมุติว่าตายจากชาตินี้ชาติหน้าไปเกิดพบใหม่เนี่ยนะถึงจะเหตุผลใดท่านก็ ผิดศีลห้าไม่ได้ท่านไม่รู้ตัวเลยนะเพราะเกิดในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาท่านก็ไม่มีเจตนาที่จะผิดศีลห้าเนี่ยนะอุปมาอย่างว่าถ้ามีใครจะกล่าวกับพระอริยาสาวกในชาตินั้นว่าชาตินั้นคือคนละพบคนละชาติไม่ได้ยินได้ฟังคําสอนแต่เป็นพระโสดาบันไปแล้วเนี่ยนะบอกว่าขอให้ท่านรับเอาราชสมบัติของพระเจ้าจากกักรพรรดิทั้งสิ้น เสรจแล้วก็ให้ปรงชีวิตมแมลงวันตัวเล็กจากชีวิตซะฆ่ า, มาแมลงวันซะจะให้จักรพัฒสมบัติไม่รู้นะว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันด้วยอยู่กรรภพกรรชาติไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้เลยข้อที่พระอริยาสาวกจะพึงทําตามคําของผู้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้จะด้วยเหตุผลใดให้พระสาวกเนี่ยนะคิดจะฆ่าก็ไม่มีเพราะเจตนาเป็นเหตุแห่งการฆ่า ถูกละแล้วด้วยโซดาปฏิมักเพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนนศีลทั้งหลายเนี่ยนะศีลห้าที่กล่าวไปแล้วเนี่ยจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพระเรียเจ้าทั้งหลายด้วยประการชนี้รักมากรักเจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะรักมากเจตนาเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้รักมากในเจตนาที่เว้นจากการประพฤติผิดในการรักเจตนาที่เว้นจากมุสาวาท ไม่พูดมมสาแม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่นเหมือนั้นแหละแม้กระทั่งว่าแม้แต่จริงเล็กน้อยท่านก็ไม่พูดอ้าวบอกก็ต้องพูดทั้งหมดใช่ไหมอ้าวคนรักษาศีลไม่ได้จําเป็นต้องพูดทุกเรื่องบางอย่างก็ไม่มีไม่จําเป็นจะต้องตอบใช่ไหมคนรักษาศีลไม่ต้องแม้เที่ยวชี้แจงใครถามอะไรก็เปิดโมดเนี่ยนะไม่ใช่เขาก็ตอบเป็นเรื่องๆไปเรื่องไหมมีประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่เป็นไปเพื่อทําลายตนทําลายผู้อื่นเขาค่อยตอบไม่ใช่เที่ยวรู้อะไรก็พูดไปโมดเนี่ยนะ ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนท่านคนที่รักษาศีลเนี่ยคนที่ใช้คําเก่งมากนะนะเขารู้จักพูดเนี่ยนะรู้จักพูดเพราะความที่รู้จักพูดนั่นแหละจึงไม่เสียศีลและไม่เบียดเบียนตนแต่คนที่ไม่ฉลาดพูดนะยิ่งพูดยิ่งพันยิ่งพูดยิ่งป่วยว่างั้นเถอะนะยิ่งพูดยิ่งเสียหายยิ่งพูดยิ่งทําลายประโยชน์ตนยิ่งพูดยิ่งทําลายประโยชน์ผู้อื่นในที่สุดก็ยิ่งพูดแล้วจบด้วยการเลยถ้าจ่ายธรรมดาก็ยิ่งพูดยิ่งเสียตังกว่างั้นเถอะ เพิ่มกว่านั้นอีกยิ่งพูดยิ่งเสียน้ําตามากกว่านั้นอีกยิ่งพูดยิ่งหมดเนื้อหมดตัวเลยนะได้เลือดได้เนื้อแน่นอนยิ่งพูดแล้วก็หมดชีวิตยิ่งพูดแล้วไปอาบายเลยกันนี้เพราะอะไรเพราะไม่ฉลาดใช้คำมันพระอริยนี่ท่านฉลาดพูดที่สุดเนี่ยนะท่านฉลาดพูดเพราะท่านเป็นเอ่อเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลแล้วก็รู้จักตนแล้วก็รู้จักประมาณเหตุแค่ไหนผลแค่ไหนท่านพูดเป็นไปตามเหตุตามผลเท่านั้นแหละแล้วตัวท่านเองอ่ะคือใคร และควรจะพูดแค่ไหนนิ่งในสมัยที่ควรนิ่งพูดในสมัยที่ควรพูดพูดแค่ไหนแค่ไหนจึงจะเหมาะสมแค่ไห น, นจึงจะไม่เบียดเบียนตนแค่ไหนจึงจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะบุคคลเหล่านี้จะไม่เมาน้ําลายแล้วเนี่ยนะแค่ว่าจะไม่พูดให้เหมาน้ําลายแล้วก็กระแตกกระซ่านซ่าเนเซนพูดไปก่อนแล้วค่อยแก้ตัววันหลังพูดแล้วค่อยขอโทษในตอนท้ายบอกไม่มีเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะไข้ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทําค่อยพูด ท่านจริงๆแล้วโดยที่สุดแม้แต่ความคิดทุกความคิดเนี่ยนะท่านตรวจสอบควตรวจสอบแล้วท่านจึงคิดท่านไม่ใช่คิดด้วยเปลยนะควบคุมได้แมก้กระทั่งความคิดเนื่องเนื่องจากว่าตรวจสอบควบคุมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้นั่นแหละท่านจึงไปดีพระพุทธเจ้าจึงยืนยันว่าแม้แต่ชาติหน้าท่านก็ไม่ผิดศีลอย่าว่าชาตินี้เลยก็บอกว่าอย่าว่าอยู่ในชาติที่พระพุทธเจ้าเลยชาติต่อต่ อ, ตอไป ถึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ผิดศีลเพราะเป็นคนที่เรียกว่าเชื่อใจได้เลยพ่างั้นอนะ่ะเชื่อได้เลยว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะบุคคล น, นี้เป็นคนรักศีลแน่นอนเนี่ยนะบรรพายะเหล่านี้นะจึงหาได้ยากเลยผู้ที่ทําให้บริบูรณ์ในศีลอย่างดังกล่าวเรียกว่าอาริยะการตัดศีลอ่าและข้อสุดท้ายท่านบอกว่าสหาธรร ม, มิกเนี่ยนะประพฤติธรรมร่วมกัน ผู้ที่ประพฤติธรรมร่วมกันคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสัมมาเนนสัมมเนรีเนี่ยนะเรยียกว่าสหธรรมิกทั้งเจท่านบอกว่าภิกษุประพฤติธรรมร่วมกับภิกษุมีศึกษาเสมอกันภิกษุณีประพฤติธรรมร่วมกันกับภิกษุณี ม, มีศึกษาเสมอกันสมมาเนนสมมเนรีก็อ่ะนะสัมมาเนนสิกขมานาสมมาเนนสมมเนรีทุกคนเนี่ยมีศีล เสมอการอุบาสกอุบาสิกาก็มีศีลเสมอกันพระโสดาบันก็ประพฤติธรรมร่วมกันเสมอกันกับพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีตลอดจนถึงพระอรหันต์ก็ประพฤติธรรมร่วมกันกับพระอรหันต์เสมอกันกับพระอรหันต์แต่ในจูลสีหน่าสูตรพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าครหัดบันประชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นที่น่ารักน่าพอใจมีอยู่ คำว่าประพฤติ ธ, ธรรมอันนี้หมายถึงประพฤติโลกุตระธรรมนะประพฤติอะไรประพฤติในโซดาปฏิมักเหมือนกันเพราะอริยาสาวกคือพระอริยเจ้าเหล่านี้จะไม่มีการทะเลาะกันอีกแล้วในเรื่องอริยมักทั้งหลายแม้แต่อยู่คนละภพคนละชาติอย่าว่าชาตินี้เลยชาติหน้าพระอริยเหล่านั้นท่านก็ไม่ขัดกันไม่ทะเลาะกันเพราะทุกท่าน สัจจปฏิเวทโทแทงตลอดสัจจะปริญญาพิสมยาที่วเสณะด้วยสา ม, มารถแห่งการกำหนดรอบรู้ในกองทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมร์เนื่องจากว่าท่านนั้นเป็นผู้มีสัจจะอันเห็นแล้วแทงตลอดอริยสัจบรรลุมร์ผลแล้วท่านจึงไม่มีการถกเถียงกันแม้ในระหว่างพก เพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยนะสมุทราชาตินี้เนี่ยอาศัยว่าเออทุกคนอยู่ในคําสอนแต่ชาติ ต, ต่อต่อไปท่านก็ไม่เถียงกันว่าท่านบอกว่ามรคมีองค์เก้ามรคเก้ากท่านก็ไม่เถียงเรื่องนี้หรือโพชงเนี่ยมีแปดอินทรีย์มีหกพระละมีหกอิทิบาทมีสิบอย่างเงี้ยนะท่าน่ะไม่เข้าใจผิดแบบนั้นเด็ดขาดท่านจะไม่มานั่งถกเถียงกันในประเด็นทั้งหลายเหล่านี้ท่านจะถกว่าเราจะปฏิบัติตามคําสอนได้อย่างไรนั่นคือหัวข้อที่ท่านพูดคุยกัน แต่ท่านจะไม่เอาหลักธรรมทั้งหลายมามานั่งทะเลาะกันเนี่ยนะเพราะท่านเป็นผู้ที่เห็นอริยสัจเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในดีกาท่านจึงบอกว่าเนื่องจากพระอริยสาวกเนี่ยนะในชาติเดียวกันหรือคนละภพคนละชาติอยู่คนละภพคนละภูมิถึงอย่างนั้นท่านเหล่านั้นก็มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิเสมอกันคือเห็นอริยสัจเหมือนกัน ศีลเสมอกันก็เนื่องจากว่ามีอารยะการตศีลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงสมัครสมานสามัคคีและไม่มีการทะเลาะเบาะแว่งกันเด็ดขาดเหมือนั้นเคยได้ข่าวไหมพระอริยะท่านทะเลาะกันอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนสมัยพุทธการนั่งมาทะเลาะกันนั่นแหละเคียงกันอยู่นั่นแหละประชุมสาวมันและหาข้อยุติไม่ได้บอกไม่มีเนี่ยนะสรุปว่าข้อสุดท้ายที่บอกว่า พระอริยะเหล่านั้นเนี่ ย, ยไม่วิวาทการหมายถึงความเลื่อมใสที่ท่านเหล่านั้นน่ยระลึกไปแล้วในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติ ต, ต, ตรงปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมท่านเหล่านั้นคือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษสรุปอันนี้หมายถึงโสดาปฏิยังฆะธรรมองค์แห่งความเป็นพระโสดาบันสี่ประการ เพรเนื่องจากเห็นโสตาปฏิยังฆะธรรมอยู่ในตนสี่ประการนี่แหละนะโสตาปฏิยังฆะธรรมทั้งสี่ประการที่พระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วนี่แหละที่เป็นเหตุให้พวกกล่าวนะยืนยันได้เลยว่าสมณะมีอยู่ในาศาสนานี้เท่านั้นคือผู้บรรลุมรรคผลมีอยู่ในาศาสนานี้เท่านั้นแต่เดียร์รถีก็คือเดียร์รถีไม่ยอมเดี๋ยวจะถามต่อไป ความให้บริบูรณ์ในศีลของพวกเรามีอยู่ทั้งเครือข่ายและบรรปะชิดประพฤติธรรมร่วมกันเป็นที่น่ารั ก, น, รกน่าพอใจมีอยู่อันนี้แหละเป็นเหตุให้ปฏิญญาอ่รับรองได้เลยว่าเหตุผลอันนี้แหละที่เรียกว่าสมณะคือผู้บรรลุมรรคผลมีอยู่ในพระศาสนานี้เท่านั้นนี้เดรธีก็บอกว่าดูค่าพิสูจนทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล ที่พวกปริพาโชคัญญาเดรธีพึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผู้ใดเป็นาศาสดาของพวกเราความเลื่อมใสในสาศาสดาแม้ของพวกเราก็มีอยู่เดรธีก็บอกแหมของท่านพูดได้นะข้าพเจ้ า, าก็พูดได้ข้าพเจ้ า, าก็เลื่อมใสในศาสดาของข้าพเจ้าคำสอนใดเป็นธรรมะของพวกเราความเลื่อมใสในธรรมะแม้ของพวกเราก็มีอยู่ ศีลเหล่าใดเป็นศีลของพวกเราแม้พวกเราก็กระทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายอยู่ทั้งครงหัดและบันปะชิตผู้ประพฤติธร ร, รมะร่วมกันแม้ของพวกเราก็ประพฤติก็เป็นที่น่ารักน่าพอใจเหมือนกันเหมือนกันคือมันต่างกันตรงไหนเอาวะท่านเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็เลื่อมใสในศาสดาของข้าพเจ้าท่านเลื่อมใสในธรรมข้าพเจ้าก็เลื่อมใสในธรรมของข้าพเจ้าท่านเลื่อมใสในเอ่อท่านเป็นผู้มีศีล ท่านทำศีลให้บริบูรณ์พวกเราก็ทําศีลของเราให้บริบูรณ์พวกเราก็รักใคร่ปรองดองกันสรุปว่าของท่านกับเราเนี่ยนะผู้มีอายุในข้อนี้อะไรจะเป็นข้อที่แปลกกันอะไรเป็นข้อประสงค์คือเป็นความต้องการอะไรเป็นข้อที่กระทําให้ต่างกันในระหว่างของท่านและของเราเดี๋ยวีเขาก็เก่งนะนะบอกว่าเรามีโสตาปฏิยังฆ่าทำสี่ประการเขาก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะเขาก็มั่นใจในศาสดา ข, ของเขา เขาก็เลื่อมใสในธรรมของเขาข้อปฏิบัติของเขาเขาก็ทําจนบริบูรณ์เต็มที่เขาก็รักใคร่สมักสมานสามากีบรองดองกันมันจะตักจะแตกต่างอะไรกันระหว่างกลุ่มท่านกับกลุ่มเราเพรางั้นเดี๋ยวทีเขาว่างั้นนะเขายกตัวอย่างบอกว่าเขาก็อ้างครูของเขาเช่นปุรณกัสปะอชิต ะ, กะเกสะกัมพลมคลิกโคสารเป็นต้นแต่จริงๆเขาไม่ใช่ศรัทธาแต่เป็นความรักอาศรรัยเรือน เรียว่าเป็นความผูกพันกันส่วนตัวระหว่างศิษย์กับอาจารย์เรียกว่าความรักอาศัยเรือนบอกนี้อาจารย์ของพวกเรานี้อุปชาของพวกเรานี้ศาสดาของพวกเราวันไอความรักของเขาที่เขามีต่อศาสดาของเขาอ่ะเป็นความรักที่อาศัยเรือนเป็นความผูกพันกันส่วนตัวทางลัที่เท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เป็นความพักดีกันที่มัน่นคงจริงอยู่เขาจะเทิดทูนอุทิศชีวิตให้ผู้ใดผู้หนึ่ง ในลทัทธิของเขาแต่ก็ไม่ได้แป ล, ว, ล, ปแปลว่าจะต้องตลอดไปใช่ไหมไม่ได้แปลว่าจะต้องตลอดไปขณะเดียวกันเ็าบอกว่าความเลื่อมใสในธรรมเขาก็เลื่อมใสในลทัทธิของเขาของเขาบอกทำให้ศีลบริบูรณ์เขาก็ทำเนี่ยศีลแพะศีลโคศีลแกะศีลสุนสัข น, น, นะปฏิบัติตามลทัทธิของเขาจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์และพวกเขากันเองก็ร่า ก, กันสมัครสมานสามัคคีกัน อะไรหนอะเป็นความแตกต่างกันอะไรหนอะเป็นความประสงเป็นความมุ่งมา่ปรารถนาของแต่ละกันเพราะฉะนั้นพวกเดรธีนี่เขาคิดว่ามันไม่ต่างกันเลยอันนถ้าเอาโสตาปฏิยังฆธรรมสี่ประการของเราไปวัดกับรัฐที่หลักการของเขามันต่างกันตรงไหนเรียกว่าพูดเหมือนเหมือนกันเลยนะไม่ต่างอะไรเหมือนทองคาหักตรงกลางของท่านกับของเรามันต่างกันตรงไหนพระพุทธเจ้าก็ สอนให้แก้ในหน้าสามปันทัศที่ห้ากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกบริพาโชคัญญะเดรธีผู้มีวาทะอย่างนี้อันพวกเธอเพึงกล่าวตอบอย่างนี้ว่าโต้ต่ อ, ตอไปเลยว่าผู้มีอายุความสําเร็จเนี่ยมันมีอย่างเดียวหรือมากอย่างเอาเอาจุดมุ่งหมายเนี่ยนะจุดมุ่งหมายปลายทางเนี่ยนะธงชัยความสําเร็จเนี่ยมันเยอะหรือมันแตกต่างอา่ะมันมากอย่างหรือมันแค่อย่างเดียว ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกปริภาชกัญญะเดียรถีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าความสําเร็จมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้มีมากอย่างเพราะฉะนั้นที่สุดมันต้องคือสิ่งเดียวกันเป้าหมายอะสุดยอดนะเหมือนกับว่ายอดอะยอดมันต้องคือที่เดียวกันสิอันนะัถ้าจะพูดถูกต้องมันก็ต้องยอดไม่ต่างกันทีนี้ตาถามว่าเอาบอกทุกคนทุกอย่างมันอยู่มันมีความสําเร็จใช่ไหม เอาความสำเร็จมาเป็นเครื่องวัดของเขาก็มีความสำเร็จของเราก็มีความสำเร็จศาสนาอื่นและที่อื่นเขาก็มีความสำเร็จของเราก็มีความสำเร็จทุกสรุปว่าความสำเร็จมีอย่างเดียวหรือมากอย่างก็บอกว่าถ้าพูดให้ตรงมันก็ต้องความสำเร็จคืออย่างเดียวกันสิพวกเธอก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุก็ความสาเร็จนั้นเป็นของคนที่มีราคะหรือผู้ปราศจากราคะ อ่ะนะทุกอย่างบอกว่าอยู่ที่ความสำเร็จใช่ไหมความสำเร็จมาตรวจกันดูว่าความสําเร็จของท่านมีราคาหรือว่ายังมีราคะหมดราคาหรือราคาอย่างเหลือดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริภาโชคัญญาเดรธีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากราคะม่ใช่ผู้ที่ยังมีราคะมันความสําเร็จต้องเป็นอย่างนั้นคือต้องคนที่หมดราคาจึงจะเป็น ความสำเร็จที่แท้จริงอันนี้เป็นวิธีซักฟอกอย่างที่หนึ่งก่อนความสำเร็จนี้ยังมีราคาหรือไม่มีราคาถ้าให้ถูกก็ต้องปราศจากราคาอย่างที่สองพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้มีโทสะหรือปราศจากโทสะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพวกปริพาชคัญญาเดรธีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่า ความสําเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากโทสะไม่ใช่ของผู้มีโทสะพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้อีกว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้มีโมหะหรือปราศจากโมหะดูความพิสูจนทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญาเดรธีเมื่อจะพยากรณ์โดยชอบพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากโมหะไม่ใช่ของผู้มีโมหะ พวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้อีกว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้มีตันหาหรือของผู้ปราศจากตันหาดูความที่สูงทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญะเดรธีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากตันหาไม่ใช่ของผู้มีตันหาพวกเธอเพึงกล่าวอย่างนี้อีกว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้มีอุปาทาน หรือไม่มีอุปท า, านดับอุปท า, านหมดแล้วดูก่อนพิสูนทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญาเดรธีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ไม่มีอุปาทานไม่ใช่ของผู้มีอุปท า, านพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้รู้แจ้งหรือของผู้ไม่รู้แจ้งดูก่อนพิสูนทั้งหลาย พวกปริภาชกอัญญาเดียรทีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้รู้แจ้งไม่ใช่ของผู้ไม่รู้แจ้งคือคนโง่หรือคนรู้กันแน่คนมีความรู้รว่าไม่รู้เนี่ยเป็นความสำเร็จบอกต้องคนรู้แจ้งสิพวกเธอก็กล่าวต่อไปอีกว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ยินระยังยินดียินร้ายหรือไม่ยินดียินร้าย ยินดีด้วยราคายินร้ายด้วยโทสะหรือว่าดับราคาโทสะได้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกปริภาชกอัญญาเดรธีเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้ไม่ยินดียินร้ายมิใช่ของผู้ยินดียินร้ายพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้อีกว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้ยินดีในวัตตะหรือว่ามีความเนื่นช้าเป็นที่มายินดี คือยินดีในตันหามานะทิฏฐิหรือดับตันหามานะทิฐิเรียกว่าไม่เพลิดเพลิน ด, ด้วยตันหามานะทิฐิเนี่ยเป็นที่มายินดีเรียกว่าเป็นผู้มีความเนื่นช้าเป็นที่มายินดีหรือของผู้ยินดีในความไม่เนื่นช้าคือพระนิพพานเนี่ยนะดูกรพิสูจน์ทางหลายพวกปริภาโชคัญญาเดรธีเมื่อจะพยากรณ์โดยชอบพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าความสําเร็จนั้นเป็นของผู้ ยินดีในความไม่เนิ่นช้ามีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีไม่ใช่ของผู้ยินดีในความเนิ่นช้ามีความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีเรียกว่าเป็นคำถามที่เข้าทางเลยมันเอามาคุยกันบอกว่าอ้าเมื่อท่านกับเราไม่ต่างกันนะท่านมาบอกว่าท่านกับเราไม่ต่างกันท่านบอกว่าท่านก็เลื่อมใสในศาสดาเราก็เลื่อมใสในศาสดาท่านเลื่อมใสในธรรมเราก็เลื่อมใสในธรรม ท่านก็ทําให้บริบูรณ์ในศีลเราก็ทําให้บริบูรณ์ในศีลท่านเลื่อมท่านเนี่ยสมัครสมานสามัคคีกันเราก็สมัครสมาน ส, ส, ส, สามัคคีกันของเรากับของท่านมันต่างกันอย่างไรอันนี้เป็นคําของเดรัจฐีที่เขามาซักมาฟอกกันเนี่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ให้ถามมาเอางี้แล้วกันความสําเร็จเนี่ยนะเอาความจริงและความจริงคือความสําเร็จเนี่ยควรมีมากอย่างหรือมีอย่างเดียว ที่สุดเนี่ยนะสุดยอดเลยเนี่ยมีมากแตกแขนงไปเยอะแยะใ ช, ใช่ไหมหรือว่ามันมีจุดศูนย์รวมยอดคืออันเดียวอนนะถ้าจะตอบอย่างถูกต้องไม่ตอบพาเรื่องเลยนะก็บอกว่าจุดสุ ด, สดยอดเป้าหมายก็มีอย่างเดียวอยู่เท่านั้นแหละเอางั้นแล้วเมื่อความสำเร็จสุดยอดเป้าหมายมีอย่างเดียวสรุปว่าเป้าหมายสุดยอดสูงสุดความต้องการอันนั้นเนี่ยเป็นของมีผู้มีราคาหรือปาศจากราคา มีโทสะหรือปราศจากโมหะมีตัณหาหรือว่าปราศจากตัณหามีอุปาทานหรือไม่มีอุปาทานคนรู้แจ้งหรือคนโง่เขลายังยินดียินร้ายหรือไม่ยินดียินร้ายยังยินดีในวัตตะหรือไม่ยินดีในวตตะ <c oughs> คือเรียกว่าบทสรุปะนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นการเหมือนกับว่าซักซักฟอกเป็นวัดในการสอบถามว่าดูเหมือนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน เรียกว่าวิธีสํารวจดูว่าอะไรเป็นของจริงของแท้ของเขาเนี่ยนะลัทธิอื่นข้อปฏิบัติอื่นที่บอกว่ามีเป้าหมายมีความสําเร็จหนึ่งมีราคาไหมสองมีโทสะไหมสามมีโมหะไหมสี่มีตัณหาไหมห้ามีอุปาทานไหมหกรู้แจ้งไหมเจ็ดยินดียินร้ายไหมแปดยินดีในวัตฏะไหมเพลิดเพลินในวัตฏะไหมถ้า มีราคะมีโทสะมีโมหะมีตัณหามีอุปาทานไม่รู้แจ้งยินดียินร้ายเพลิดเพลินในวัตฏะอันนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ความสำเร็จที่ปรารถนาไม่ใช่ความสำเร็จที่พึงประสงคแน่นอนอ่ะแล้วความสำเร็จที่น่าปรารถนาพึงประสงอะความสำเร็จอันนั้นจะต้องปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจาก โมหะปราศจากตัณหาไม่มีอุปาทานเป็นของผู้รู้แจ้งไม่ยินดียินร้ายด้วยโลภะโทสะและไม่เนิ่นช้าด้วยอำนาจตัณหามาณนะทิฏฐิในวตัตต์อันนี้คือความสำเร็จนะนี่คือความแตกต่างกันว่าระหว่างของเดียรถีกับของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรที่นี่สำหรับลัทธิเดีรถีเนี่ยนะลัทธิเดียรถีเนี่ย มันก็มีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุที่เขาเนี่ยนะที่ลัทธิเดียรทีทั้งหลายลัทธิราวเอืรเนี่ยนะที่ยังไม่ปราศจากราคา่ายังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะยังมีอุปาทานอ่ยังมีตัณหาอุปาทานยังไม่รู้แจ้งยังยินดียินร้ายยังมีความเนื่อนช้าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีทิฏฐิพรองก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ทิฏฐิสองอย่างเหล่านี้คือภวะทิฏฐิและวิภวะทิฏฐิภวะทิฏฐิก็คือสัตตทิฏฐิวิภวะทิฏฐิก็คืออุเฉททิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้แอบอิงภวะทิฏฐิคือสัตตทิฏฐิเข้าถึงสัตตทิฏฐิยังลงสู่สัตตทิฏฐิ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายปฏิเสธต่อวิภวะทิฏฐิคืออุเฉททิฏฐิถ้าชอบสัตตะก็ต้องเกลียดอุดเฉดดูกราพิสูทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้แอบอิงวิภวะทิฏฐิคือเข้าถึงอุเฉททิฏฐิยังลงสู่อุเฉททิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ยินร้ายต่อภวะทิฏฐิถ้าแม้ศูน เชื่อทิฏิอุเฉท ท, ทิฏฐิอย่างอย่างเดียวโดยส่วนเดียวก็ต้องปฏิเสธสัสตทิฏฐิก็เถียงกันในคดีใช่ไหมก็เป็นข้าศึกกันก็เป็นศัตรูกันชั้นว่าเที่ยงก็คือสองคนมาถามมาตาแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกไอคนที่บอกว่าตายแล้วเกิดอีกมันก็ไม่ชอบไอคนที่ว่าตายแล้วศูนตายแล้วหมดแล้วเหลือแต่ขี้เท่าไอคนที่เชื่อว่าตายแล้ววิญญาณหลุดออกจากร่างไปลอยไปตามที่ต่างๆ มันก็เที่ยงไอคนที่ว่าตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นก็ได้อะไรมาก็ได้ยินร้ายได้การทะเลาะเบาะแวงกันเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ทั่วถึงเหตุเกิดคือสมุทัยความดับอัดถังคมะอัดสาธะคือความน่าเพลิดเพลินยินดีของทิฏฐิโทษอาทีนวะของมิจฉาทิฏฐินิสระนะการถ่ายถอนทิฏฐิทั้งสอง คือภวะทิฏฐิวิภวะทิฏฐิหรืออุเฉต ท, ทิฏฐิสัสตตทิฏฐิเหล่านี้ตามความเป็นจริงถ้าหากว่าไม่รู้เหตุเกิดทิฏฐิความดับทิฏฐิอั ส, สาธาของทิฏฐิอาทีนวะของทิฏฐินิสรณะของทิฏฐิทั้งสองทั้งอุเฉตและสัสตตตามเป็นจริงสมณพราหมณ์เหล่านั้นแน่นอนยังต้องมีราคะแน่มีโทสะแน่มีโมหะแน่มีตัณหาแน่มีอุปาทานแน่นอน ไม่ใช่รู้แจ้งยังยินดียินร้ายยังยินดีในความเนื่นช้ามีความเนื่นช้าเป็นที่มายินดีพวกเขาไม่หลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานตและอุปาญาตเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากทุกคือไม่หลุดพ้นไปจากวัตถุทุกเพรา ะ, ะไรเพราะไม่รอบรู้ในเรื่องทิฏฐิอะไรคือเหตุให้เกิดทิฏฐิอะไรคือความดับทิฏฐิอะไรคืออัศทะของทิฏฐิ อะไรคืออันทีนวะของทิฏฐิเครียกว่าไม่สามารถเอาทิฏฐิอย่างลงสู่อริยสัจได้ถ้าไม่ตรัสรู้ทิฏฐิตามหลักอริยสัจเนี่ยนะแสดงว่ามีราคะมีโทสะมีโมหะมีตัณหาอุปาทานไม่รู้แจ้งแน่นอนยังยินดียินร้ายด้วยโลภะโทสะยินดีเพลิดเพลินในวัฏฏะแน่นอนไม่พ้นจากชาติชารามรณโะโศกปริทเทวทุกโทมนัสและอุปาญาจะพ้นไปจากทุกข์ได้อย่างไร ตรงกันข้ามสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ทั่วถึงความเกิดอันเหตุให้เกิดทิฐิความดับทิฐิอัศทาะของทิฐิอาทีนวะของทิฐิและนิสระการถ่ายถอนทิฐิทั้งสองเหล่านี้ตามความเป็นจริงเรียกว่ายัางลงทิฐิโดยอริยสัจเนี่ยนะสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะ เป็นผู้ปราศจากตันหาอุปาทานเป็นผู้รู้แจ้งไม่ยินดีและยินร้ายมีความยินดีในความไม่เนื่นช้าแปลว่ายินดีในนิพพานไม่มีความเนื่นช้าเป็นที่มายินดีผู้ที่รู้แจ้งเช่นนี้แหละย่อมหลุดพน้นจากชาติชารามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทโมาัตและอุปาญาตเรากล่าวว่าหลุดพน้นไปจากทุกนะเพราะฉะนั้นก็รู้นะสาระก็อยู่ตรงนี้ว่าใครรู้อะไรอนะันห้าคานะ สมุทัยอัถังคมะอัฏฐาท า, าธีนวะนิสรณะของทิฐิผู้ใดไม่รู้ผู้นั้นไม่พ้นทุกข์ผู้ใดรู้เหตุเกิดสมุทัยรู้ความดับอัฏังคมะรู้อัฏฐ า, าอาทีนวะนิสรณะผู้นั้นพ้นทุกข์ว่างั้นนี่คือความต่างอธิบายเนี่ยนะอธิบายว่า ในหน้ายี่สิบห้าบอกว่าสมุทยันจะเหตุหรือแดนเกิดของทิฏฐิทั้งหลายแดนเกิดหรือเหตุเกิดของทิฐิมีสองอย่างคือคณิกะสมุทัยและปัจจยสมุทยัยส่วนนิพพติลักษณะที่เกิดขึ้นของมิจฉาทิฐิเรียกว่าคณิกะสมุทยัยคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นขณะที่มิจฉาทิฐิเกิดขึ้นเรียกว่าคณิกะทิฐิ ส่วนอัถานาานิฐานะแปดประการฐานะแปดอย่างที่เป็นปัจจัยให้ทิฐิเกิดเรียกว่าปัจจยสมุทัยตรงนั้นเขาแปลผิดอนะนีอัถฐานิฐานะแปดอย่างชื่อว่าปัจจยสมุทัยแปดอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งขันก็เป็นปัจจัยให้เกิดทิฐิฐานะเคล้วเหตุ ฐานะแห่งทิฏฐิหนึ่งขันสองอวิชชาสามผัสสะสี่สัญญาห้าวิตกหกอโยนิโสมนสิการเจ็ดป่าปมมิตรแปดประโตโคสะเสียงก้องจัดจากฝ่ายอื่นนี้เรียกว่าเหตุของมิจฉาทิธฐิสาเหตุของมิจฉาทิฐิมีอยู่แปดประการด้วยกันข้อแรกก็บอกว่าขันทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมิจฉาทิฐิหรือเป็นเหตุให้เกิด มิจฉาทิฏฐิเพราะอะไรเช่นบุคคลเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเห็นอัตตาในรูปเห็นรูปในอัตตาเห็นอัตตาว่ามีรูปอันนี้แหละเรียกว่าขันห้านั้นจึงเป็นทิฏฐิฐานะคือเป็นเหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายข้อแรกก่อนนะขันขันก็เป็นปัจจัยของมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมก็อสองอวิชชา อวิชาก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญของมิจฉาทิฐิผัสสะก็เป็นปัจจัยที่สาคัญของมิจฉาทิฐิสัญญาก็เป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิวิตกก็เป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฐิอโยนิโสมนสิการก็เป็นเหตุของมิจฉาทิฏฐิปะพมิตรก็เป็นเหตุของมิจฉาทิฏฐิปะโตโคสะก็เป็นปัจจัยแห่งมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย วัตถเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐินั้นจึงมีแปดประการเนี่ยนะการเกิดขึ้นของมิจฉาทิฐิเนี่ยมีสองอย่างคือหนึ่งคณิกะสมุทัยเหตุให้เกิดคือสภาวะของเขาเกิดโดยอาศัยวัตถุและอารมณ์เนี่ยนะอาศัยวัตถุและอารมณ์เนี่ยมิจฉาทิฐิก็เกิดขึ้นแต่ถ้าโดยปัจจัยปัจจัยฐานะเนี่ยนะหรือปัจจัยสมุทัยเนี่ยปัจจัยที่ทําให้เกิดมิจฉาทิฐิมีอยู่ แปดประการผู้ที่ไม่รู้เหตุให้เกิดทิฐิอันนี้เนี่ยนะไม่รู้ว่าความเกิดของทิฐิเป็นอย่างไรปัจจัยเหล่าใดเป็นเหตุให้เกิดทิฐิฐานะเหล่าใดเป็นเหตุให้เกิดทิฐิอันนี้เป็นความโงูกเข่าข้อที่หนึ่งที่เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะหมดจากราคะโทสะและโมหะกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองไม่รู้อัฏฐานคมะความตั้งอยู่ไม่ได้หรือความดับไปอัสดงโคตของทิฐิ ความอัสดงคดความดับไปของทิฏฐิมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งคณิขัดถังคมะอันนี้ก็หมายคขาว่าขยะวิปริณามะวยะเพทะปริเพทะอันนี้จะตาก็คือความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความสลายความไม่เที่ยงความอันตรธานหายไปอันนี้ชื่อว่าคณิกัดถังคมะก็คือความแตกดับธรรมดานั่นแหละเช่นถ้าไม่มีมนุษยการไม่มีอะไรทั่วไปมิจฉาทิฏฐิก็ ไม่เกิดทิฐิเกิดจากผัสสะถ้าไม่มีผัสสะทิฐิก็ไม่เกิดนั้นทิฐิก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเปรปรวนไปเป็นของที่ไม่เที่ยงอันตรธานไปธรรมดาเพราะว่าสภาวะมันเองก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงส่วนถ้าจะดับทิฐิอย่างถาวลดับแน่นอนเลยคือโสดาปฏิมักที่ทําให้แจ้งพระนิพพานที่ทําพระนิพพานให้แจ้งโสดาปฏิมักอันนั้นแหละที่ถอน หรือทำลายมิจฉาทิฐิได้อย่างเด็ดขาดเหตุให้เกิดทิฐิมีอะไรบ้างนะมีแปดอย่างทิฐิเหตุเหตุเกิดคือหนึ่งขันสองอวิชชาสามผัสสะสี่สัญญาห้าวิตกหกอโยนิโสเจ็ดปาประมิฏแปด 8. ประโตโอโะดับทิฐิดับด้วยอะไรดับด้วยโสดาปฏิมักถ้าโสดาปฏิมักไม่เกิดนะอย่าคิดนะว่าจะสิ้นเชื้อของทิฐิเนี่ยนะพ่านขันห้าในภูมิสาม ชื่อว่ายังเป็นดินแดนของมิจฉาทิฐิอยู่ถ้ายังเจริญโสดาปฏิมักทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ได้อันนี้ถ้าหากว่าไม่รู้เหตุเกิดของทิฐิคือแปดประการความดับของทิฐิคือโสดาปฏิมักถ้าไม่รู้แบบนี้เนี่ยละราคาโทสะโมหะเป็นต้นได้ไหมบอกเป็นไปไม่ได้หรอกทีนี้ต่อไปอัาธาของทิฐิ อสาทาของทิฏฐิก็คืออะไรอนิสง์กําไรที่เกิดจากการมีมิจฉาทิฏฐิและสั่งสอนมิจฉาทิฏฐิได้อานิสง์กําไรที่เกิดจากการสั่งสอนมิจฉาทิฏฐิแบ่งออกเป็นสองอย่างคือในปัจจุบันและสัมปรายภพในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรสมมุท tha ศาสดาใดมีทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดสาวกทั้งหลายก็จะมีทิฏฐิอย่างนั้น เพราะคนเจ้าลทัทธินี่มันเก่งพอสมควรนะพูดหวานล้อมให้คนเชื่อได้เมื่อเจ้าลทัทธิทิฏฐิเจ้าลทัทธิเชื่ออย่างใดก็พูดให้คนอื่นเชื่อตามได้ทีนี้ไอคนที่เชื่อทั้งหลายคือพวกสาวกก็สักการะเคารพนับถือบูชาศาสดาศาสดาก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยจีวณ ศาสดาก็ได้ปัจใจสี่บริบูรณ์ด้วยจีวอนบินทบาทเสนาสนาักิีฬานะปัจจัยเพศศาสตร์บริหารอันนี้เป็นอ น, นิสง์ผลกําไรในปัจจุบันของมิจฉาทิฐิเพราะเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยคนเชื่อคนเลื่อมใสพวกที่เลื่อมใสก็กลายมาเป็นสาวกเมื่อเป็นสาวกก็บํารุงบําเรอด้วยปัจจัยทั้งหลายเรียกว่าสรรหาเอามาปลนปลือเนี่ยนะ เสร็จแล้วอันนี้คือผลในปัจจุบันบรรท่าประกาศรับที่นาเสนอรับที่ใดรับที่หนึ่งได้ก็มีลาบสการะสรรเสริญชื่อเสียงบริบูรณ์ไปด้วยปัจจัยสี่ทั้งหลายอันนี้ในปัจจุบันชาติหน้าละ่ะกําไรชาตินี้ปัจจัยสี่ร่ำรวยมหาศาลชาติหน้าคติสองของมิจฉาทิฐิคือนรกกับเดรชาณ น, นนี้กําไรในชาติหน้าไม่ค่อยสวยใช่แต่กําไรชาตินี้อาจจะดูดีแต่ว่าชาติหน้าคติสองของทิฐิคือ นรกกับเดรฉ า, านเดี๋ยวในมัชฌิมนิกายสูตรข้างหน้าต่อไปนูน่นจะมีสูตรว่าทิฏฐิสองที่บริบูรณ์คติสองคือนรกกับเดรฉ า, านเนี่ยนะนี้ต่อไปแล้วโทษของมิจฉาทิฏฐิละ่ะโทษของมิจฉาทิฏฐิในปัจจุบันลทัทธิทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนกันซะส่วนใหญ่ลทัทธิมิจฉาทิฏฐิถ้าปฏิบัติแล้วเครียดยิ่งทําตามมากยิ่งทุกข์มาก ถ้าไม่ทําสบายมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะพิธีสังเกตดูมิจฉาทิฐิถ้าทําตามแล้วเดือดร้อนถ้าไม่ทําตามแล้วสบายถ้าทําตามแล้วทุกถ้าไม่ทําตามนั้นมีความสุขที่เป็นอย่างนี้อเพราะอะเพราะาศาสดราไม่ใช่สัพพันญูคําสอนไม่ใช่นิยานิกระทำคาสอนไม่ใช่ธรรมที่นําออกจากทุกเมื่อคําสอนไม่ใช่คําสอนที่นําออกจากทุก ผู้ปฏิบัติตามก็เดือดร้อนผู้ที่ปฏิบัติตามก็ทุกข์ร้อนอย่างแ น, น่นอนเนี่ยนะในส่วนโทษของมิจฉาทิฐิก็อย่างว่าโทษในปัจจุบันก็คือปฏิบัติเดือดร้อนละโทษในอนาคตละก็อบายไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเห็นสัตว์ในอบายทั้งหลายก็ไม่ต้องแปลกใจล้อผลผลิตผลพวงของมิจฉาทิฐินั่นแหละแล้วนิสระการถ่ายทอนมิจฉาทิฐิคืออะไร ถ้าจะถ่ายถอนอนรากถอนโคนของมิจฉาทิฐิเลยถอนได้อย่างไรบอกว่าพระนิพพานชื่อว่าธรรมะที่สลัดออกซึ่งมิจฉาทิฐิทั้งหลายพันการเห็นอริยศาสตร์หรือการผ่าระยะบุคคลหรือพระโสดาบันเนี่ยนะละทิฐิละมิจฉาทิฐิพร้อมกับการเห็นพระนิพพานเห็นพระนิพพานก็สลัดนะถ่ายถอนมิจฉาทิตฐิได้อย่าง แน่นอนเพราะฉะนั้นนิสรณะคือนิพพานนั้นจึงเป็นธรรมที่สลัดออกเป็นธรรมที่ทายทอนมิจฉาทิฏฐิได้อย่างสิ้นเชิงฉะนั้นผู้ใดไม่รู้เหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ความดับว่าเหตุให้ดับมิจฉาทิฐิคือโสดาปฏิมักไม่รู้อัาธะของมิจฉาทิฏฐิว่าผลกําไรของมิจฉาทิฏฐิไม่รู้โทษของมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักพระนิพพานที่สลัดออกจาก มิจฉาทิฏฐิยะถาผูตังนับประช า, าติไม่รู้สมุทัยอัฏังคมาอาทินวะนิสรณะผู้นั้นไม่หลุดพ้นจากวัฏฏุกโดยประการทั้งปวงเมื่อไม่หลุดพ้นจากวัฏฏุกก็ไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตแลอุปายะตรงกันข้ามในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิเหตุเกิดทั้งโดยปัจัยและโดย คณิกะและโดยโดยปั จ, จัจเนี่ยนะปั จ, จัยทำให้เกิดทิฏฐิมีแปดประการความดับทิฏฐิดับด้วยโสดาปฏิมัติอัศสาทาของทิฏฐิก็คือลาบสการะโทษของมิจฉาทิฏฐิเดือดร้อนในปัจจุบันและชาติต่อไปพระนิพพานเป็นที่สลับถ่ายถอนออกจากมิจฉาทิฏฐิโดยประการทั้งปวงผู้ใดตรัสรู้ดังกล่าวแล้วเนี่ยนะตรัสรู้ทิฏฐิด้วย ปริญญารู้จักทิฏฐิเป็นอย่างดีรู้จักปัจจัยของมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างดีรู้จักธรรมะที่ถ่ายถอนนิธิรู้จักว่าทิฏฐิหน้าเพลิดเพลินแค่ไหนและก็พิษภัยทุกโทษของมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างไรรู้ทำเป็นที่ถ่ายถอนจากมิจฉาทิฏฐิได้โดยสิ้นเชิงเขาย่อมหลุดพ้นจาก ชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกโตมนัสและอุปายาตเขาพ้นจากทุกทั้งปวงได้นั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่รู้นะตรัสรู้มิจฉาทิฐิโดยประการทั้งปวงทีนี้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องทิฐิเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเธอเนี่ยรู้จักทิฐิจริงฉันไม่รู้จักทิฐิท่านรู้จักมิจฉาทิฏฐิข้าพเจ้าไม่รู้จัก คือใครกันแน่ที่รู้จักมิจฉาทิฏฐิทีนี้ก็มาแจกรายละเอียดเป็นทิฏฐิทิฏฐินั้นเป็นความยึดถือด้วยอุปาทานสี่ลักษณะของมิจฉาทิฏฐิยึดถืออยู่ด้วยอุปาทานสีในข้อหนึ่ง้ห้าสหน้าห้าศาสนาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือศาสนาที่ยังยึดถือด้วยอุปาทานสี่ประการ ดูความพิสูจทั้งหลายอุปาทานสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเป็นฉนิดคือหนึ่งกามูปาทานสองทิฏฐุปาทานสามศีลพัตุปาทานสี่อัตตวาทุปาทานกามูปาทานก็คือเพลิดเพลินในอุปาทานขันห้าทิฏฐุปาทานก็คือเข้าใจผิดในขันห้าศีลพัตุปาทานก็คือปฏิบัติผิดในขันห้าแล้วก็อัตตวาทุปาทานยึดถือขันห้าว่าเป็นอัตตาเป็นต้น ดูก่อนพิสูุนทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญาณลัทธิว่าตัวเองเนี่ยรอบรู้อุปาทานทุกอย่างอันนัมม้นะคีโมนะเรียกว่าขีโมโฆษณาตัวเองบอกรู้ทุกเรื่องแบบนั้นเถอะรอบรู้อุปาทานทุกอย่างแต่เขาไม่สามารถบัญญัติความรอบรู้อุปาทานได้โดยชอบคือเราเข้ารู้ได้เฉพาะการมุปาทานแต่ไม่รู้ทิฏฐปาทานศีพรพพตุปาทานและ อัตวาทุ ป, ปาทานราคาคุยเนี่ยเต็มที่เลยว่ารู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างแต่เอาเข้าจริงรู้การมุ ป, ปาทานทิตตุ ป, ปาทานสีระพตุ ป, ปาทานอัตวาทุ ป, ปาทานไม่รอบรู้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ทั่วถึงฐานะสามประการเหล่านี้ตามความเป็นจริงก็เนื่องจากว่าเขารู้แต่ข้อเรกพอรู้แต่ไม่ใช่รู้แบบรอบรู้จริงๆอะนะ รู้เป็นบางส่วนแต่อีกสามเรื่องไม่รู้เลยเพราะเขารู้อย่างเดียวนี่แหละเขาจึงเพราะเขาไม่รู้นี่แหละได้แต่ว่าได้แต่ประกาศคือเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยรบรู้อุปาทานทุกอย่างแต่ไม่สามารถบัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบสามารถบัญญัติได้เพียงกามุปาทานแต่บัญญัติที่ถูกปาทานศีละพัตุปาทานและอัตตวาทุปาทานไม่ได้ อันนี้สำมักพราหมณ์กลุ่มที่หนึ่งนะราคาคุยบอกรู้ทุกอย่างรู้อุปาทานทุกอย่างแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยได้อย่างเดียวใช่ไหมคล้ายๆกับผู้รับเหมาบางคนเนี่ยบางคนในบางเรื่องเป็นอย่างนั้นนะอุย้ยคุยกันเป็นมั่นเป็นมอู้เรียบร้อยไม่มีปัญหาสบายมากเอาเข้าจริงไม่ใช่หรอกที่มูที่โมเนี่ยนะราคาคุยไปยงั้นเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะลักที่เดียร์ีมันก็คล้ายๆกันนะั่นแหละ กลุ่มที่สองดูก่อนพิสูุน์ทางหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญาณรับที่ว่ารอบรู้อุปาทานทุกอย่างแต่ไม่สามารถบัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบบัญญัติได้สองอย่างคือบัญญัติเฉพาะความรอบรู้ในกามุปาทานและทิฏฐปาทานไม่สามารถจะบัญญัติศีลพัตุปาทานและอัตตวาภูปาทานได้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ทั่วถึงฐานะทั้งสองประการหลังคือเขาไม่รู้จริงในเรื่องศีลพุตธปาทานและอัตวาทุปาทานเพราะไม่รู้จริงก็ได้แต่ปฏิญาณว่ารู้ทุกอย่างแต่บัญญัติได้แค่สองอย่างอีกสองอย่างบัญญัติไม่ได้ส่วนกลุ่มที่สามดูความพิสูจทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญาณลัตที่ว่ารอบรู้อุปาทานทุกอย่างแต่ไม่สามารถบัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบ บัญญัติได้สามอย่างเท่านั้นคือกามุปาทานที่ฏุปาทานและสีระพตุปาทานแต่ไม่สามารถบัญญัติอัตวาทุปาทานได้ไม่รอบรู้เรื่องสกายะทิฐิยี่สิบเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเห็นอัตตามีรูปเห็นรูปในอัตตาเห็นอัตตาในรูปเนี่ยบัญญัติเข้าจริงๆไม่ได้บัญญัติสกายะทิฐิมีวัตถุยี่สิบที่เรียกว่าอัตวาทุปาทานไม่ได้ แจกแจงไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่วิสัยไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นเขาว่าเขารอบรู้ทุกอย่างเอาเข้าจริงรู้สามอย่างไม่รอบรู้อุปาทานสุดท้ายคืออัตวาผู้ปาทานทีนี้ศาสดาใดที่โมว่ารู้อุปาทานทุกอย่างแต่บัญญัติได้ไม่เกินสมอย่างดูความพิสูจน์ทั้งหลายความเลื่อมใสในศาสดาใดความเลื่อมใสนั้นเราไม่กล่าวว่าเป็นไปแล้วดูชอบ มันไม่ดีจริงนะศรัทธาในาศาสดาที่สอนได้แค่นั้นอะ่ะไม่ใช่ความเลื่อมใสที่แท้จริงความเลื่อมใสในธรรมใดความเลื่อมใสนั้นเราก็ไม่กล่าวว่าเป็นไปแล้วโดยชอบคือถูกต้องแสดงว่าเปลี่ยนใจวันหลังได้เพราะมันไม่มาตรฐานมันไม่สมบูรณ์แบบจริงมันความบริบูรณ์ในศีลใดข้อนั้นเราไม่กล่าวว่าเป็นไปโดยชอบ ความเป็นที่รักและเป็นที่น่าพอใจแห่งหมู่สหธรรมิกใดเราไม่กล่าวแล้วว่าเป็นไปโดยชอบแล้วไม่ถูกต้องเลื่อมใสในศาสดาก็ชั่วคราวเลื่อมใสในรัฐที่ก็ชั่วคราวทําให้บริบูรณ์ในศีลก็ชั่วคราวรักสมัครสมานกันดีก็ชั่วคราวเรียกว่าอะไรนะยังไม่มีลาบบางอย่างยังไม่มีอะไรบางอย่างให้ขัดแย้งกันแค่นั้นเองอะนะเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วไม่จะไม่มีการพักดีต่อการอย่าง แท้จริงอะไรข้อนั้นเพราะเหตุไรทำไมอ่ะทำไมจึงไม่เลื่อมใสในศาสดาอย่างแท้จริงตลอดการและตลอดไปทำไมไม่ปฏิบัติธรรมนั้นอ่ะตลอดไปทำไมไม่ทำให้ศีลในบริบูรณ์ตลอดไปทำไมไม่มีความสมัครสมานสามัคมคีคคในที่สุดจะต้องคะลาะเบาแวงกันทำไมดูก่อนพิสูจน์ทางลายก็เพราะธรรมวินัยนั้นอ่ะ เป็นธรรมวิัยที่ศาสดากล่าวไว้ชั่วแล้วประกาศไว้ชั่วแล้วมิใช่สภาพนำออกจากทุกไม่เป็นไปเพื่อความสงบมิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นศาสนาใดาของผู้ที่เป็นศาสดาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่พระตถาคตอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณนะ ธรรมวิไนนั้นน่ะชื่อว่ากล่าวไว้ชั่วเพราะไม่สามารถนําออกจากทุกได้จริงเมื่อนําออกจากทุกได้ไม่จริงน่ยนะศาสดาไม่รู้จริงคําสอนไม่ออกจากทุกจริงผู้ที่มาเลื่อมใสศ า, าสดานั้นก็เลื่อมใสได้ไม่นานและไม่แท้จริงปฏิบัติตามธรรมเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามไม่แท้จริงศีลเหล่านั้นก็รักษาชั่วคราวนนะแล้วก็ที่สําคัญสหธรรมนิก คือคือเพื่อนร่วมปฏิบัติก็เลื่อมใสกันพอใจกันชอบใจกันแค่ชั่วคราวเพราะในลทัทธิศาสนาเหล่านั้นจึงไม่สามารถนำออกจากทุกได้จริงเน่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่รอบรู้อุ ป, ปาทานทั้ง4ี่ประการไม่รอบรู้กามุ ป, ปาทานทิฏฐ ป, ปาทานสีพละพะตุต ป, ปาทานและอัตวาทุ ป, ปาทานอย่างแท้จริง ในเรื่องของลทัทธิทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะไม่มีเดรธีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สามารถบัญญัตลิลัทธิไม่สามารถบัญญัติอัตาวาทู ป, ปาทานได้ในหน้ายี่สิบเจ็ดนับขึ้นสามบรรทัดถ้าบอกว่าไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งสามารถจะบัญญัติความรอบรู้อัตาวาทูปปาทานได้ ก็เดียร์ธีผู้ได้สมาบัตแ8ถึงจะมีฤทธิ์มีเดชรูปคลันพระจันทร์พระอาทิตย์ได้ก็บัญญัติได้แค่3มอย่างคือการมูปารทานทิฏฐูปารทานศีลพรตูปาทานแต่บัญญัติอัตวาทูปาทานอย่างบริบูรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องตกอยู่ในวัดตะบ่อยๆเที่ยวไปในวัดตะบ่อยๆเดียร์ธีเหล่านั้นก็เหมือนกับกระต่ายเกลียดแผ่นดินเดียร์ธีเหล่านั้นก็เกลียดขันห้าแต่ว่าก็อาศัยอยู่กับ ขันห้าจมอยู่ในขันห้าเหมือนกระต่ายเกลียดแผ่นดินอันนั้นเขามีเรื่องเปรียบเทียบให้เข้าใจอย่างนี้บอกว่าแผ่นดินได้พูดกับกระต่ายบอกกระต่ายแน่กระต่ายกระต่ายก็บอกใครบอกแผ่นดินก็ตอบว่าข้าคือแผ่นดินตัวเจ้านะยืนเดินนั่งนอนทายอุจรภัสวะบนเราทําเด่นไม่รู้จักเราเหมือนกันทำไม่รู้จักเราทีนี้กระต่ายเนี่ยโกรธใช่ไหมแผ่นดินแผ่นดินนี่มาทวง เหมือนแ่บแผ่นดินมาทวงนี่บุญคุณเน่ยนะบอกว่าเจ้านะยืนเดินนั่งนอนบนขับพเจ้าไทายอุจรปัสสาวะเป็นต้นรถเราแล้วทําไมไม่รู้จักเรากระต่ายก็บอกว่าแหมไอที่เราเหยียบนะพื้นที่ที่เราเหยียบมันก็เหมือนกับปลายนิ้วมือจิ้มเข้าไปหน่อยเดียวเท้ากระต่ายไม่ได้ใหญ่เท่าขาช้างที่ไหนใช่ไหมมันก็เหยียบไปหน่อยเดียวน้ําปัสสาวะของเราที่ปล่อยออกมาเยี่ยวกว่านิดเดียวอุจจระหน่อยก็เม็ดตุ่มกาหน่อยเดียว ก็ดูพวกช้างพวกมาสิที่ที่มันเหยียบไปปัสสาวะของสัตว์เหล่านั้นมันก็ใหญ่เท่าหมอ้อนะนะเหมือนกับเต็มใส่หมอ้ออุจจาระก็เหมือนเท่ากระเช้าบ อ, บอกเบื่อแล้วละ่ะแผ่นดินเอ้ยเรากับท่านพอกันทีก็นั้นกระต่ายเกลียดแผ่นดินก็งั้นเรื่องกระต่ายเกลียดแผ่นดินก็เลยทําไงดีบอกโอ้ไม่เอาแล้วก็ครบไม่ได้แล้วแผ่นดินแม้แค่ยืนเดินนั่งนอนใช้แผ่นดินหน่อยเดียวอุจจาระประสะัสสาวะใสก็นิดเดียวทําเป็นมาทวงบุญคุณบอกพอกันดีท่านกับเราว่างั้นหนีดีกว่า จากนั้นก็หนีไปอยู่ที่อื่นแผ่นดินก็บอกกระตายโอยถึงเจ้าจะไปไกลเจ้าก็ไปพ้นดินรกั้นกระตายก็เกลียดนะักเข้าอีกเขาต้อจะยิ่งเกลียดทำไง ก, ก็โดดไปที่อื่นกะโดดอยู่อย่างนี้แม้ตั้งพันปีก็พ้นแผ่นดินไม่ได้อนะกระโดดไปอยู่ที่ไหนมันก็วิสัยกระตายนะก็กระตายอะ่ะก็ให้เกลียดดินให้ตายมันหนีดินไม่พ้นกระตาย ฉันใดเดียร์ีทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้นนั่นแลบัญญัติอุปาทานได้ทุกอย่างแต่ก็เอาเข้าจริงได้แค่สามอย่างกามุปาทานด้วยด้วยฌานที่ถุปาทานด้วยกรรมสกตาศีลพัตุปาทานด้วยรู้จักการเจริญสมถะ ท, ทั้งหลายแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถนำออกจากทุกได้จริงและขณะเดียวกันไม่สามารถบัญญัติอัตวาทุปาทาน เพราะฉะนั้นจึงไม่พ้นจากการเห็นรูปโดยความเป็นตนไม่สามารถเห็นตนว่าเป็นรูปเป็นตนเนี่ยไม่สามารถยึดปล่อยจากการยึดถือขันห่าว่าเป็นอัตตาได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่สามารถบัญญัติรอบรู้อัตวาทุ ป, ปาทานด้วยโซดาปฏิมักนั่นแหละก็เลยตกอยู่ในวัตะบ่อยๆเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าเลระธีไม่สามารถก้าวล่วงอุปาทานได้ ไม่สามารถการล่วงอุปาทานได้วันถ้าหากว่าพ้นอุปาทานไม่ได้ก็พ้นขันห้าไม่ได้เมื่อพ้นขันห้าไม่ได้ความเลื่อมใสในเจ้าลัทธิทิฐิอันนั้นก็เรียกว่าไม่ใช่ความเลื่อมใสยอย่างแท้แน่นอนเพราะทั้งคู่ทั้งอาจารย์คือศาสดาทั้งลูกศิษย์ก็ไม่ได้พ้นไปจากวัตตะทั้งศาสดาและลูกศิษย์ก็ยังอยู่ในวัตตะ เพราะฉะนั้นความเลื่อมใสในศาสดาใดศาสความเลื่อมใสนั้นไม่ถูกต้องเพราะอะไรในหน้ายี่สิบแปดสามบรรทัดขึ้นบอกว่าศาสดาในศาสนาเจ้าลัทธิทั้งหลายที่อยู่ในศาสนาที่สอนแล้วออกจากทุก์ไม่ได้ถ้าศาสดาตายโอศาสดาตายไปเกิดเป็นเสือว่างเอาก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้มันจะบรรลุมรรคผลได้ยังไงเพราะเมื่อบรรลุมรรคผลไม่ได้ก็พ้นจากเดรัจฉ า, านไม่ได้เช่น ศาสดาไปเกิดเป็นเสือเป็นสีหเสือโคร่งเสือเหลืองเกิดเป็นหมีเป็นเสือดาวถ้าสาวกไปเกิดเป็นเนื้อราชสีหจะสงสารเนื้อไหมศาสดาเกิดเป็นเสือโคร่งสาวกเกิดเป็นสุกรศาสดาเป็นเสือเหลืองสาวกเป็นกระต่ายจะมีเมตตาต่อกันบ้างไหมศาสดาจะเมตตาต่อสาวกบ้างไหม เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความอดทนจะไม่มีความหวังดีปรารถนาดีมีเมตตาและกรุณาว่าสัตว์เหล่านี้เคยเป็นอุปถักตเราเอ้ยพวกนี้ลูกศิษย์เราทั้งนั้นแหละอดีตชาติเคยบำรุงเราด้วยปัจจัยซีเหมือนั้นเนื่องจากว่าศาสนานั้นเจ้าลัทธิศาสดานั้นไม่สามารถแนะนําคําสอนออกจากทุกได้เพอศาสดาไปเกิดเป็นเสือก็ขาดเมตตาเคี้ยวกินเนื้อ ท, ทั้งทั้งที่เคยเป็น อุปถากว่า ง, งั้นเธอเคยเป็นลูกศิษย์เคยเป็นสาวกก็ขาดความเมตตาก็เคี้ยวกินหรือศาสดาเกิดเป็นแมวสาวกเกิดเป็นไก่หรือเป็นหนูแมวก็ไม่เคยสงสารว่านี้เป็นสาวกเราเคยเป็นลูกศิษย์เราไม่ถ้าศาสดาเป็นนายนิริยาบาลสัตว์ลูกศิษย์สาวกเป็นสัตว์นรกนายนิรยาบาลก็จะไม่มีกรุณาว่าเออเนี่ยพวกนี้เคยให้ปัจจัยเราโดยที่แท้ลงโทษโดยประการต่างๆเช่น ใสยรถนะขนไปไว้ในที่ร้อนจัดให้ขึ้นภูเขาจับศีรษะโยนไปในหม้อโลหะรำทุกขธรรมต่างๆพราะฉะนั้นถ้าเลื่อมใสในศาสดาที่ในที่สุดเขาเกิดเป็นเสือเราเกิดเป็นเนื้อล่ะเขาจะสงสารเราบ้างไหมเพราะศาสดานั้นไม่ดีจริงเพราะศาสดานั้นยังไม่พ้นไปจากวัตทุกข์เมื่อศาสดา ย, ยังไม่พ้นจากวัตทุกข์พบกันที่ไหน ก็พบกันที่อาบายเมื่อพบกันที่อาบายต่างฝ่ายต่างสงสารกันบ้างไหมบอกไม่ก็แปลว่าทีใครก็ทีใครอ่ะนะแม้แต่ลูกศิษย์ก็เหมือนกันฝ่ายลูกศิษย์ทั้งหลายถ้าลูกศิษย์ไปเกิดเป็นเสือเสือโคร่งเสือเหลืองเป็นหมีเสือดาวเกิดเป็นแมวเกิดเป็นหนูเกิดเป็น น, น, นายนริยาบาลศาสดาเนี่ยนะไปเกิดเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นอะไรเข้าเนี่ยนะลูกศิษย์จะสงสารบ้างไหม พันสิทธิ์ก็ไม่สงสารศาสดาศาสดาก็ไม่สงสารสิทธิลัธิเหล่าใดที่ไม่เป็นไปเพื่อพ้นจากอบายทุคติวินิบาต์ลทัทธิเหล่านั้นไม่ดีจริงที่ไม่ดีจริงเพราะในที่สุดกัดกันเองในที่สุดกัดกันเองเรียกว่ายังหวังดีปรารถนาดียังอยู่เป็นผู้เป็นพักเป็นพวกอยู่ร่วมกันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่เป็นไปตลอดไปเมื่อไม่เป็นไปตลอดไปเจอกันที่ไหน ันถ้าเจอกันก็จะไม่มีเมตตาต่อกันชั้นเป็นศาสดาเธอเป็นสาวกเธอเป็นสาวกชั้นเป็นศาสดาก็จะไม่มีเมตตาต่อกันเมื่อไม่มีเมตตาต่อกันก็จะทําความพิราธให้แก่กันและการเพราะนั้นถามว่าทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วทั้งศาสดาและสาวกสาวกที่เลื่อมใสาศาสดานั้นน่ะในศาสนาที่ไม่นําออกจากทุกอย่างนั้นจึงไม่ใช่เป็นความเลื่อมใสที่ถูกต้องเพราะอะไร เพราะเมื่อตายไปแล้วจะพินาศในภายหลังไม่ดีจริงนะนะไม่ดีจริงจากสูตรนี้เนี่ยนะทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราเลื่อมใสปฏิบัติอยู่เนี่ยจริงแท้ขนาดไหนถ้าเจอกันวันหลังเนี่ยจะมีเมตตาต่อกันไหมหรืออยู่ในฝ่ายตรงกันข้ามนะการนับถือพระพุทธเจ้าจึงดีที่สุดด้วยประการชนีดเพราะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบเนี่ยนะ ส่วนความเลื่อมใสอย่างลทัทธิอื่นๆก็เลื่อมใสไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะขนาดพระาศาสดาเจ้าลทัทธิยังไม่ดีจริงแล้วพระธรรมและสาวกเป็นต้นของาศาสดาเหล่านั้นจะดีจริงได้อย่างไรแม้กระทั่งในสาวกต่อสาวกด้วยกันเนี่ยนะก็ตอนแรกอาจจะอาจจะหวังดีต่อการมีเมตตาต่อการตารตาบเท่าที่ยังแบ่งลาบ น, นะอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายเมื่อขัดกันด้วยลาบสาการะเป็นต้นในที่สุดก็ ไม่ได้มีเมตตาต่อกันเข้าจริงๆเลยเพราะฉะนั้นการเลื่อมใสในศาสดาที่ไม่ใช่สัพพันยูศาสนาที่ไม่นำออกจากทุกหมู่สาวกที่ไม่ดีจริงเพราะปฏิบัติไม่ได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นการเลื่อมใสเหล่านั้นจึงไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบทีนี้ตรงกันข้ามทาของพระพุทธเจ้าล่ะในหน้าเจ็ด ข้อหนึ่อห้าิบเพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแลผู้ดเดียวเท่านั้นนะนะที่เป็นผู้มีวาทะรอบรู้อุปาทานทุกอย่างปฏิญาณอยู่ย่อมบัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้การมุปาทานบัญญัติด้วยอรหัน ต, ตมรักนะ ไม่ใช่รอบรู้ธรรมดาบัญญัติความรอบรู้การ ม, มูปปาทานด้วยอารหัตตมักบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐปาทานศีละพตุปาทานและอัตตวาทุปาทานด้วยโสดาปฏิมัก ดูการพิสูจนทั้งหลายความเลื่อมใสในศาสดาใดความเลื่อมใสนั้นเรากล่าวว่าเป็นไปแล้วโดยชอบความเลื่อมใสในธรรมใดความเลื่อมใสในธรรมนั้นเรากล่าวว่าเป็นไปแล้วโดยชอบความทําให้บริบูรณ์ในศีลใดข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นไปแล้วโดยชอบความเป็นที่น่ารักน่าพอใจในหมู่สะทำมิกใดข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นไปแล้วโดยชอบในพระธรรมวินัยเห็นปานนั้นแล ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูก่อนพิสูจทั้งหลายในข้อนั้นเพราะเป็นการเลื่อมใสในธรรมวินัยอันศาสดากล่าวไว้ดีแล้วสวาขาโตภควตาธรมโมเพราะธรรมะเนี่ยเป็นสวาขาโตภควตาธรรมโมประกาศดีแล้วและธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนำออกจากทุกเป็นนิยานิกะธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากทุกเป็นไปเพื่อความสงบจากวัตตสงบราคะโทสะโมหะเป็นต้นอันพอันท่านผู้รู้เองคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกาศไว้แล้วมันเมื่ อ, อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วนั้นจึงเป็นธรรมะที่นําออกจากทุกแต่ถ้าเป็นศาสนาของผู้ที่ไม่ใช่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถนําออกจากทุกนั้นคติอุทาหรณ์จากสูตรนี้ก็คือให้รู้ว่าสิ่งที่เราศึกษาปฏิบัติอยู่เป็นของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้านําออกจากทุก์ได้ถ้าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเจอกันอีกทีเมื่อชาติต้องการ ชาติชรามรณะโซกะปริเทวะคันนี้มาเจอมาเจอกันเนี่ยทไงเนาะแต่อีกฝ่ายเกิดเป็นเสืออีกฝ่ายเกิดเป็นแมวเนี่ยจะสงสารกันบ้างไหมเน้ะเนี่ยนะดอกยากว่างั้นความเลื่อมใสในสาศาสดาเหล่านั้นไม่ดีจริงแต่ในอัตกะาท่านบอกว่านู่นน่ะเหมือนตาพรามโง่เข่าเลื่อมใสในสุนักจิ้งจอกตาบอดข้างเดียวขี้เมาต่างหากโอ้จะทุกข์ขนาดไหนนะยเลื่อมใสในสุนัข ก, กิ้งจอกตาบอดแล้วก็ขี้เมาเนี่ยนะ แม่ถ้าไปเลื่อมใสในขนาดนั้นนะทุกอย่างเดียวไม่ต้องงวงเหมือนกันแต่ว่าตรงกันข้ามจากว่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบทุกขท่านก็ยกตัวอย่างนกฮูกนกฮูกที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าความเลื่อมใสของนกฮูกที่มองด้วยสายตาที่เลื่อมใสนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความ สิ้นวัตตทุก์เป็นไปเพื่อความสงบทุก์เป็นไปเพื่อความดับทุกเพราะอะไรเพราะบุคคลที่เขาเลื่อมใสเป็นผู้ที่ดีจริงเพราะเป็นพระพุทธเจ้าสุขโตไปดีแล้วเหมนกันทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่รอบรู้แค่อุปาทานนะพระองค์ยังรู้เหตุแห่งอุปาทานอนีกอนั้รู้เหตุแห่งอุปาทานเหตุของเหตุของเหตุไล่ไปอย่างนี้พระองค์งรู้หมดอันะั้นในข้อหนึ่งห้าดหน้าเจ็ด จึงกล่าวว่าดูก่อนพิสูุน์ทางหลายอันหนึง่งอุปาทานสี่เหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอุปาทานมีตันหาเป็นต้นเหตุเหตุเกิดกําเนิดและตันหานี่แหละเป็นแดนเกิดนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ารู้ว่าอุปาทานเกิดจากอะไรพระองค์รู้ว่าอุปาทานเกิดจากตันหาและพระองค์ก็ยังรู้ต่อไปอีกว่าตันหาเกิดจาก เวทนาและพระองค์ก็ยังรู้ต่อไปอีกว่าเวทนานั้นเกิดจากผัสสะพระองค์ก็รู้ไปอีกว่าผัสสะเกิดจากสลายตนะพระองค์ก็รู้ต่อไปอีกว่าสลายตนะเกิดจากนามรูปพระองค์ก็รู้อีกว่าสละนามรูปนั้นมีวิญญาณเป็นเหตุพระองค์ก็ยังรู้ว่าวิญญาณนั้นมีสังขารเป็นเหตุพระองค์ก็รู้เลยไปอีกว่าอวิชชาเป็นเหตุแห่งสังขารสังขารเป็นเหตุแห่งวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุแห่งนามรูปนามรูปเป็นเหตุแห่งสลายตนะสลายตนะเป็นเหตุแห่ง ภาษาภาษาเป็นเหตุแห่งเวทนาเวทนาเป็นเหตุแห่งตัณหาตัณหาเป็นเหตุแห่งอุปาทานทั้งสี่ประการที่กล่าวไปอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบชาติผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติคืออุปาทานก็ไม่พ้นจากพบชาติชารามรณะโศกาปริเทวะทุกขโทมานต์และ IAN, อุปาญาตก็ยังไหล อ, อยู่ในกระแสทุกอยู่นั่นแหละไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ แต่ตรงกันข้ามพระพุทธเจ้ารอบรู้อีกว่าเมื่อใดแลภิกษุละอวิชชาได้แล้วนะองรู้เลถ้าละอวิชชาได้แล้วด้วยอรหัตตมรคขุดรากแห่งวัตถทอนอวิชชาความโง่เขลาที่ไม่รู้ทุกสมุทายนิโรธมรคไม่รู้อดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทด้วยทำกิจในอริยสัจตรัสรู้อรหัตตมรคแล้วเนี่ยนะวิชชาคืออรหัตตมรคเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นพิสูจนั้นก็ สารอกอวิชาสารอกหรือละคลายด้วยอารยมรักได้แล้วเพราะอารหัตมรักวิชาเกิดขึ้นแล้วเมื่ออรหัตมรักเกิดก็ไม่ยึดมั่นในกามม ป, ปาทานอารหัตมรักไม่ยึดมั่นในกามมปาทานโสดาปฏิมรัคไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐปาทานศีละพตุปาทานและอัตตวาทุปาทานเมื่อไม่ยึดมั่นในอุปาทานก็ไม่สะดุง้งด้วยตันหาสะดุง้งตัวนี้ถ้าตรงตัวก็ต้องหวัน่นไหว ไม่หวั่นไหวเพราะตันหาอีกแล้วเมื่อไม่หวั่นไหวเพราะตันหาก็ย่อมปรินิพานเฉพาะตนคือตันหาจะนําไปเกิดในภพใหม่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วถอนตันหาที่น yes> ําเกิดในภพใหม่ได้แล้วเมื่อถอนตันหาถ้าตันหาดับตาก็ด um> ับถ้าตันหาดับหูก็ดับถ้าตันหาดับจมูกก็ดับถ้าดับตันหาได้ก็ดับลิ้นได้ถ้าดับตันหาได้ก็ดับกายได้ถ้าดับตันหาได้ก็ดับ ปฏิสนธิคือใจได้ถ้าดับปฏิสนธิได้ชาติชรามรณาโศกะปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาตก็ดับพันเมื่อดับเนี่ยนะเพราะดับตัณหาด้วยอริยมรรอย่างนี้แล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอันนี้จึงเป็นความเลื่อมใสที่ถูกต้องผู้ที่เลื่อมใสในพระศาสนาของพระศาสดา ที่กล่าวไว้ถูกต้องแล้วพระษาสดาเป็นพภาษาพันญูความเลื่อมใสเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อทำที่สุดแห่งพบชาติชรา ม, มรณะเนี่ยนะังั้นความเลื่อมใสยอย่างนั้นยังถูกต้องอย่างถ้าหากว่าอย่างพวกเราทั้งหลายถึงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ตรัสรู้ในชาตินี้แต่การเลื่อมใสเหล่านั้นก็ยังเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเป็นบุญเป็นวาสนาะเป็นบารมีให้ กำหนดรู้ทุกล่าสมุททยทำนิโรธให้แจ้งเจริญโซดาปฏิมักสกธาคามีมักอนาคามีมักและอรหัตตมักต ร, รสรุธธรรมเป็นที่สุดแห่งวัตทุกในอนาคตต่อไปอันนี้เพราะาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขนาดเลื่อมใส ย, ยังเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ นะขนาดได้มีเพียงศักพินทรีย์มีศรัทธาในธรรมวินัยนั้นยังถึงสุขติโลกสวรรค์จะกล่าวไปยัยเจริญวิริยะสติสมาธิและปัญญาอบรมคุณธรรมเหล่านั้นจนได้ตรัสรู้ในที่สุดก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ผู้ที่ทําที่สุดแห่งทุกได้ก็ก็เป็นผู้ที่สงบทุกเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงนะ ความเลื่อมใสที่มีต่อพระศ า, าสดาเลื่อมใสต่อพระธรรมทําให้บริบูรณ์ในศีลแล้วก็ความรักความพอใจในหมู่สหธรรมิกเนี่ยความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมทําให้บริบูรณ์ในศีลพอใจในหมู่สหธรรมิกก็คือโสตาปฏิยังฆธรรมสี่ประการโสตาปฏิยังฆธรรมสี่ประการเนี่ยนะความเลื่อมใสในพระศาสดา คือองค์แห่งพระศาสดานั้นคือบุคคลที่สําคัญที่สุดนะเพราะว่าพระศาสดาเนี่ยนะท่านก็เรียกว่าหัวหน้าผู้นําพวกนะศาสถาเทวมนุษย์สานังพระองค์คือผู้นําพวกนําออกจากชาติชาราและมรณะเป็นต้นเพระะนันความพ้นจากทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์เนี่ยท่านบอกว่าอยู่ที่หัวหน้าพวกในอปันกะชาดกเนะี่ย กล่าวถึงหัวหน้าพวกผู้โง่เขลากับหัวหน้าพวกผู้ฉลาดหัวหน้าพวกผู้โง่เขล์คือพระเทวทัตเนี่ยนะพากลุ่มพ่อค้าไปตายอยู่กลางทะเลทรายห้าร้อยคนพร้อมกับหมู่โคเป็นจํานวนมากหมู่เกวียนเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งสเสบียงเสียหายกระจัดกระจายนะพร้อมทั้งตัวเองและบริวารตายเกลี้ยง อันนั้นคือหัวหน้าผู้โง่เขล า, าผู้นํำพวกผู้โง่เขลาส่วนตรงกันข้ามกับพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นพระองค์เป็นผู้ที่ฉลาดสามารถพากองเกวียนทั้งห้าร้อยให้พ้นจากห่วงทะเลทรายบริวารก็ปลอดภัยโคทั้งหลายก็ปลอดภัยทุกทุกท่านเนี่ยถึงความสวัสดีทั้งหมดฉันใดก็ดี ล, ดลัทธิเหล่าใดในโลก ลทัทธิเหล่านั้นที่ไม่รอบรู้ในกามุปาทานทิฏฐปาทานศีละพตุปาทานและอัตวาทุปาทานไม่รอบรู้กามุปาทานด้วยอรหัตตมัตไม่รอบรู้ศีละพตุปาทานอัตวาทุปาทานแล้วก็ทิฏฐปาทานด้วยโสดาปติมัตดังั้นความเลื่อมใสที่มีต่อศาสดาผู้ไม่รอบรู้จริงหรือผู้ไม่รู้จริง หลือเลื่อมใสในคำสอนของศาสดาเหล่านั้นหรือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของศาสดานั้นความพอใจในหมู่คณะในหมู่พวกนั้นพระองค์ตรัสว่าไม่เป็นไปแล้วโดยชอบคือไม่เป็นไปได้ด้วยดีที่ไม่เป็นไปได้ด้วยดีก็เพราะว่าไม่มีผู้ใดพ้นจากโสกปริเทวะทุกขทโทมนัตและอุปาญาต จ, จริง น, นะไม่มีใครพ้นทุกจริง เมื่อไม่พ้นจากทุกจริงแล้วไปไหนะก็ไปสู่ชาติชรามรณะไปสู่โสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตมันก็เลยชวนกันอยู่ในวังน้ําบนนะชักชวนกันอยู่ในวังน้นําวนอยู่ในห่วงทะเลแห่งสังสารทุกข์บอกว่าสังสารทุกข์ทุกแค่ไหนก็ทุกว่าน้ําตามมากกว่า น, น้ําทะเลเหมือนกันมันก็อยู่ในวังวนเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าการออกจากทุกข์นั้นเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าวัตถุเราใดเป็นที่ตั้งแห่ง ทุกการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นั้นเป็นเช่นใดพันศาสดาที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเช่นนั้นนะไม่ได้ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์อะไรเลยเนี่ยนะแค่ว่าเบียนเรียกว่าเบียงเ บ, งบนประเด็นเท่านั้นเองเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าเป็นคนที่มีหนี้มีสินท่วมแล้วก็ไปหาที่ปรึกษาสักคนหนึ่งอ่าทอย่างงี้สิแล้วที่ปรึกษาก็ชวนกันไปเที่ยวทะเล ไปรับลมสบายสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาต่อหนี้สินไม่ได้ลดปัญหาครอบครัวเป็นต้นไม่ได้ลดฉันใดการที่ศึกษาพระธรรมหรือการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ฉะนั้นถ้าหากว่าศึกษาในคำสอนของผู้ที่ไม่ใช่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยึดมั่นในคำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นพ้นจากทุกข์ไม่ได้ เมื่อกี้ใช้คําว่าไม่ยึดมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าใช้คําว่ายึดมั่นนะอะยึดมั่นตรงนี้กับอุปาทานต่างกันไหมบอกว่าต่างกันอุปาทานทั้งหลายยึดถือด้วยการ ม, มุปาทานทิฏฐปาทานและศีลพตัตโปาทานแต่ยึดมั่นตัวหลังเมื่อกี้หมายคําว่าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะสารณะก็แปลว่ายึดที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภยัยที่ไปในเบื้องหน้ามันก็ยึดพระรัตนะไตรยว่าเป็น สารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตนั่นแหละแด่พระธรรมนะมีจิตใจน้อมไปตามพระธรรมที่จะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้มีปัญญาความรอบรู้นะในธรรมทุกประการปั้นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้แต่เลื่อมใสในพระองค์ก็ยังพ้นจากทุกได้ อย่างน้อยก็ขณะที่ตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าจิตก็ไม่เกลือกกล้วด้วยราคะโธสะและโมหะขณะนั้นก็พ้นจากทุกขโดยตะทางฆาปะหารหรือวิขัมพนะปะหารขณะที่เจริญพุทธคุณขณะเดียวกันเนี่ยนะบอกว่าคนโง่เขลาทั้งหลายถ้าหากว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วไม่ฉลาดก็ไม่รู้จะไปอยู่กับใครและฉลาดถ้าศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติไปแล้วยังโง่เขลาอยู่นะบอกว่า มันไม่มีอะไรจะหนักตอนนี้อีกแล้วเนี่ยนะไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้มาไขอีกแล้วต่อไปเพราะว่าเหมือนอย่างว่าบอกว่าตอนกลางวันใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เขาบอกว่าสว่างไม่พอถ้าบอกว่าอยู่กลางวันแสงอาทิตย์ที่ไม่มีเมฆหมอกอเป็นต้นมาปิดบงังแล้วเขาบอกว่าสว่างไม่พอก็มีอยู่สองอย่างก็คือตาถั่วเป็นต้นนั่นเองนะไม่ใช่ตาแล้วว่า ง, งั้นผนันฉันใดผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา้าก็ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจ มันก็ถือว่าถึงขีดที่หนักหนาสาหัสที่สุดแล้วล่ะเนี่ยนะพนก็ว่าเป็นบุคคลที่ควรกรุณาอย่างที่สุดแล้วเช่นกับภาษารีบุตรกรุณาสุนัขะตาะิชวีบุตรที่จะกล่าวข้างสูตรข้างหน้าต่อไปมันก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราที่เราได้นับถือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างแพ้จริง พระคุณของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นคุณที่เขียนขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงและไม่มีผู้ปฏิบัติตามดังตามที่กล่าวอยู่จริงซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงเพราะพระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยทั้งเหตุคือเป็นพระษาสดาที่มาจากเหตุไม่ใช่ศาสดาที่เกิดลอยลอยไม่ใช่ศาสดาที่ถูกเสกสรรปั้นสร้างขึ้นมาไม่ใช่เป็นศาสดาที่ตกแต่งขึ้นมา แต่เป็นศาสดาที่สมบูรณ์ด้วยเหตุพระองค์เนี่ยสร้างเหตุมาพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์สร้างเหตุมาสร้างปุพพะจริยาคุณมาพระองค์นี่มีปุพพะปุพพะจริยาคุณมีความประพฤติแต่เก่าแต่ก่อนพระองค์ที่พระองค์สร้างสมมาจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดูจากในชาดกทั้งหลายเราก็เห็นดูจากชาดกทั้งหลายที่พระองค์เห็นที่พระองค์สร้างบารมีสร้างข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า ทานเหล่าใดที่พระองค์ไม่เคยให้ไม่มีศีลที่พระองค์ไม่เคยรักษาไม่มีเนคขมมะเนี่ยนะออกจากจุดต่างๆเพื่อออกบวชเนี่ยพระองค์ก็ทําทั้งหมดบวชแล้วก็อยู่ด้วยสมถะและวิปัสนาพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เจริญปัญญาพระองค์เป็นผู้มีปัญญาแม้แต่ในอดีตทั้งๆที่ยังมีราคะโทสะโมห oh ะอยู่พระองค์ก็มีปัญญามีปัญญาที่ช่วยพระองค์เองให้พ้นทุกข์แล้วก็ช่วยผู้อื่นให้พ้นภัย พันก็สังเกตจากพุทธวงศ์ดูจากจริยาปิฎกเราจะรู้ว่าพระองค์ไม่ใช่บุคคลที่เลื่อนลอยหรือขีดเขียนกันขึ้นมาโดยธรรมดาอันพระองค์นั้นเป็นศาสดาที่สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยข้อปฏิบัติด้วยบุญกุศลบา ร, รมีจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สร้างเหตุแล้วในชาตินี้พระองค์ก็มีสรีระเนี่ยนะที่งดงามในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ที่ว่ามีสรีระอยู่เป็นตัวเป็นตนจริงไหมสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้กุบกันขึ้นสถานที่ทั้งหลายก็มีอยู่จริงสถานที่พระองค์ประสูตรก็มีอยู่จริงสถานที่ที่พระองค์ตรัสรุ้ก็มีอยู่จริงแสดงที่สถานที่พระองค์ประกาศถราทรมจักก็มีอยู่จริงสถานที่ต่างๆที่พระองค์เที่ยวสั่งสอนทมเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายสถานที่เป็นต้นเหล่านั้นก็มี อยู่จริงสถานที่ดับขันทปรริณิพานก็มีอยู่จริงเพราะนั้นพระองค์นั้นมีสรีระอย่างแท้จริงแล้วก็สรีระของพระองค์ก็บอกว่าสรีระของพระองค์นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างร่างกายของพระองค์นี้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยมหาปริศลักสนะสาสิบสองอนุพยัญชนะแปดสิบมีพระรสมีโดยรอบเป็นปกติประมาณหนึ่งวาเป็นพระพระองค์ผู้มีพุทธลีลาหาที่สุดไม่ได้ ทีนี้แล้วพระองค์อะเป็นผู้ที่มีพระคุณไม่ใช่ว่าทําเหตุมาดีบุญเก่ามาให้ผลเลยมีออย่างที่บางคนเขาบอกว่าพระพูทธเจ้าเนี่ยนะไม่ได้ดีจริงอะไรหรอกเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยนะเนื่องจากว่าเป็นคนรูปงามเสียงเพราะเป็นนักตร ก, กะพูดอะไรคนก็เชื่อ แค่นั้นเองเนี่ยสุนัขตาลิชวีบุตรจะกล่าวข้างหน้าเขาปฏิญาณว่าเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนื่องจากว่าเขาไม่มีปัญญาพอที่จะรู้จักพระคุณของพระองค์ว่าพระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยอรหันตคุณเป็นต้นเพราะเขาไม่เข้าใจว่าผ้าอารหันต์คือใครเขาเห็นนักบวชนุ่งลมห่มอากาศก็บอกโอ้นี่มักน้อยสันโดษนี่แหละอรหันต์เพราะนั้นอย่างสมัยใหม่เนี่ยเขา น, นับถือพวกนุ่งอากาศว่าเป็นอรหันต์เป็นต้นเพรา ะ, ะนั้นก็เป็นความวิปริตเข้าใจ คลาดเคลื่อนเข้าใจว่าผู้ที่มีพฤติกรรมอย่างที่ตัวเองพอใจนั่นแหละคืออรหันต์ทในสิ่งที่ตัวเองทึ่งมากก็เลยเชื่อว่าคนที่ทึ่งที่สุดในความคิดของตัวเองนั่นแหละคืออรหันต์แต่เขาไม่เข้าใจคุณลักษณะคุณธรรมของพระอารหันต์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ไม่รอบรู้ในพระคุณของพระองค์ศรัท ธ, ธาก็งอนแง่นอยู่แล้วแต่สาหรับพระองค์นั้นพระองค์นั้นมีพระคุณที่ ที่เป็นจริงแล้วก็เป็นพระคุณที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เนี่ยนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยพระพุทธคุณทุกประการดูได้จากอะไรถ้าอย่างของพวกเราทั้งหลายตอนนี้ก็ดูจากผลงานนะผลงานของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาสีสิบหปีพระธรรมคําสอนเหล่านั้นก็ยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์ ถ้าจะกล่าวไปแล้วยุคนี้ถือว่าเป็นคําสอนที่ค่อนข้างบริบูรณ์ถ้าเทียบเมื่อสองร้อยปีห้าร้อยปีหรือพันปีที่แล้วตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วเพราะพระธรรมโดยคําสอนพระไตรปิฎกเนี่ยกระจายไปค่อนข้างมากตั้งแต่ว่าระดับล่างๆจนถึงระดับสูงแต่เมื่อกระจายไปแล้วเนี่ยใครศึกษาได้มากได้น้อยก็ตามสมควรแก่ จริตและอัธยาศัยของตนตามสมควรแก่บุญเปรียบเหมือนอย่างว่าฝนตกทั่วฟ้าเมื่อฝนตกทั่วฟ้าแล้วเนี่ยนะใครจะงายภาชนะหรือใครจะรับภาชนะหรือใครจะเอาภาชนะผสมยาพิษมารองก็ตามอัธยาศัยแต่แต่ฝนก็ตกทั่วฟ้า จะเอาภาชนะที่ผสมยาพิษหรือจะเอาภาชนะใสสะอาดเอาภาชนะรั่วเอาภาชนะร้าวเอาภาชนะอย่างไรภาชนะหงายหรือภาชนะคว่ำน้ำฝนก็คือน้ำฝนแต่ถ้าน้ำฝนไปเจือกับสิ่งที่มีพิษก็กลายเป็นสิ่งที่มีโทษเนี่ยนะชันใดคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้บัดนี้ก็เหมือนกันก็สุดแท้แต่ว่าชัมระภาชนะที่จะรองรับพระธรรมคาสอนของพระองค์แค่ไหน เนี่ยนะพร้อมที่จะโน้มเอียงพร้อมที่จะเลื่อมใสในพระองค์หรือว่าทำให้ภาชนะตัวเองเนี่ยสกรปรกซะก่อนแล้วค่อยใส่พระธรรมคำสอนประกอบด้วยลทัทธิทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยเชื่อคำสอนมีบุคคลพยายามขายความคิดที่ว่าต้องไปเรียนรู้วิชาใดวิชาหนึ่งก่อนแล้วค่อยเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าใจความสอนในทัศนคติของตัวเอง คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยแต่งตั้งทำให้ง่ายเปิดเผยทำให้ตื้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าส่งจิตศึกษาตามคําสอนเท่านั้นแหละถ้าศึกษาศึกษาโดยปล่อยศรัทธาเต็มที่พร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะเห็นอย่างที่พระองค์ต้องการให้รู้ให้เห็นและอย่าอ่านสูตรเดียวอ่านสักหหมื่นสูตรเนี่ยนะ อ่านทั้งตีดกนั่นแหละอ่านแค่ไหนอย่างไรก็อ่านให้มันพอกับอ่านหนังสือพิมพ์นั่นแหละมันก็จะรู้จนได้แหละถ้าอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ไม่ได้มันก็อย่างที่ว่าใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็ยังมองอะไรไม่เห็นเนี่ยมันก็ตาถั่วอย่างที่ว่ามันก็ไม่มีอะไรดีกว่านั้นอีกแล้วพันการที่เราให้จิตของเราเป็นไปตามคําสอนนั้นน่ะดีที่สุดอย่างก็บอกว่าคําคสอนบางทีก็แปลผิดบัางแปลถูกบ้างอย่างว่าเคยเดินทางไหมล่ะ เราไปไหว้สังเวชนิยสถานเนี่ยเราบอกไม่ไปหรอกเพราะถนนไม่ดีเหตุผลแค่นั้นหรือไม่ไปหรอกเพราะอาหารไม่ถูกใจไม่ไปหรอกเพราะเหตุผลนั้นเหตุผลนี้แค่นี้หรือเหตุผลที่เราไม่ไหว้พระบูชาพระรัตนตรายหรือเหมือนถนนแบบแหมประเทศบ้านเราก็ช่างเถอะถนนมันดีสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนไหมถ้าถนนไม่ร้อยเปอร์เซต์ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นเลยขอเฝ้าบ้านมันก็เป็นความคิดที่ไม่ได้ฉลาดอะไรคําสอนก็ฉันนั้นเหมือนกัน ผู้ที่เขาทําในสายตํำรับตำํำราเขาทําสุดความรู้สุดความสามารถบางคนเนี่ยทำถึงกับตาเละตาร่วงไปแล้วว่างั้นะถึงกับตาบอดเราก็ขอบคุณเขาสิแต่ถ้าหากว่าเรามองเนี่ยอาศัยผลงานของท่านเหล่านั้นแล้วมาตําหนิมาโพลธนามาก่นมาด่ามาว่าก็จะมีอะไรนอกจากความเป็นคนอักตันยูเนี่ยนะเพราะเราก็ต้องรู้จักว่าเออแค่ไหนและอย่างไรงั้นถ้าเราทําใจเอาไว้ให้ดีแล้วศึกษา พยายามที่จะรู้ตามพยายามที่จะเห็นตามใส่ใจตามคำสอนเมื่อใส่ใจตามคำสอนอย่างไรเสียเราก็รู้คำสอนผู้รักธรรมผู้นั้นเป็นผู้เจริญผู้ใฝ่ในธรรมผู้นั้นเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมฉันคำสอนที่เป็นคำสอนที่บอกให้วิธีเจริญคุณธรรมมีคำสอนไหนบ้างเสมอกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคาสอนของพระพุทธเจ้า บอกสอนแนะนำช่วยให้เข้าใจในคุณธรรมให้รู้จักวิธีเจริญคุณธรรมหรือบอกวิธีเจริญศีลเจริญสมถะและวิปัสสนาบอกวิธีกำจัดโลภะบอกวิธีกำจัดโทสะบอกวิธีกำจัดโมหะเพราะโลภะโทสะโมหะนั่นแหละคือเหตุแห่งชาติชาราและมรณะพระองค์นั้นสอนคำสอนของพระองค์รวบรวมพุทธญาณพุทธกิจที่พระองค์ทำทั้งหมดเพื่ออะไร เพื่อสอนข้อปฏิบัติเพื่อกําจัด ร, ราคะโทสะและโมหะถือว่าเป็นบุญแล้วที่เราเนี่ยเริ่อมใส่ในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอกาสที่จะได้นับถือพระพุทธเจ้าอีกเนี่ยนับตั้งแต่ชาติหน้าเป็นต้นไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยถือว่าบอกตรงว่ายากเหมือนกันเถอะแต่ยากก็เอางี้แล้ว ก, กันก็กลับมาใหม่สิลองมาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งคุณเกิดประเทศไหนชาวพุทธมียอมเดียว ในบรรดาประชากร 5,6 0 0 0พันล้านคนเนี่ยนะชาวพุทธร่วม500ล้านเรานี้ร่วม500ร้อยล้านก็500ล้านก็มาคัดอีกทีหนึ่งอย่างเมืองไทยเราเนี่ยไอ้ 95% มันแบบไหนอ่ะก็สัมโนครัวไงที่ที่เรียกว่าตามแบบฟอร์มของรัฐบาลที่ให้กรอกว่าคนนับถือศาสนาอะไรแค่นั้นเองที่อื่นๆที่เหลือก็เหมือนกันไปเกิดณจุดไหนก็ให้ไปเกิดอยู่ข้างๆเวสังเวชนียสถานด้วยเอา มันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะได้นับถือพระพุทธเจ้าที่จะได้กล่าวว่าพุททางสารนังคัชชามิก็บอกว่าอ้าวก่อให้เกิดอยู่ข้างๆแถวแถวที่ประสูตรก็ก็อย่างว่าพระองค์เนี่ยนะในในประเทศเนปาลพระองค์ก็คือบุคคลที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของตัวแทนชาวตรงนั้นเท่า น, นั้นเองเขาไม่รู้คําสอนหรอกก็จะมีรูปปั้นเจ้าชายสิทธัตถะมีรูปปั้นพระพุทธเจ้าอยู่ตามทางสามแยกทางสี่แยก ก็เหมือนกับอนุสาวรีแบบบุคคลทั่วๆไปท่านเองเขาไม่ได้นับถืออะไรนะเขาไม่ได้นับถือต่อให้นับถือแล้วเขาจะรู้ไหมว่าพระองค์ตต่สรู้อะไรก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะไม่มีคําสอนอยู่แล้วไม่มีคําสอนเลยแล้วภาษาของเขามันก็คนละภาษาไปแล้วคนละวัฒนธรรมคนละประเพณีคนละเรื่องเลย น, นะเขาบอกไม่มีวี่แววเลยว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นอริยสัจจะเจริญงอกงามใน ในประเทศนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ของง่ายดังนั้นโอกาสที่เราจะได้นับถือพระพุทธเจ้าจะ ก, กล่าวว่าพุทธังสารนังคัจฉามิว่าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าก็ไม่ใช่จะของง่ายแม้แต่กล่าวไปแล้วก็จะรู้ว่าพุทธังตัวนั้นพุทธะ พระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยปุพพะจริยาคุณสมบูรณ์ด้วยศรีระคุณสมบูรณ์ด้วยพระพุทธคุณมีอรหันตคุณเป็นต้นสมบูรณ์ด้วยพระพุทธกิจพระองค์เกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ความสุขแก่ชาวโลกเพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้แต่ที่จะเข้าใจลึกขึ้นไปอีกก็เป็นของยากที่เข้าใจลึกแล้วมาเจริญพุทธานุสติเป็นชีวิตจิตใ จ, จเนี่ยก็เป็นของยาก แลมีบุคคลที่ก็บอกว่าโอ้เจริญพุทธานุสติตื่นมาเนี่ยเจริญพุทธานุสติเลยเนี่ยมากไปมั้งบ อ, อกคนเราเนี่ยนะให้เลิกคิดเนี่ยถามว่าเป็นไว้ได้ไหมไม่ให้คิดอะไรเลยเนี่ยได้ไหมถามว่าในโลกใครน่าคิดถึงที่สุดก็พระพุทธเจ้าน่าคิดถึงที่สุดถ้าไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วคิดถึงใครนะบุคคลที่ควรแก่การคิดถึงที่สุดแต่เชื่อไหมเราคิดถึงซัดดำมากกว่าพระพุทธเจ้าได้ซ้ําไปบางที มีประชาชนไม่น้อยเลยรู้จักซัดดำเป็นอย่างดีแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ค่อยรู้นะว่าเท่าไรนะเมืองเกิดที่เมืองไหนอาคระว่าสงใจโคจรไปในตามเรื่องอย่างเนี้ยมากถ้าเทียบกับอยู่ในเรื่องของพระพุทธเจ้านี้ก็แสดงว่าบุคคลที่รู้บุคคลที่ควรเคารพ บ, บูชานั้นน้อยลงไปเมื่อน้อยลงไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นฮันก็โลกนี้ก็เลยรู้จักแต่คนที่ นับถือศาสนาปานาธิบัตินับถือศาสนาอัินาทานไม่รู้จักศาสนาที่สอนให้เว้นจากปานาธิบัติให้เว้นจากอัินาทานสันเสริญการฆ่าระบาดไปทั่วโลกแม้กระทั่งฝุ่นละอองตอนนี้กลายเป็นอาวุธไปหมดแล้วว่างั้นฮอ่านะเป็นสมัยที่ฝุ่นละอองอากาศที่หายใจกลายเป็นอาวุธไปหมดแล้วเนี่ยนะแผ่นดินแผ่นหินตน้นไม้ใบหญ้าอลูกตะกัวสารอะไรที่อยู่บนดินเนี่ย แปลงมาเป็นอาวุธเพื่อประหัตประหารเพื่อเข่นฆ่ากันในทุกเรื่องแม้กระทั่งลมหายใจว่างั้นเถะผลิตแม้กระทั่งลมหายใจเพื่อมาเข่นฆ่ากันได้หมดแล้วที่สุดของปาณาติบาตเป็นยุคสมัยที่ที่สุดแห่งปาณาตีบาตเพราะถ้าสามสี่คนเกิดทะเลาะกันแค่นั้นแหละโลกบรลัยนะนะโลกบรรลัยเพราะทุกคนเนี่ยเกิดมาในโลกก็ เรียนรู้ที่จะมาเป็นเครื่องมือให้แก่คนบางคนเท่านั้นเองและคนเหล่านั้นเนี่ยบุญเก่านําเกิดแต่ทิฏฐิวิบัติบุญเก่าเขาทํามาดีที่ทําให้มีอํานาจมียศมีบริวารเป็นต้นมีคนถวายหัวถวายชีวิตให้มหาศาลแต่เนื่องจากเป็นคนทิฏฐิวิบัติก็เลยพาโลกไปสู่ความพินาศเนี่ยนะนำโลกไปสู่ความล่มสลายเพราะฉะนั้นประชากรเนี่ยตายเป็นเบือ่อเหมือนผักเหมือนปลาเนี่ยนะ เรียกว่าตายพอๆพกับปลาบางประเทศเนี่ยนะเขาบอกว่าน้ำมันเสียมากปลาเนี่ยตายเป็นพันล้านตัวเนี่ยนะก็รอให้อืดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมะพันาาศาสดาหรือหัวหน้านี่เป็นบุคคลที่สําคัญมากพราะันถ้าเราไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเชื่อเถอะถ้าเรานับถือคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ไม่ดีจริงเหมือนว่าเราไม่ชอบแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ขอใช้แสงหิ่งห้อยต่อไปอันนั้อย่าลืมว่าเดี๋ยวทีทั้งหลายเช่นกับแสงแห่ง หิ้งห้อยยิ่งศึกษายิ่งตีบยิ่งตันยิ่งโง่ยิ่งคลายยิ่งไม่รู้ยิ่งสงสัยสงสัยว่าอั น, นไอ้แสงหิ่งห้อยเนี่ยส่องไปทางที่ผ่านมาสง่งส่งทบทวนได้ไหมว่าตัวเองมาจากไหนมันก็ส่งไม่ได้ส่องไปข้างหน้าต่อไปได้ไหมว่าส่งเห็นอะไรมันก็ส่องไม่เห็นไอ้ที่ปัจจุบันที่กําลังอยู่ก็สว่างสลัวสลั ว, ลวฉันใดลัดที่เดียรถ์ถีทั้งหลายก็ฉั น, นั้นถ้าหากว่าเราไม่ ไม่รอบรู้ในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าผู้อย่างรู้อดีตอย่างรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตและอนาคตรู้เหตุรู้ผลและปฏิบัติเช่นใดจึงจะเป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์อนะว่าผลทั้งหลายไหลามาจากเหตุปฏิบัติเช่นใดจึงจะดับเหตุได้จึงจะดับปัจจุบั น, นเหตุเพื่อไม่ให้มีอนาคตผลลีกออกจากวัตฏะลีกออกจากสังสารวัฏอย่างไรพระองค์ภาพเพียรพยายามที่จะแนะนําบอกกล่าว แต่งตั้งเปิดเผยสั่งสอนเนี่ยนะเดินทางแต่ละปีแต่ละปีไม่ใช่น้อยนิดเลยเนี่ยนะเดินทางอยู่ด้วยความเหนื่อยความยากความลำบากสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็เหนื่อยเต็มที่อยู่แล้วปฏิบัติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็หนักหนาะสาหัสอยู่แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เที่ยวโอวาทประกาศสั่งสอนเพื่อที่จะช่วยถ้าเรียนมหาปริญิาพานสูตรจะรู้ว่าเดินทางพร้อมกับเรียกว่าเลือดไหลอลไรงนั้น่ะ ถ่ายออกมาเป็นเลือดเนี่ยนะดีว่าแม่อาเจียนออกมาเป็นเลือดแต่ว่าบางคนหนักเนี่ยนะถ่ายออกมาเป็นเลือดสริระของพระองค์เนี่ยนะบางครั้งเนี่ยสอนไปสอนมาคนที่ถูกสอนนี่แหละมาฆ่าพระองค์อย่างเช่นพระเทวทัตเป็นต้นบุคคลที่ฟังคําสอนของพระองค์นั่นแหละฆ่าพระองค์ประสงค์จะฆ่าแต่ความที่พระองค์เนี่ยทำบุญมาดีเพราะันธมองจากหลายด้านเนี่ยนะมองจากหลายๆด้าน โอกาสที่เราจะได้นับถือบุรุษบุคคลที่ดีแบบนี้หาอีกเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรที่จะหาคนดีดีทั้งเหตุดีทั้งผลดีทั้งกายดีทั้งวาจาและก็ดีทั้งใจเรียกว่ายิ่งกว่าใจดีถ้าใจดีคนที่มีเมตตาก็เรียกว่าคนใจดีแล้วแต่นี้ไม่ใช่ดีธรรมดาดีแบบมีปัญญาปัญญาอนั้นก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยสูตรต่อไปที่จะเรียนเนี่ยดีระดับสพันญุตยานเนี่ยนะ ดีพระคุณของพระองค์เนี่ยดีจนเรียกว่าไม่รู้จะดียังไงแล้วไม่หาอาหาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วในบรรดาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศน์ในบรรดาคุณธรรมทั้งหลายที่พระองค์จะชักนําช่วยเหลือสัรพสารให้พ้นจากทุกมีคุณนะสมบัติองค์ประกอบพร้อมที่จะช่วยให้สัตว์ออกจากทุกพันบุคคลเช่นนี้หานับถือไม่ได้อีกต่อไปและคําสอนของบุคคลเช่นนี้ถ้าไม่เรียนไม่ฟังก็จะ ก็คิดดูนะชีวิตของเราทั้งหลายที่ทวารในทวารหกตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารที่ไร้ประโยชน์ที่สุดไม่มีประโยชน์เลยนอกจากส่งเสริมวัตตะนอกจากเพาะเชื่อวัตตะเอาจมูกดมมาริยศาสได้ไหมเอาลิ้นไปเพื่อชิมมาริยศาสได้ไหมเอากายไปสัมผัสอริยศว์ได้ไหมอันนัไม่ได้ พันธวารที่ไม่มีประโยชน์เลยคือทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายตัดออกไปสามทวารและก็อยู่กับสามทวาร น, นี้มากด้วยนะวันหนึ่งเนี่ยอยู่กับอาหารวันร่วมหกชั่วโมงทั้งอมทั้งเคี้ยวทั้งกินทั้งอู้สรารพัดอยู่แถวนั้นนะวันหนึ่งหลายชั่วโมงพันชีวิตเนี่ยนะประสมรสชาติชีวิตเนี่ยหกชั่วโมงหารยี่สิบสี่ได้เท่าไหร่หกสี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมหมดไปแล้วเศษหนึ่งส่วนสี่ของชีวิต ตกไปให้อาหารหมดเนี่ยนะเอาทีนี่แบ่งให้ไปหลับหกถึงแปดชั่วโมงก็อีกหนึ่งส่วนเออหนึ่งนี่นะหมดไปแล้วสองส่วนอันนี้หมดหม ด, หมดไปทวารจมูกเออทวารจมูกทวารลิ้นทวารหลับเนี่ยนะหมดไปแล้วเนี่ยก็เหลือทหลายเหลืออีกแค่สิบสองชั่วโมงไอ้สิบสองชั่วโมงแบ่งไปให้สามีอีกกี่ชั่วโมง แบ่งไปให้ภรรยากี่ชั่วโมองแบ่งไปให้ลูกกี่ชั่วโมองแบ่งไปให้เพื่อนกี่ชั่วโมองแบ่งไปให้การเดินทางแบ่งไปเรื่องราวต่างๆเนี่ยกี่ชั่วโมองสรุปแล้วอยู่กับธรรมะได้กี่ชัว่วโมงต่อวันหนึ่งแล้วคํานวณออกมาภาษาร้อยปีเนี่ยเหลือชีวิตอยู่กับธรรมะกี่ชั่วโมงแล้วอยู่กับธรรมะอยู่กับพุทธานุสติกี่ชั่วโมองอ่ะอยู่กับธรรมานุสติกี่ชั่วโมงอ่านหนังสือบอโอ๊ยเป็นนักอ่านจริงๆนะนะอ่านจน แล้วใช่อ่านคําสอนของพระพุทธเจ้ากี่ชั่วโมงและอ่านเรื่องของใครมากที่สุดเนี่ยนะก็ดูว่าชีวิตอยู่กับคําสอนกี่ชั่วโมงทวารที่มีประโยชน์มีอยู่สามทวารทวารตาทวารหูและทะวารใจทวารตาเนี่ยนะไอ้ที่เราใช้ใช้เนี่ยในโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเอาจักขู่สัมผัสไปสัมผัสมาทั่วไปหมดแล้วที่สัมผัสกับอะไรที่จะเป็นไปเพื่อกุศลธรรมเนี่ยมีบ่อยไหมอย่าลืมว่าธรรมะเนี่ยนะกุศลเนี่ยมีภาษะเป็นปัจจัย กุศลเมื่อมีพรรษะเป็นปัจจัยถ้าไปพรรษะบางอย่างเหตุใกล้ต่อกุศลไหมบอกยากนะนะโดยมากในโลกนี้ไม่ได้เกื้อกูลต่อพรรษะที่เป็นกุศลเลยเนี่ยนะพรรษะบางอย่างส่งเสริมปานาติบาพรรษะบางอย่างเป็นเหตุแห่งอทินนาทานพรรษะบางอย่างเป็นเหตุแห่งกาเมสุมิจฉาจารพรรษะบางอย่างเป็นเหตุแห่งมุสาวาตโย ม, มานั่งเรียนธรรมะอยู่ตั้งนานยังมุสาวาตกันเองเลยเนี่ยนะ สองบีสี่บีหกบีเลยนะเราก็คุยเล่นๆค้ำๆไปอย่างนั้นแหละกำลังกันอา้าวนี้ก็มูสาวาดเพื่อจะพูดเล่นอย่างนั้นเออดีแล้วสมาทานศีลไปแล้วรักษาให้ดีกันแล้วกันนะสองบีหกบแค่นี้มันก็ทุ่มศีลแล้วนะศีลนะขาดก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะแต่แหมถ้าจะพูดให้ตรงอีกนะเปิดควายความจริงนะตะกาดินสอก็เปิดประตูอบายได้ไม่ได้ไกลอะไรที่ไหนหรอกเยนะ น, ะนี่ต่อไปอกอ ภาษาโดยทั่วไปนี่เป็นเหตุใกล้แห่งกายทุจริตเป็นเหตุใกล้แห่งวจีทุจริตเป็นเหตุใกล้แห่งมนโนทุจริตเน้นชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยอะไรบ้างที่จะเกื้อกูลต่อการเจริญปุศลอะไรบ้างที่มันเกื้อกูลต่อความพ้นทุกนอกจากสั่งสมเชื้อแห่งวัตทุกข์นอกจากสั่งสมเชื้อแห่งสังสารทุกข์พราันชีวิตของพวกเราเนี่ยน ะ, ะถ้าเรามาเช็คดูว่าปุพพาเจริยาคุณมีอะไรพอจะตรัสรู้เองได้บ้างไหม บอกทําท่าจะยากเหมือนกันบอกขอให้รู้ตามที่พระองค์สอนนี่ก็บุญหนักหนาแล้วอย่าว่าแหวกออกโดยลําพังตัวเองเลยกรววานนะสำเพาใหญ่ของพระพุทธเจ้าก็ขอโดยสารพระองค์ไปเถอะเนี่ยนะขอให้ไม่ได้ไปเถอะนี่ยนะยากขวนขวายหาช่องทางเองเลยบอกมุดลงมั้งอาจจะถึงเร็วก็ได้เนี่ยนะมุดลงเพื่อจะถึงเร็วถึงไม่หรือว่าอนะไรมันยากเพราะฉะนั้นทางตรงทางลัดทางสั้นที่สุดก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกตรงๆเลยนะ พระองค์ยืนยันตั้งแรกตรัสรู้จนปรินิาพานเลยนะยืนยันตลอดพระองค์ใช้คําว่าเอวะแปลว่าเท่านั้นเท่านั้นจริงๆเท่านั้นคืออะไรอะไรอะไรเท่านั้นอริยมรตมีองค์แปดเท่านั้นที่จะนําออกจากวัฏฏุทุกข์ท่านชีวิตจริงๆแล้วของเราเนี่ยนะเห็นอะไรเกื้อกูลต่อการเจริญมรตบ้างไหมเห็นอะไรที่เกื้อกูลต่อการสัมผัสตรัสรู้อริยสัจบ้างไหมทุกทวารเลยเอ่ะเกื้อกูลต่อการเจริญ มร์แปดไหมถ้าไม่เกื้อกูลไม่ส่งเสริมการเจริญอริยมร์อันประกอบไปด้วยองค์แปดไม่เกื้อกูลต่อการเจริญสัมมาทิฏฐิทั้งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมคสัมมาทิฏฐิที่รู้อริยสัจเป็นต้นถ้าไม่เกื้อกูลเลยก็ถ้าสัมมาทิฏฐิขาดก็แปลว่าอริยสัพขาดมือสัพก็คือปัญญาขาดมือก็เคยเคยได้ข่าวไหมถ้าคนไม่มีตังนี่มันเป็นยังไงพอมาเข้าใจดีเลยนะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปขอเพื่อนในสองบาท กรุงเทพนี่แหละสองบาทค่ารถเมย์หิวก็หิวตะวันก็สายแล้วข้าวก็ยังไม่ได้กินมีสองบาทจริงๆค่ารถเมย์งั้นเขาไล่ออกก็เลยลงเขายืมนะสองบาทเนาะเขาเขให้ด้วยความอนุเคราะห์จากเพื่อนให้สองบาทนั่งรถเมย์ไปถ้าทําไมไปขอยืมคนอื่นเพื่อจะทานข้าวงั้นนะ ก็บอกว่าอ้าวเนี่ยถ้าคนนะบักแม้กระทั่งข้ารถเมยัยงไม่มีอันจะี๋ไปคิดอย่างอื่นต่อไปได้ยังไงหิวก็หิวเขาบอกว่าฉันได้ชีวิตของคนที่ขาดทรัพย์คือปัญญาก็ฉันนั้นถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิไม่รู้หรอกถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรเป็นสัมมาสังกัปะมิจฉาสังกปะรู้ไหมบุกยา ถ้าไม่มีปัญญารู้ไหมอะไรเป็นสัมมาวาจาและมิจฉาวาจาถ้าไม่มีปัญญารู้ไหมว่าอะไรเป็นสัมมากัมมันตะและมิจฉาสังกปะกัมมันตะอะไรเป็นสัมมาอาชีวะอะไรเป็นมิจฉาอาชีวะอะไรเป็นสัมมาวายามะอะไรเป็นมิจฉาวายมะอะไรเป็นสัมมาสติมิจฉาสติอะไรเป็น ส, มสัมาสสมาสมาธิและมิจฉาสมาธิทีนี้มรรคเนี่ยมันต้ององแปดจึงบรรลุได้มัน จ, จะเอาองค์ใดองค์หนึ่งบรรลุไม่ได้ เหมือนร่างกายเนี่ยตัวปกติมันมีอยู่หัวสองแขนสองแล้วก็ลําตัวอีกหนึ่งขาอีกสองข้างตัดอันใดอันหนึ่งออกไปเนี่ยเป็นแชมป์โลกได้ไหมแชมป์พิการอะไนี่ยเนี่ยปัญหาว่าถ้าจะเดินจะเหินจะลุกเนี่ยชีวิตคนปกติควรจะมีหัวมีแขนมีขามีลําตัวฉันได้อันนี้มีแค่หกนะถ้าพูดนั้นหัวหนึ่งแขนสองตัวหนึ่งขาแค่หกชีวิตปกติควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม ถ้าส่วนในส่วนหนึ่งบกพร่องมีปัญหาแบบเดือดร้อนเลยฉันใดข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกก็ฉะ น, นั้นถ้าไม่ครบแปดบรรลุไม่ได้แต่และองค์เนี่ยสำคัญยิ่งกว่าอวัยวะในบรรดาองค์ทั้งแปดนะเพราะอะไรเพราะสัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกประละมิชฌาสังกประสัมมาวาจาละมิชฉาวาจาถ้ายังมีกลิ่นอายแห่งมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นอยู่ทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ มิจฉาทิฏฐิมันมีโทษยิ่งกว่าโรคร้ายมิจฉาสังกะปะก็เลวร้ายยิ่งกว่าโรคร้ายมิจฉาวาจาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วพูดแล้วตกนรกขึ้นสวรรค์ก็อยู่ที่วาจาทัานวาจาเนี่ยเจตนาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาทั้งกรรมมันตะและอาชีวะเนี่ยนะการประกอบอาชีพเนี่ยนะจะเจริญจะเสื่อมจะสุขคติหรือนิพพานมันก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่อาชีพด้วยเหมือนกันความภาคเพียรพยายามสติหรือสมาธิพวกนี้มีผลต่อความพ้นทุกข์หรือความ ดับทุกข์เพราะฉะนันพระองค์เนี่ยมีสัพพัทธค า, ามิีปฏิปทาญานญาณที่ยังรู้ว่าข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่ที่ต่างๆเช่นพฤติกรรมเพื่อไปสู่นรกพฤติกรรมอ่ะนะอา่าข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่นรกข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่เปรตอสุรกายและเดรชาข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นมนุษย์เทวดาพรม้มตลอดจนถึงข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานคนที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยจะต้องแยกทางว่า ปฏิบัติทำตัวอย่างไรไปสู่นรกต้องเป็นคนรู้จักเส้นทางเป็นอย่างนีนะถ้าถ้าสมัยนี้เนี่ยถ้าจะเดินทางในในท่ามกลางในอ่าวาถนนเนี่ยสมมติถ้าเราจะไปไหว้ไหว้ภูเขาทองนะสัญลักษณ์อันหนึ่งของกรุงเทพก็คือภูเขาทองถ้าเราจะไปไหว้ภูเขาทอง ที่บอกว่าที่นั่นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ามกลางถนนซับซ้อนแบบนี้เนี่ยนะแผนที่ก็ไม่มีจําถนนก็ไม่ได้ที่ปรึกษาเนี่ยแหละตัวดีนักแรเนี่ยนะที่ช่วยบอกถนนผิดนักแหละซ้ายสี่ขวาสี่ซ้ายสี่ขวาสี่ออกไหนก็ไม่รู้กันเนี่ยแยยาวเลยคันเนี่ยนี่ก็เหมือนกันมันเราก็จะถ้าเราจะไปไหว้ภูเขาทองเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงจากจุดตรงนี้เนี่ยนะ ห้ามกลางมันมีทั้งแบบทางมันก็มีหลายระดับเหลือเกินตรอกซอกซอยก็มากขนาดนี้ฉันใดก็ดีรัิทิิในยุคนี้เนี่ยฉันนั้นถ้าเราจะไปไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยเรามีอะไรเป็นหลักเอาอะไรเป็นหลักการเอาเอาอะไรเป็นเป็นเครื่องหมายเป็นตัวยึดเป็นทิศทางแล้วก็เป็นแนวทางเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดไม่มีเรื่องไหนจะใหญ่เท่ากับเรื่องการเจริญมรรคอีกแล้ว มักแปลว่าทางนะไม่มีเรื่องไหนจะใหญ่เท่ากับเดินเดินทางอีกแล้วเพราะการเดินทางชีวิตนี่คือการเดินทางกายกรรมก็เป็นการเดินทางชนิดหนึ่งการเดินอากายกรรมก็เป็นการเดินทางวัจจิกรรมกเ็เป็นการเดินทางมโนกรรมก็เป็นเป็นการเดินทางกายกรรมวัจจิกรรมมนโนกรรมเนี่ยพาให้หยุดอยู่ณนะแค่ตรงนี้ได้ไหมบอกไม่ได้เพราะทุกครั้งที่สิ่งที่เราทําคําที่เราพูดความรู้สึกนึกคิดเนี่คือการ เดินทางไปไหนล่ะไปแล้วทําที่สุดแห่งทุกได้ไหมพราะนั้นถ้าเราจ ะ, ะภาคเพียรหรือเจริญหรือปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นอ่ะเราจะต้องถือผู้นําถือผู้นําอยา่าอยากเข้าใจผิดนะว่าเขามาพูดอย่างนี้ให้มามาเชื่อเรามาแต่เขามาลักษณะอย่างเก่งก็พูดสื่อข่าว อ, อ่านข่าวผิดผถูกถบ้างก็ธรรมดาทําใจเอาละกันแต่ว่าข่าวแก่กับเรื่องพระพุทธเจ้าพันธเรื่องพระพุทธเจ้าเราใส่ใจได้แค่ไหน เราพระพุทธเจ้าในความคิดของเราหรือพระพุทธคุณตามที่เป็นจริงเนี่ยพย า, ายามใส่ใจในเรื่องตราวตรงนี้ให้ดีถ้านับถือพลาดโอกาสสุดท้ายของชีวิตในาศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็รอพระพุทธเจ้าองค์หมายไปเถอะเนี่ยนะสหรับพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะโคดมผู้สังสมบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะ ผู้ที่บำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นกับพระพุทธเจ้าที่มีมาแล้วในอดีตแม้แต่พระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ไม่ต่างอะไรจากพระพุทธเจ้าของเราในเรื่องของการตรัสรู้เนี่ยนะพานเราได้รับประโยชน์อะไรจากพระองค์บ้างในฐานะผู้พระองค์ผู้สอนประโยชน์ให้แก่พวกเราทั้งหลายประโยชน์เหล่าใดที่เราควรได้รับรับไหมแต่ก็เป็นโอกาสสุดท้ายของชีวิตจริงๆนีนะ อย่างที่หลายท่านบอกของมาเนี่ยเรียนธรรมะ ก, กับคนที่ค่อนข้างอายุมากครับว่างั้นอยู่กับอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยนะเมื่อ อ, อายุมากมันก็แม้ถ้ากลับมาใหม่ก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะเชื่อไหมพ่อแม่ไม่ส่งเราเรียนพระไตรปิฎกรอกนะนี่วิชาเดียวเนี่ยที่ปล่อยให้ลูกหลานทั้งหลายเรียนตามอัธยาศัยคือพระไตรปิฎกแต่ถ้าอนุบาลภาษาวิชาอื่นทั้งหมดต้องภางคบังคับอัธยาศัยไม่ได้บังคับให้เรียนอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกสุดแท้แต่อัธยาศัยเพราะฉะนั้นแกไม่เคยสั่งสมอัธยาศัยดีมาแกก็ไม่ต้องดีหรอกเร็วตลอดไปก็แล้วกันอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นๆเนี่ยถูกบังคับกะเกณให้ศึกษาเล่าเรียนแม้กระทั่งว่าไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีการบังคับแต่ว่าในทางธรรมะเราเนี่ยไม่มีการบังคับเหมือนกับว่าบังคับให้ลูกเอาสิ่งที่ดีไม่ได้ แต่ถ้าจะไปเลวส่งเสริมมันเต็มที่เพราะมันมีอัธยาศัยอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ดีๆเนี่ยไม่ได้แม้กระทั่งหลายๆอย่างเนี่ยบังคับจนน้าตากรไหลไปหมดแต่บังคับให้เอาดีเนี่ยไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้ามาลูกไม่ทานข้าวมื้อหนึ่งเนี่ยโอ้โเป็นเดือดร้อนมากเป็นทุกข์เป็นร้อนเต็มที่เลยว่างั้นทำไมลูกไม่ทานข้าวแต่ลูกไม่เป็นกุศลเนี่ยกลับไม่เดือดร้อนเลยก็แสดงว่านิยมชมชื่นเฉพาะ กับพระลิงก라าหานแต่ผัสสะที่เป็นเหตุแห่งกุศลเนี่ยไม่ดีเพราะวิจารณญาณทั้งหลายหลายๆเรื่องก็วิบัติเมื่อวิบัติจะไปไหนโลกนี่ก็เป็นไปเพื่อความทุกข์แน่นอนเพราะความทุกข์ของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันทุกข์มหาศาลอันนะั้นอย่างที่เราสวดเมื่อกี้บอกว่ามีทุกเป็นเบื้องหน้าแลว้วมีทุกอย่างลงแลว้วทุกจริงๆแหละไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นๆนะเอาเถอะในร่างกายเนี่ยที่นั่งรอเนี่ยนั่งรออะไรดูไหมบอกนั่งรอความเจ็บปวด ร่างกายของเราเนี่ยนะที่นั่งกันอยู่เนี่ยรอความเจ็บปวดจะได้เข้าอู่ซ่อมใช้ตาจนกว่าจะมีปัญหาแล้วไปซ่อมใช้หูจนกว่าจะมีปัญหาแล้วไปซ่อมซ่อมยังไงก็เละเนี่ยนะยิ่งซ่อมยิ่งเละเหมือนกันร่างกายทุกส่วนก็เหมือนกันนั่งรออะไรนั่งรอพยาธิชราและมรณะนัรอให้แก่กว่า น, นี้มรณะกว่า น, นี้นี่ถ้าเราไม่ได้มักใดๆเกิดขึ้นในขณะนี้ถือว่าสูญสลายเสียหายเสียไม่รู้จะเสียยังไงอีกแล้วเนี่ยนะ เรีว่าในบรรดาความเสื่อมทั้งหลายเนี่ยความเสื่อมทุกชนิดเสื่อมคือเพราะไม่มีศรัทธานี่เป็นความเสื่อมที่ร้ายแรงที่สุดในทางพระท่านถือว่าสุขาลาเพศเนี่ยคือการตายคื อ, ค อ, คอท่านให้ว่ามันใหญ่ขนาดนั้นอะ่ะสำคัญขนาดนั้นทำไมเพราะอะไรเพราะโอกาสมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะยากขณะเนี่ยนะเขบอกว่าขณะที่บริบูรณ์พร้อมกันเนี่ยที่ยากคือหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสอง เราเองเนี่ยมันเป็นมนุษย์มีพระพุทธศาสนาแล้วเราได้พบกับคําสอนเนี่ยก็เป็นของยากเมื่อฟังคําสอนและจําไว้ได้ต่อไปก็ยากที่จะปฏิบัติตามก็ยากต่อต่อไปอีกเพราะฉะนั้นประตูแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยจึงเหลือน้อยเต็มทีเมื่อเหลือน้อยทํำยังไงก็มีอยู่อย่างเดียวคือตั้งอัตตสัมมาปณิทิอัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังค า, ามุตตะมังเนี่ยนะทำยังไงที่จะเจริญอัตตสัมมาปณิทิตั้งตนไว้ที่จะ ตั้งตนไวอย่างไงตั้งไว้สารณะที่ยังไม่ดีก็ขอให้ดีๆพุทธังสรารนังคัจฉามิมาทําความรู้ทําความเข้าใจหน่อยนะพะมาพื้นฐานเลยปกติแล้วบอกโอ้ยรู้หมดแล้วพุทธังสรารนังคัจฉามิเรียนมาตั้งนานละเกิดมาก็ได้ยินแล้วพ่อแม่ก็พาว่าพุทธังสรารนังคัจฉามิไปวัดก็พุทธังสรารนังคัจฉามิมีงานไหนถ้ามีพระก็ต้องมีพุทธังสรารนังคัจฉามิได้ยินมาตั้งนานละรายละเอียดที่เหลือบอกไม่รู้ แล้วถึงสารณะดียังไงบอกไม่รู้คุณไม่ใช่ชาวพุทธเหมือนกันนะถ้าแค่นี้ก็ไม่รู้นะครับแบบนีน้แต่จริงๆก็เป็นอย่างนั้นนั้นสารณะตัวนั้นคัจฉามิตัวนั้นแต่ละคําเป็นเจริญแล้วดียังไงปฏิบัติแล้วเพิ่มพูนยังไงบางคนเนี่ยนะพอบอกเขามีสารณะมีศีล ม, มีอะไรมาแล้วแต่เขาอยากจะปฏิบตัติอยากจะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานพูดทางธรรมสังฆังสารนังคัจฉามิเนี่ยนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ย มันไม่รู้จะมัดผลนิพพานที่ไหนจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดล้อเลียนนะมันพูดความจริงเลยนะไม่ได้พูดถากทางไม่อะไรทั้งนั้นแหละแต่เล่าให้ฟังตรงๆถ้าพูดทางธรรมังสังขัรสารนังคัจฉามิไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยหรือรู้ก็รู้อย่างนั้นอย่างนั้นแหละพูดให้มันผ่านๆปากไปเป็นต้นถ้าแค่นั้นจริงๆเนี่ยไม่มันยากจริงๆเลยนะเพราะอะไรพูดทางสรารนังคัจฉามิพุทธนิยามของพุทธคืออะไร พุทธคือปัญญาเป็นชื่อของปัญญาที่ทากิจรอบรู้ในกองทุกขละสมุ ท, ทัยทำนิโรธให้แจ้งและเจริญอาริยมรรคอย่างบริบูรณ์นั่นแหละคือความหมายของควาว่าพุทธพุทธตัวนั้นเนี่ยนะอย่างพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือพุทธเนี่ยเป็นนามขันเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปนะเป็นสังขารขัน สังขารขันอันนั้นที่ผ่านการอ บ, บรมบ่มมาเป็นอย่างดีอนะพุทธคุณเหล่านั้นเนี่ยนะได้รับการอ บ, บรมบ่มมาเป็นอย่างดีเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ทุกสมุ ท, ทยัยทุกควรรอบรู้โดยประการใดๆก็รอบรู้หมดสิน้นสมุทยัทยควรละโดยประการไรๆก็ละเสียสิน้นนี้โรคควรทําให้แจ้งแจ้งอย่างไรก็เจริญเสียสิ้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยคือผู้พุทธะตัวนั้นอีกความหมายหนึ่ง ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทุกอย่างผู้สมบูรณ์ด้วยอริยะคุณทุกประการผู้สมบูรณ์ด้วยอริยสีนอริยะสมาธิและอริยะปัญญาอริยะวิมุตตเนี่ยนะสมบูรณ์ด้วย อ, อาสาธรรณะญาณเป็นต้นพุทธะตัวนั้นและพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเจริญอย่างไรจึงได้เป็นพุทธะปฏิบัติอย่างไรจึงได้เป็นพุทธะพุทธะเนี่ยอารมณปัจจัยของพุทธะคืออะไรก็คือพระนิพพาน ตัวอารมณ์ที่สูงสุดของอารมณ์ของพุทธะก็คือพระนิพพานพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรูพ้พระนิพพานพระนิพพานเหล่านั้นแหละเป็นธรรมังสรารนังฆฉามิอันนั้นก็ดูว่าพระธรรมที่พระองค์แสดงธรรมะธระตัวนั้นแปลว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่อบายทุคติวินิบาต์นิยามของธรรมังสรารนังฆฉามิธรรมะก็คือมาจากธระธระเนี่ยนะทธงกรเรือเนี่ยธระแปลว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ ตกไปสู่อบายทุกขติวินิบาตพันธาเจริญอริยมรรคบริบูรณ์ตรัสรู้พระนิพพานส่งเขาไม่ให้ไปสู่อบายถ้าสกทาคามีมรรคแทงตลอดพระนิพพานส่งบุคคล น, นั้นไม่ให้มาเอมอมเกิดอีกเกินสองครั้งเรนงรักษาไว้ไม่ให้ตกทุกไม่ให้ตกทุกได้ยากมากไปถ้าเป็นพระนาคามีไม่ให้ตกมาสู่กามภูมิ ถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่ให้ตกไปในวัตทุทุกโดยประการทั้งปวงธระธรรมะตัวนั้นจึงเป็นชื่อของอริยมรรคและพระนิพพานธรรมะและพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมและตรัสรู้เนี่ยนะอย่างที่เราสวดตรัสรู้ตามพระสุคตมูดใด เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีเนี่ยนะข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟือ้อเพราะนั้นความหมายเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้จักพระรัตนตรัยเป็นอย่างดีถ้าเราไม่รู้จักพระรัตนตรัยอย่างดีเชื่อเถอะขอให้เป็นนักวิ่งมาราธอนนักวิ่งชั้นหนึ่งเนี่ยถ้าวิ่งผิดทางเนี่ยอย่าไปถึงไหน วิ่งจนขาพิการวิ่งจนขาหักมันก็ไม่ถึงที่หมายเพราะไม่รู้ว่าจะวิ่งไปไหนเลยฉันใดเหมือนกับรถน้ํามันเต็มถังไปหมดเครื่องบินเนี่ยน้ำมันแต่ว่าบินผิดทิศเนี่ยมันจะไปลงที่ไหนอ่ะนั่นนะถ้าบินผิดทิศบินผิดทางรถที่เดินทางผิดทางเรือที่ไปผิดท่านเนี่ยฉันใดก็ฉันนั้นการประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาใจก็เหมือนกันถ้าไม่เป็นไปตามนั้นทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้แต่อย่าลืมว่าถ้าผู้ใดที่ทําถูกต้องอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่า อนุโมทนาเป็นเรื่องที่ควรแกการชื่นชมอนุโมทนายินดีอย่างยิ่งแล้วเพราะว่าท่านได้ปฏิบัติได้เดินอยู่ในหนทางเพื่อความพ้นทุกอยู่แล้วก็จะมีอะไรนอกจากอนุโมทนานอกจากยินดีและชื่นชมแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นไปเพื่อความทุกขจะมีอะไรนอกจากกรุณากรุณาว่าว่าอะไรมีทุกขเป็นเบื้องหน้าแล้วทํา่นไหนจะทาที่สุดแห่งทุกคือถ้าทาถูกทางพ้นทุก ถ้าทำผิดทุกแน่นอนมันก็มีเครื่องวัดอยู่แค่นั้นอ่ะมันมีสองอย่างถูกกับผิดเกือบถูกเกือบผิดไม่มีอ่นะมันมีแต่ดีกับชั่วมันไม่มีเอกระหว่างดีระหว่างชั่วอัพยากตะทั้งหลายโดยทั่วๆวไปเขาใช้กับรูปแต่ชาวนะมันมีสองอย่างเว้นชวนะของพระรันมันมีกับกุศลกับอกุศลเท่านั้นอ่ะมันจะไปเป็นกิริยาไม่ได้จะไปเป็นมิบากไม่ได้มันมีดีกับชั่วมันมีผิดกับถูกอยู่สองอย่างแค่นั้นถ้าถูกก็แปลว่าไม่ผิดถ้าผิดก็แปลว่าไม่ถูก มันมีสองอย่างก็มืดกับสว่างแค่นั้นแหละมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นกุศลกับอกุศลเท่านั้นถ้ากุศลผูกอกุศลผิดกุศลมันก็มีกุศลเพื่ออวัตฏากับกุศลเพื่อวิวัตฏากุศลเพื่อวัตฏาก็คือกุศลเพื่อชาติชราและมรณะกุศลเพื่อวิวัตะก็คือกุศลเพื่อดับชาติชราและมรณะทั้งหลายเพราะนั้นเราก็มาตรวจสอบได้คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิชา ที่ตรวจสอบได้สํารวจตรวจสอบได้เพราะเป็นวิชาที่ผ่านการวิจัยมาเป็นอย่างดีพระองค์วิจัยสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้เนี่ยวิจัยเท่าไหร่หกปีที่ทําทุกขกิริยาเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งแบบแบบอะไรนะไปเกรงแบบเราแค่ฝึกโยคะเฉยๆแบบให้มันทุกข์ร้อนลําบากแค่นั้นนะไม่ใช่แต่ตรงกันข้ามพระองค์คือนักวิจัยเดี๋ยวเรียนในในเล่มเนี่ย จะมีทเวทาวิตกกสูตรวิตกะสันฐานสูตรที่พระองค์ะก่อนตอนเป็นพระโพธิสัตว์องค์ตรึกอะไรคิดอะไรเนี่ยนะแล้วลายสูตรต่อไปข้างหน้าจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยคิดอะไรก่อนที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเจ็ดสัปดาห์ในแถวบริเวณต้นโพพระองค์อยู่คิดอะไรคิดให้เป็นอะไรคิดทําไมเมื่อออกจากตรงนั้นไปแสดงธรรมเพื่อช่วยคนอื่น สอนอะไรสอนว่าสอนสอนทําไมแล้วเข้าบรรลุอะไรบรรลุว่าอย่างไรเพราะสิ่งเหล่าเนี่ยโจทย์เหล่าเนี้ยเราต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้มันก็จะมีอะไรมันพื้มันเป็นความรู้พื้นฐานที่สุดในการศึกษาพระพุทธศาสนาสําหรับคนที่จะเจริญในพระพุทธศาสนาคนที่จเหมือนกับว่าผู้ที่พอจะรับมรดกในพระพุทธศาสนาได้จะต้องมีอะไรลหลายๆอย่างเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานพอที่จะรับมรดกอริยทรัพย์ของ พระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสอบไม่ผ่านถ้าสอบไม่ผ่านก็รับอริยทรัพย์ไม่ได้เนี่ยนะรับอริยทรัพย์ไม่ได้ก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้ดังนั้นเราก็ศึกษาอย่างไรจะให้มีจิตใจมั่นคงต่อพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะและการศึกษาพระธรรมคําสอนโดยเฉพาะในยุคใหม่ในยุคนี้เนี่ยนะเราต้องพยายามศึกษาคําสอนจากพระสูตรหลายๆสูตรอย่าเอาสูตรเดียว และศึกษาคําสอนจากหลายๆนิกายอย่าเอานิกายเดียวจากพระสูตรหลายๆสูตรและศึกษาปิดกหลายๆปิดกอย่าศึกษาปิดกเดียวเพราะอะไรเพราะเป็นเครื่องปรับองค์มรรคของเราให้อยู่ในเส้นทางที่ตรงเพราะผิดกับถูกอย่างว่ามันอยู่ใกล้ๆกันผิดกับถูกมันอยู่ใกล้กันไอ้ที่ถูกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยมากไอ้ที่ผิดเนี่ยเปอร์เซ็นต์มากกว่าที่เป็นอย่างนี้เราจะทํายังไงให้มันถูกโดยส่วนเดียว ที่จะทําให้ถูกโดยส่วนเดียวก็มีอย่างเดียวก็คือตรวจสอบขยันตรวจสอบเท่าใดถูกเท่านั้นขี้เกียจตรวจสอบเท่าใดเปอร์เซ็นต์ผิดมันสูงเท่านั้นเอาสิเนี่ยนะไปเป็นนักบัญชีทํามาหาเลี้ยงชีพไม่เคยอ่านบัญชีตัวเองเลยอะไรจะเกิดขึ้นอยอมว่าเนี่ยนะไปเซ็นสัญญาอะไรก็ไม่เคยอ่านเลยสักชิ้นเดียวเนี่ยเซ็นหมดจ่ายหมดจ่ายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอามาจากที่ไหนมาจ่ายก็ไม่รู้เพราะเปอร์เซ็นต์ล้มละลายมันก็สูงการศึกษาพระธรรมคาสอนก็เหมือนกัน เัราถ้าเราไม่ใส่ใจไม่มนสิการอไม่มีความแยบคายจริงๆในยากพระองค์บอกอยู่แล้วว่าพราะองค์ตรัสรู้เพราะโยนิโสมนสิการแปลว่าแยบคายใส่ใจอย่างถูกต้องและแยบคายแปลภาษาไทยอีกครั้งว่าละเอียดละออทุวนทีธรรมวิจัยก็คือเรื่องของความละเอียดละออและทุวนทีมันง่ายๆไม่ได้อยู่แล้ว มักง่ายๆไม่ได้อยู่แล้วชอบมักง่ายๆก็คือชอบง่ายๆสบายสบายเนี่ยนะจะเอาสุขาปฏิปทาขิดป่าพิญญาแบบพระพาหิยะถ้าจะเอาแบบพระพาหิยะจําสูตรพระพี่พระพาหิยะฟังก็จําไม่ได้อีกนั่นแหละจะสบายกว่าพระพาหิยะเอกมันก็ยุงย่งเหมือนกันนะบางคนบอกอยากจำบรรลุเร็วๆง่ายๆสุขาปฏิปทาขอให้มันลุกง่ายๆไวๆแบบพระพาหิยะนี่แหละอล้อลพระพาหยะเนี่ยเขาคิดอะไรเขาจึงบรรลุ จำมาก็ผิดอีกบอกเห็นสักแต่ว่าเห็นฟังสักแต่ว่าฟังทราบสักแต่ว่าทราบรู้สักแต่ว่ารู้เขบอกมาจากอะไรที่เททธรรมตังพวิสติบอกว่ามัตต์ตัวนั้นแปลสักแต่ว่าอางั้นโพชเนมะตันยุตาไม่แปลว่ากินก็สักแต่ว่ากินมะตันยุตาเนี่ยนะมะตันยูตัวนั้นเนี่ยแปลว่าสักว่าได้ไหมล่ะไม่ได้เห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นแล้วก่อนหน้านั้นอีกพระองค์ตรัสว่าอะไร เธอพึงทําความศึกษาว่าหรือเธอพึงศึกษาว่าบอกให้ศึกษาก่อนศึกษาแปลว่าอะไรก็แปลว่าสิกขาสามอธิศีละสิกขาที่จิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาศึกษาในสิกขาสามเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเห็นยังไงเป็นสิกขาสามนะถ้าจะเอาแบบพระพาหิยะก็ต้องเห็นให้เป็นสิกขาสามได้ยินให้เป็นสิกขาสามทวารหกให้เป็น สิกขาสามเมื่อเจริญสิกขาสามสิกขาสามที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วก็เป็นไปเพื่ออริยมรยมรุ่นอะไรก็ตามโลกา น, นิโรทสรุถ้าอริยมรรุกเกิดขึ้นสํารอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานจึงดับเป็นต้นมันก็ยังไงมันก็หลักการมันก็อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะย่อหรือจะขยายเท่านั้นเองพระธรรมพระพุทธเจ้าจะย่อให้มันเหลือแค่ไม่กี่ประโยคเดียวก็ได้ขยายให้เป็นปิดกสามหาที่สุดไม่ได้ก็ได้ เนี่ยนะก็ต้องเรียนในลักษณะนั้นไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจแล้วก็โอ้ของ่ายๆเลยโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะบรรลุอะไรบรรลุให้เป็นอะไรถ้าไม่เข้าใจเนี่ยทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ดงนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นนับเนื่องเกี่ยวเกี่ยวกับปีใหม่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามตั้งต้นใหม่เอาไวเ้เถอะเข้มาชอบพระไตรปิฎกอยู่คำหนึ่งประโยคหนึ่งบอกเป็นสะ้ายใหม่อ น, นะสูตรว่าด้วยเป็นสะพ้ายใหม่ ศึกษาคําสอนอยากคิดว่าเราเนี่ยคนเก่าคนแก่เลยเชื่อไหมคนเก่าคนแก่บรรลุนานที่สุดคือใครพระฉันนะสมัยพระพุทธกาลเนี่ยพระฉันนะมัวแต่ความมีความคิดว่าเราคือคนเก่าเราคือคนแก่ศึกษามานานตอนออกบวชเนี่ยเราก็นั่นแหละคือคนออกบวชพร้อมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเม้นมีใครออกมาบวชต้นหลังแหมอ้างว่าคนนี้เป็นสาวกซ้ายสาวกขวาคนนั้นมาอ้างพวกที่มาทีหลังขันทั้งนั้นแหละฉันมาก่อนเพื่อน ฉันออกมาบวชพร้อมกับพระพุทธเจ้าบรรลุหลังบรรลุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถูกพร่มาทันไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนอยากทําอะไรทําไปเลยเนี่ยนะเรียกว่าแก่แกล้าขนาดนั้นเนี่ยนะถ้าได้ขนาดนั้นนี่ก็แย่เหมือนกันทัานพระองค์จึงสอนนะทําใจไว้เถอะว่าสาภาัยใหม่เนี่ยนะเหมือนกับคนใหม่อยู่ตลอดเวลาต้องไม่เผลอต้องไม่ต้องไม่ประมาทเนี่ยนะต้องไม่เผลอและต้องไม่ประมาทมานาเสกการชาวนะใหม่ๆนะ เวลาปฏิบัติทําให้คุณธรรมเกิดในใจที่เกิดใหม่ๆไม่ใช่เอาใจที่เกิดเมื่อสามวันมาแล้วไม่ใช่เอาสิ่งที่เป็นอดีตกุศลต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่อย่างนั้นจะเป็นคนเคยรวยทันทีเอาไหมละ่ะเจริญกุศลบอกคนเคยมีกุศลคนเคยมีศรัทธาก็แปลว่าตอนเนี้ยไม่มีศรัทธา คนเคยมีศีลก็แปลว่าตอนนี้ไม่มีศีลคนเคยมีฮิริโอตปะก็แปลว่าตอนนี้ไม่มีฮิริโอตปะคนที่เคยมีสุตะเคยมีจาคะเคยมีปัญญามันก็ใช้ไม่ได้แล้วบัดนี้เพราะว่ามันจะต้องขณะนี้ขณะนี้เราเจริญอะไรได้บ้างเนี่ยนะมันก็ฐานะเราปีใหม่ก็ถือโอกาสว่าคิดให้มันกุศลธรรมเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาให้มันเกิดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาถ้ากุศลใหม่ๆไม่เกิดแปลว่า ก็เปรียบเหมือนชาวบ้านนะถ้าปีนี้ไม่มีรายได้เข้ามาเลยเนี่ยนะใช้แต่รายได้เก่าๆปีก่อนๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเขาจะให้อยู่ในบ้านเมืองได้หรือเปล่าไม่ทราบนะก็เชิญออกไปอยู่ข้างนอกว่างั้นนะตามสมควรแก่ฐานะที่มันไม่เข้ามาชั้นใดก็ดีถ้ากุศลใหม่ๆไม่เข้ามาตลอดถ้ากุศลหมดเปรียบเหมือนชาวนาผู้โงเ่เขลาพ่อปลูกก็ไม่พ่อปลูกกินแต่พวกอะไรมะเมล็ดพันธุ์อย่างเดียว ถามว่าต่อไปนี่จะเอาอะไรมาหงเข้าจะเอาอะไรมาหงอาชีพอื่นไม่เป็นเลยไม่มีเลยไม่มีความรู้ไม่มีศิลปะเลยชั้นใดก็ดีการเจริญกุศลธรรธมก็เหมือนกันตอนนี้เท่านั้นนี่การเจริญกุศลธรรธมเนี่ยนะให้ยอยากแนะนําว่าจริงๆการเจริญกุศลธรรธมก็คือการเจริญอินทรีย์ห้ายังไงก็ไม่พ้นอินทรียห้าถือเอาอินรียห้าเป็นข้อปฏิบัติเถอะอินทรียห้าสัตยินรีย์พึ่งเห็นที่ไหน อีกครั้งหนึ่งนะโสตาปฏิยังฆ่าธรรมสีวิริยินรีพึงเห็นในที่ไหนสัมมปทานสีสติินสียนี้เห็นที่ไหนสติปทานสีสมาธินสีเห็นได้ในที่ไหนฌานสีปัญญินสียเห็นได้ในที่ไหนอริยสัจสีเนี่ยนะความรู้ในอริยสัจสี่นี้คุณธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวที่นําออกจากวัตทุก์เนี่ยนะ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 สังขารขันอันนั้นที่ผ่านการอบรมบ่มมาเป็นอย่างดีอนะพุทธคุณเหล่านั้นเนี่ยนะได้รับการอบรมบ่มมาเป็นอย่างดีเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ทุกสมุทยัยทุกควรรอบรู้โดยประการใดๆก็รอบรู้หมดสิน้นสมุทัยควรละโดยประการไรๆก็ละเสียสิน้นนิโรธควรทําให้แจ้งแจ้งอย่างไรก็จเจริญเสียสิ้ น, นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยคือผู้พุทธะตัวนั้นอีกความหมายหนึ่ง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 ตกไปสู่อบายทุกขติวินิบาณพันธาเจริญอริยมรรคบริบูรณ์ตรัสรู้พระนิพพานท่งเขาไม่ให้ไปสู่อบายถ้าสกธาคามีมรรคแทงตลอดพระนิพพานท่งบุคคล น, นั้นไม่ให้มาเอามอมเกิดอีกเกินสองครั้งเรงรักษาไว้ไม่ให้ตกทุกไม่ให้ตกทุกได้ยากมากไป ถ้าเป็นพระนาคามีไม่ให้ตกมาสู่การมภูมิถ้าเป็นพระรหารไม่ให้ตกไปในวัตทุกข์โดยประการทั้งปวงธระธรรมะตัวนั้นจึงเป็นชื่อของอาริยมรรคและพระนิพพานธรรมะแล้วพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมและตรัสรู้เนี่ยนะอย่างที่เราสวดตรัสรู้ตามพระสุคหมูดใย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 อนุโมทนาเป็นเรื่องที่ควรแก่การชื่นชมอนุโมทนายินดีอย่างยิ่งแล้วเพราะว่าท่านได้ปฏิบัติได้เดินอยู่ในหนทางเพื่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วก็จะมีอะไรนอกจากอนุโมทนานอกจากยินดีและชื่นชมแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นไปเพื่อความทุกข์จะมีอะไรนอกจากกรุณากรุณาว่าว่าอะไรมีทุกขเป็นเบื้องหน้าแล้วทําช่นัหนจะทําที่สุดแห่งทุกคือถ้าทําถูกทางพ้นทุกข์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 ที่เป็นอย่างนี้เราจะทํายังไงให้มันถูกโดยส่วนเดียวที่จะทําให้ถูกโดยส่วนเดียวก็มีอย่างเดียวก็คือตรวจสอบขยันตรวจสอบเท่าใดถูกเท่านั้นขี้เกียจตรวจสอบเท่าใดเปอร์เซน็นต์ผิดมันสูงเท่านั้นเอาซิเนี่ยนะเพเป็นนักบัญชีทํามาหาเลี้ยงชีพไม่เคยอ่านบัญชีตัวเองเลยอะไรจะเกิดขึ้นอยอมว่าเนี่ยนะเปอร์เซ็นสัญญาอะไรก็ไม่เคยอ่านเลยสักชิ้นเดียวเนี่ยเซ็นหมดจ่ายหมดจ่ายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอามาจากที่ไหนมาจ่ายก็ไม่รู้ เปอร์เซนต์ล้มละลายมันก็สูงการศึกษาพระธรรมคําคสอนก็เหมือนกันเพราะถ้าเราไม่ใส่ใจไม่มนสิการอะไม่มีความแยกขายจริงๆเนี่ยยากพระองค์บอกอยู่แล้วว่าพราะองค์ตรัสรู้เพราะโยนิโสมนสิการแปลว่าแยกขายใส่ใจอย่างถูกต้องและแยกขายแปลภาษาไทยอีกครั้งว่าละเอียดละออท่วนทีธรรมวิจัยก็คือเรื่องของความละเอียดละออและท่วนทีมันง่ายๆไม่ได้อยู่แล้ว มักง่ายๆไม่ได้อยู่แล้วชอบมักง่ายๆก็คือชอบง่ายๆสบายสบายเนี่ยนะจะเอาสุขาปฏิปทาขิดป่าพินยาแบบพระพาหิยะถ้าจะเอาแบบพระพาหิยะจําสูตรพระพี่พระพาหิยะฟังก็จําไม่ได้อีกนั่นแหละจะสบายกว่าพระพาหิยะเองมันก็ ย, ยุ่งเหมือนกันนะบางคนบอกอยากจำบรรลุเร็วๆง่ายๆสุขาปฏิปทาขอให้มันลุกง่ายๆไวายๆแบบพระพาหิยะนี่แหละอะแล้วพระพาหิยะเนี่ยเขาคิดอะไรเขาจึงมรรลุก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 อีกครั้งหนึ่งนะโศตาปฏิยังฆ่าธรรมสีวิริยินสีพึงเห็นในที่ไหนสัมมปทานสีสติินสีนี้เห็นที่ไหนสติปทานสีสมาธินสีเห็นได้ในที่ไหนฌานสีปัญญินสีเห็นได้ในที่ไหนอริยสัจสีเนี่ยนะความรู้ในอริยสัจสี่นี่คุณธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวที่นําออกจากวัตฏทุกเนี่ยนะก็มาเช็คดูว่า อ, อินซีตัวนี้เป็นเหมือนกับไม่ใช่เหมือนมรคเป็นองค์มรคที่จะทําให้ตรัสรู้เนี่ยนะเพราะว่าสติประฐานสี่อันใดสตินซีในสติประธานสี่อันใดอันนั้นก็เป็นสัมมาสติสมาทินซีในสมาทินซีที่รู้ฌานสี่อันใดฌนใดอันนั้นแหละคือสัมมาส ม, มาธิปัญญซีที่รู้อริยสัจนั้นใด ปัญญีสียันั้นแหละคือสัมมาทิฏฐิวิริยิีสีที่เจริญสัมมาประธานสีอันใดอันนั้นแหละเป็นสัมมาวายามะสัพพินรีเนี่ยดูได้จากสัทธ์สีนสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะเนี่ยนั้นก็เป็นสมาธินรีทีนี้สัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะใครเป็นคนให้ให้ความมาตรฐาน เป็นคนบอกว่านี้เป็นสัมมาวาจานี้เป็นมิจฉาวาจานี้เป็นสัมมาสังกัปปนี้เป็นเอาเข้าไปนี้เป็นสัมมากรรมตะนี้ไม่ใช่สัมมากรมมตะนี้เป็นสัมมาอาชีวานี้ไม่ใช่สัมมาอาชีวะเอาใครเป็นมาตรฐานพระพุทธเจ้าวันศรัทธาที่รู้ว่าเออเนี่ยที่มาถือปฏิบัติด้วยกายวาจาใจก็เนื่องจากเชื่อพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผ่องใสในพระพุทธเจ้าไม่ใช่แต่ว่าเชื่อเฉยเฉยเชื่อเพราะรู้คุณของพระพุทธเจ้า รู้คุณนะว่าพระองค์ทำอะไรมาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้ารู้คุณว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรและพระองค์สอนอะไรและเราปฏิบัติตามนี้แล้วจะมีผลต่อไปอย่างไรอันนั้นแหละเรียกว่าคุณรู้คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมนั้นความที่รู้คุณแล้วเลื่อมใสในคุณผ่องใสในคุณอันนั้นเป็นศรัทธาเป็นสัตทินสี น, นั้นคนมีศรัทธาก็คือปรารถนาที่จะพบเห็นคนมีศีลเป็นต้นรักษาศีลเป็นต้นนั้นเรียกว่าลักษณะของคนที่มี สัทธาเพราะการเจริญอินทรีย์ก็คือการเจริญอริยมรรคนั่นแหละเพราะการเจริญอริยมรรคก็คือการเจริญอินทรีย์เพราะการเจริญอินทรีย์เหล่านี้ก็อย่างลงสู่อมตะอย่างที่กล่าวว่าเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเพรถ้าเจริญอินทรีย์ห้าวิริยินทรีย์ก็คืออะไรสัมมาประธานสี่วิริยินทรีย์ก็คือวิริยิททิบาทเจริญวิริยินทรีย์วิริยะพละ วิริยะสัมโพชฌงค์สัมมาวายามะก็อันเดียวกันเจริญสตินสีก็คือเข้ากับเจริญสติปฐานสีเจริญสตินสีเจริญสติสติพละเจริญสัมสติสัมโพชฌงค์แล้วก็เจริญสัมมาสติพะนธ์โพธิปกักจะธรรมมันก็คือโดยสภาวะก็คือสิ่งเดียวกันแต่รายละเอียดละ่ะรายละเอียดละ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการสแสวงหาว่า เพิ่มสติได้อย่างไรเพิ่มสติให้มันมากขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้สติเนี่ยมีจำนวนมากมีปริมาณมากพอที่จะบรรลุมรรคผลได้พระองค์จึงสอนสติประถานทั้งสีส่สาระจริงๆมันก็คือตัวสติอันเดียวนั่นแหละแต่ถ้าใช้คำว่าสติอย่างเดียวอ้าวปฏิบัติยังไงเอารู้นะว่าเออปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เจริญไหนเจริญสติสัมปชัญญะรู้บรรลุได้ไหมพอไหม ไม่พอแล้ววิธีที่จะให้สติเกิดขึ้นได้อย่างไรอากายเวทนาจิตธรรมเอโกาพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโธมันนะเออได้รายละเอียดมาเป็นสี่รู้แล้ววิธีเพิ่มเพิ่มสติเนี่ยได้อย่างไรให้สตินี่มันมากขึ้นสติเป็นทรัพย์เนี่ยนะเพิ่มอริยทรัพย์คือสติให้มากขึ้นได้อย่างไรทีนี้ต่อไปอีกบอกว่ากายานุปัสนาเนี่ยนะ แม้เจริญไปหน่อยมันตีมันต่างแล้วพระองค์ก็สอนให้เป็นส4บสี่บัพเพลาเลยนะจะได้เจริญสติให้มันมากขึ้นเนี่ยนะที่โครจรของสติจะได้มากขึ้นถ้าสติโครจรไปเท่าใดก็รายได้คือเพิ่มพูนของสติก็เท่านั้นก็เหมือนกบรับงานมากปั๊บรายได้ก็มีมากสติก็มีมากขึ้นก็เจริญให้มันมากแต่ว่าสติอย่างเดียวก็ไม่พอเนี่ยนะสติอย่างเดียวก็ไม่พอโพธิปัจจยธรรมทั้ง สามสิบเจ็ดพันคุณธรรมที่นําออกจากทุกนั้นจึงเป็นอธิปไตยอธิปไตยยัตโถเป็นศูนย์รวมของคุณธรรมเพราะผู้ที่ได้รับคุณธรรมอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมทายาตรรับมรดกธรรมจากพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเนี่ยนะของพวกเราทั้งหลายให้เลื่อมใสก่อนให้ใจของเราเนี่ยมุ่งตรงไปสู่คุณของ พระรัตนตรัยก่อนให้ใจของเราเนี่ยไหลไปหาพระรัตนตรายก่อนเมื่อใจของเราไหลไปตามแนวร่องรอยของพระรัตนตรัยที่เหลือเพิ่มพูนศรัทธาอันนั้นให้มีมากขึ้นอย่าลืมว่าศรัทธาเนี่ยนะพระองค์บอกว่าข้ามโอคาได้ด้วยศรัทธาบางคนก็บอกเอ๊ะถ้ามีศรัทธามากๆไม่ใช่งมงายไปหรือมันจำบรรลุได้หรือถามจริงพระวะกกะลิ บ, บรรลุช้าหรือบรรลุง่าย พระพระวักกลิชอบพระพุทธเจ้ามากเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากท่านบวชมากเพราะท่านไม่มีปัญญาท่านมีแต่ศรัทธาเลยไม่บรรลุเลยใช่ไหมบอกไม่พระวะกกะลิบรรลุเร็วนะไม่ใช่บรรลุช้าเลยอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเป็นคนที่อชอบพระพุทธเจ้าชอบฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนดูพระพุทธเจ้าเห็นแต่พระพุทธเจ้าฟังแต่คาสอนพระพุทธเจ้าเลื่อมใสมากถ้าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าไม่บรรลุนี่เขามาว่ามันก็ไม่มีทางอื่นแล้วล่ะ จะมีทางไหนอีกยังไง ก, ก็ก็บรรลุของพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่บรรลุความคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันก็ที่สุดแล้วหละวังนั้นเถอะก็เป็นอะไรนะเป็นเรียกว่าอยู่ในพระราชาวังแล้วยังไม่ได้ตําแหน่งอะไรเลยก็แปลว่าเป็นไอเตีย้ยไอคอมแค่ น, นั้นแหละโบราณ น, นะโบราณเขาจะเอาพวกคนเตีย๋ยคนคอม ค, น, คอนแครคนอะไรไปอยู่ในวังอะนะเรียกว่าอยู่ในวังแล้วไม่ได้ฐานนันดอนอะไรสักอย่างไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลยก็มีอยู่สองอย่างแค่นั้นกับพวกไอเตี้ยไอคอมอะไรที่แบบอะไรนะ เขบอกว่าเขามาเอาไว้ในวังแบบเป็นคือวงังโบราณนี่เขาทาอย่างนั้นจริงๆถามว่าทำไมเพื่อความปลอดภัยของคนข้างในอย่างนั้นเลนะก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็มีคนค่อมที่เลวตกต่ำที่สุดอยู่ในนั้นเหมือนกันนั้นก็บอกว่าพราะองค์ก็ใช้คําว่าทัพผีไม่รู้รสแกงอะนะพระองค์ก็ตรัสบ่อยๆเหมือนกันทัพผีไม่รู้รสแกงอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็บอกว่าโคตรอะนะอ้วนแต่เนื้อนหนังเป็นต้นแล้วก็มาดูนะว่าพยายามเอจับ จับศรัทธาเอาไว้ให้ให้เป็นมั่นคงเนี่ยนะเพิ่มพูนศรัทธาเนี่ยให้มากๆถ้าศรัทธาเราเจริญเท่าใดนั่นแหละคือการเจริญสัมมาปทานบางคนก็บอกมัวแต่เจริญศรัทธามัวแต่เพียนอยู่นั่นแหละลืมเจริญสติเอ๋สติมแปลว่าอะไรคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆไม่ใช่สติหรือเป็นไหมคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนี่เป็นสติไหมอ้าวก็พุทธานุสติไงก็คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนั่นแหละเป็น พุทธานุสติคิดถึงพระธรรมบ่อยนี่เป็นธรรมานุสติไหมเป็นมันก่อนบอกว่าเออเนี่ยได้เวลานั่งเจริญสติกันแล้วเออเราสวดมนต์เลยอันนั้นอิติปิโสเป็นต้นเราก็จะได้คิดถึงพุทธานุสติธรรมานุสติเจริญสติก็คือเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอนุสติสิบอนุสติทุกอย่างอย่างลงสู่นิพพานหมดขอให้มันเป็นไปตามแนวของพระพุทธเจ้าเถอะถ้าเป็นไปตามแนวพระพุทธเจ้าจะ จเจริญสติปัฏฐานข้อไหนก็ได้จเจริญอนุสติไหนก็ได้ในสิบอนุสติมันยังลงสู่นิพพานทั้งหมดแต่อย่าลืมว่าเอาใครเป็นเป็นมาตรฐานเอาพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานฝันพระองค์บอกว่าในมิลินทปัญหาบอกว่าพระพิสุหรือผู้เห็นภัยในวัตฏะควรถือเอาองค์หนึ่งของไม้ไผ่ไม้ไผ่ลู่ตามลมฉันใดสาวกทั้งหลายก็ลู่ตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพิสูตสมัยก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวเรียนสู่ต่อไปจะมีเลยมหาทุกขคันธสูตรเนี่ยท่านก็บอกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักท่านเหล่านั้นเอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นมูลเป็นหลักเป็นมาตรฐานพระมหากัจจยนาก็บอกเอาพระพุทธเจ้าเขาว่าพระเจ้ามาหานามาในโสตาปฏิสังยุตท่านก็บอกว่าแล้วแต่พระพุทธเจ้าคือท่านมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าพาไปสู่ที่ที่ทปลอดภัยจริงๆ ก็เหมือนกับว่าแค่ธรรมดานะเหมือนกับว่าเราเชื่อมือเชื่อถือคนขับรถผู้ฉลาดไม่เคยเผล อ, อนะรู้ถ น, นนเป็นอย่างดีแล้วเราถามว่านั่งหลับสบายสบายบนรถคันนั้นได้ไหมเพราะเขาพาเราไปสู่ที่ปลอดภัยแน่ฉันใดถ้าเราปฏิบัติตามมรรคของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำใจให้ปลอดโปรง่งโล่งใจเถอะว่าเป็นไปตามคาสอนแต่ที่สาคัญที่สุดว่าเรายังเป็นไปตาม คำสอนไหมยังจเจริญโงอกเงยในคําสอนไหมใจของเราไหลไปกับคําสอนไหมถ้าใจไม่ไหลไปกับคําสอนนี่น่าเป็นห่วงที่สุดอย่าลืมว่า อ, อริยสัพย์ภายในใจเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พอกพูนแล้วหาประมาณไม่ได้ถ้าใครเขาบอกว่าใจนะใจนี่มันคิดเร็วไหมยังว่าเร็วไหมแวบบหนึ่งเนี่ยไปเร็วไหมน่าจะเอาความเร็วให้มันได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้เนื้อได้หนังอะนะได้งานอนะ่ะ เขาบอกว่าใจที่มันเร็วที่สุดบอกเอาเองี้ละในฐานะที่มันเร็วนะคิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากมันก็สะสมบุญได้เร็วเหมือนกันนะเพราะถ้ามันคิดเป็นบาปได้เร็วก็คิดให้มันเป็นบุญได้เร็วสิอยู่กับคําสอนได้มากเขาบอกว่าชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งจิตเกิดดับเป็นแสนโกรธขณะเป็นต้นมันถ้าเราฟังเข้าใจธรรมะแวบหนึ่งมันก็ปนไปเยอะเลยนะแล้วก็เพิ่มไอความเร็วนะั่นน่ะให้มาอยู่กับคําสอนก็เพิ่มบุญบุ ญ, บญมันก็ท่วมแค่นั้นแหละใช่ไหม แต่บุญนี่มันมีอย่างเดียวมีแต่เบาอย่างเดียวนะมีแต่เบาขึ้นอย่างเดียวยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเบาเท่านั้นยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งทําออกจากทุกได้เท่านั้นแล้วก็พรโพลก็บอกเออออย่า ก, กลัวต่อบุญเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของเหตุแห่งความเจริญบุญเหล่านี้โดยเฉพาะบุญที่มีพระัตนะไตรเป็นอารมณ์เหล่านี้นี่แหละเป็นบุญหนทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะนําออกจากทุกสําหรับพุทธสาวกทั้งหลาย สำหรับพุทธสาวกทั้งหลายผู้ที่เป็นสาวกนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นอ้าวบอกว่าเขาจะเป็นพระปัจเจกจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรเสียเชื่อไหมผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นก็สละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้ามากี่ชาติแล้วผู้ที่บรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้คือคนที่ประพฤติฆตะปัจจารตะวัดเนี่ยนะปัจจาคตะปวัดเนี่ยวัดในการเจริญกรรมฐานไปนํากรรมฐานกลับ สละชีวิตเป็นพุทธบูชามากี่ชาติแลว้วจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่พระเทวทัตที่บอกว่าเลวนักหนานั้นนะนะที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระประเจกในอนาคตท่านก็ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาเนี่ย น, นะเฮือกลมสุดท้ายของท่านท่านก็ทําพุทธบูชาท่านก็สละและ้วท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านเลวโดยส่วนเดียวถ้าพระเทวทัตโง่เขลานะท่านไม่ส่งพระไตรปิฎกพระเทวทัต ท, ทรงพระไตรปิฎกพระเทวทัตนั้นเนี่ยนะ สมาบัติแปดอภิญญาห้าเนี่ยนะเพียงแต่ว่าพระเทวทัตเนี่ยไม่น้อมเจริญสัททินรี่เป็นต้น น, นั่นแหละอันนั้นเป็นความเสียหายของพระเทวทัตความที่ท่านผูกเวรมากับพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านจึงเสียหายแต่ที่แน่ๆพระเทวทัตได้รับพุทธภรรยากรแล้วจะได้บรรลุต่อไปข้างหน้าถ้าเทียบกับพวกเราเอาทาท่าแก่งเหลือเกินดีเหลือเกินเนี่ยนะอูย้ยดีจริงๆะนะถ้าเทียบกับพระเทวทัตใครดีกักน พระชาติชาติศัตรูเนี่ยเลวร้ายมากแม้ฆ่าพ่ออย่างนั้นอย่างนี้แต่เชื่อไมไหมพระเทวอาชาชาติศัตรูเนี่ยนะพ้นจากอบายเดี๋ยวท่านก็เป็นพระประเจกแล้วไม่นานเท่าไหร่ท่านก็เป็นพระประเจกแล้วอของพวกเราดีเหลือเกินเนี่ยนะอ่าดีจริงๆอ่ะไปจ่าแล้วเนี่ยนะได้อะไรบ้างแล้วเนี่ยนะทบทวนไปทบทวนมาเอ๊ะใครมันน่าสงสารที่สุดเนี่ยนะพอมาสงสารมาเหมือนกันนะกลัวอะไรกลัวเดือดร้อนเนี่ยนะ มันพยายามที่จะสั่งสมศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าและที่สำคัญที่สุดทำยังไงเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าจึงจะมีมากขึ้นเขามาเห็นพวกกลุ่มคาถาเวทมนต์ทั้งหลายในในใ น, ในโบราณเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราแปลได้ะนะ ท่านเก่งกันมากเลยนะท่านบอกว่าอรหันตังสารนังคัจฉามิของเราได้พุทธังสารนังคัจฉามิอย่างเดียวแต่ท่านบอกอรหันตังสารนังคัจฉามิท่านเก่งว่าเราเยอะนะสัมมาสัมพุทธังสารนังคัจฉามิวิชาจรณะสัมปันนางสารนังคัจฉามิอนะสุขตังสารนังคัจฉามิเป็นต้นท่านท่านท่านพูดอย่างนั้นจริงๆนะในบทเวทมนตเนี่ยที่เขาสรรเสริญว่าเช่นอะไรนะพวกยอดพกันพระไตรปิดกอะเขามีคําเหล่านั้นจริงๆ ว่าแสดงว่าแล้วคําสัมเสริญว่าโอ๊ยคาถาบทนี้นะดีอย่างนั้นครั้งอย่างนี้ก็จริงอ่ะเพราะเขามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอันนี้ทําแบบคนเข้าใจนะถ้าทําแบบคนเข้าใจเนี่ยอรหันตังสารนังคัจฉามีเข้าใจว่าอารหันนี่มีความหมายว่ายอย่างไรสารนังมีความหมายว่าอะไรข้าพเจ้าขอถึงพระอรหัน์ ผู้ไกลาจากกิเลสผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสผู้หักเสี้ยกรรมแหง่งสังสารวัฏผู้ไม่มีความลับในการกระทำบาปเป็นต้นว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ภายในเบื้องหน้าเรียกว่าอารหันตังสารานังคัจฉามิสัมมาสัมพุทธังสารานังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมโดยถูกต้องโดยพระองค์เองเนี่ยนะตรัสรู้ ว่านี้ทำที่ควรรู้ยิ่งนี้ทำที่ควรกําหนดรู้ทำที่ควรละทำที่ควรเจริญทำที่ควรทําให้แจ้งขอถึงพระองค์นั้นว่าเป็นสาระก็มาเช็คดูว่าออินทรีย์ตัวนี้เป็นเหมือนกับไม่ใช่เหมือนมรรคเป็นองค์มครรคที่จะทําให้ตรัสรู้เนี่ยนะเพราะว่าสติปัฏฐานสี่อันใดสตินสินทรียในสติปัฏฐานสี่อันใดอันนั้นก็เป็นสัมมาสติ สมาธินีในสมาธินีที่รู้ฌานสีอันใดฉันใดอันนั้นแหละคือสัมมาสมาธิปัญญีนีที่รู้อริยสัจนั้นใดปัญญีเสีย น, นั้นแหละคือสัมมาทิฏฐิวิริยีนีที่เจริญสัมมประธานสีอันใดอันนั้นแหละเป็นสัมมาวายามะสัพทินีเนี่ยดูได้จากศรีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมา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 พันความที่รู้คุณแล้วเลื่อมใสในคุณผ่องใสในคุณอันนั้นเป็นศรัทธาเป็นสรัทธินรีย์พั้น ค, คนมีศรัทธาก็คือปรารถนาที่จะพบเห็นคนมีศีลเป็นต้นรักษาศีลเป็นต้นนั้นเรียกว่าลักษณะของคนที่มีศรัทธาพันการเจริญอินทรีย์ก็คือการเจริญอริยมรรคนั่นแหละพั้นการเจริญอริยมรรคก็คือการเจริญอินทรีย์เพรันการเจริญอินทรีย์เหล่านี้ก็อย่างลงสู่ อมตะอย่างที่กล่าวว่าเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานมันถ้าเจริญอินรี่ห้าวิริยินรีก็คืออะไรสัมมาประธานสี่วิริยินรีก็คือวิริยิททิบาทเจริญวิริยินรี่วิริยะพละวิริยะสัมโพชฌงสัมมาวายามะก็อันเดียวกันเจริญสตินรีก็คือเข้ากับเจริญสติประฐานสี่เจริญ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 พอที่จะบรรลุมรรคผลได้พระองค์จึงสอนสติประฐานทั้งสี่สสารจริงๆมันก็คือตัวสติอันเดียวนั่นแหละแต่ถ้าใช้คำว่าสติอย่างเดียวอา้าวปฏิบัติยังไงเอารู้นะว่าเออปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เจริญใหนเจริญสติสัมปชัญญะรู้บรรลุได้ไหมพอไหมไม่พอแล้ววิธีที่จะให้สติเกิดขึ้นได้อย่างไรอากายเวทนา จิตธรรมโอากาพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโธมันนะโ อ, อได้รายละเอียดมาเป็นสี่รู้แล้ววิธีเพิ่มเพิ่มสติเนี่ยได้อย่างไรให้สตินี่มันมากขึ้นสติเป็นซับเนี่ยนะเพิ่มอริยซัพย์คือสติให้มากขึ้นได้อย่างไรทีนี้ต่อไปอีกบอกว่ากายานุปัสนาเนี่ยนะแมมเจริญไปหน่อยมันติบมันตางแล้วพระองค์ก็สอนให้เป็นสิบสี่บพะเลยนะ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 มันก็ที่สุดแล้วหล่ะวังนั้นเถอะก็เป็นอะไรนะเป็นเรียกว่าอยู่ในพระราชวังแล้วยังไม่ได้ตําแหน่งอะไรเลยก็แปลว่าเป็นไอเตี T ้ยไอคอมแค่นั้นแหละโบราณ น, นะโบราณเขาจะเอาพวกคนเตีย้ยคนคอมคนแคะคนอะไรไปอยู่ในวังอะนะเรียกว่าอยู่ในวังแล้วไม่ได้ฐานันดร อ, อะไรซักอย่างไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลยก็มีอยู่2 อ, อย่างแค่นั้นกนะับพวกไอเตี T ้ยไอคอมอะไร ท, ท, ที่แบบอะไรนะเขาบอกว่าเขาม า, มาเอาไว้ในวงังแบบเป็นคือวังโบราณ น, นี่เขาทําอย่างนั้นจริงๆ ทำหนาะทำไมเพื่อความปลอดภัยของคนข้างในเหมือนกันนั่นะหมเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็มีไอ้คนค่อมที่เลวตกตามที่สุดอยู่ในนั้นเหมือนกันนั้นก็บอกว่าพระ อ, องค์ก็ใช้คําว่าทับพีไม่รู้รสแกงอะนะพระองค์ก็ตรัสบ่อยๆเหมือนกันทับพีไม่รู้รสแกงอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็บอกว่าโคถึกอะนะอ้วนแต่เนื้อนหนังเป็นต้นแล้วก็มาดูนะว่าพยายามอจับจับศรัทธาเอาไว้ใ ห, ให้ให้เป็นมั่นคงเนี่ยนะเพิ่มพูนศรัทธาเนี่ยให้มากๆ ถ้าศรัทธาเราเจริญเท่าใดนั่นแหละคือการเจริญสมัมมาปทานบางคนก็บอกมัวแต่เจริญศรัทธามัวแต่เพียนอยู่นั่นแหละลืมเจริญสติเอสติมแปลว่าอะไรคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆไม่ใช่สติหรือเป็นไหมคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนี่เป็นสติไหมอ้าวก็พุทธานุสติไงก็คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนั่นแหละเป็นพุทธานุสติคิดถึงพระธรรมบ่อยนี่เป็นธรรมานุสติไหม เ, เป็น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 แต่อย่าลืมว่าเอาใครเป็นเป็นมาตรฐานเอาพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานฟันพระองค์บอกว่าในมิลินทปัญหาบอกว่าพระพิสุหรือผู้เห็นภัยในวัด ต, ตะควรถือเอาองค์หนึ่งของไม้ไผ่ไม้ไผ่ลู่ตามลมฉันใดสาวกทั้งหลายก็ลู่ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพิสุสมัยก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวเรียนสูตรต่อไปจะมีเลยมหาทุกขคันธสูตรเนี่ยท่านก็บอกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลัก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 แล้วเราถามว่านั่งหลับสบายๆ บ, บนรถคันนั้นได้ไหมเพราะเขาพาเราไปสู่ที่ปลอดภัยแน่ฉันใดถ้าเราปฏิบัติตามมัตของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทาใจให้ปลอดโปรง่งโล่งใจเถอะว่าเป็นไปตามคําสอนแต่ที่สําคัญที่สุดว่าเรายังเป็นไปตามคําสอนไหมยังเจริญโ ง, ง่เงยในคําสอนไหมใจของเราไหลไปกับคําสอนไหมถ้าใจไม่ไหลไปกับคําสอนนี่น่าเป็นห่วงที่สุดอย่าลืมว่าเอ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 บุคคลเหล่านั้นก็สละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้ามากี่ชาติแลว้วผู้ที่บรรลุเป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้าได้คือคนที่ประพฤติขะตะปัจจารขะตวัรเนี่ยนะปัจจาคขตปรวัดเนี่ ย, นะะะ ว, ยวัดในการเจริญกรรมฐานไปนํากรรมฐานกลับสละชีวิตเป็นพุทธบูชามากี่ชาติแลว้วจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่พระเทวทัตที่บอกว่าเลวนักหนานั้น น, นะนะที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระประเจกในอนาคตท่านก็ถวายชีวิตเป็น พุทธบูชาเนี่ยนะเหือกลมสุดท้ายของท่านท่านก็ทําพุทธบูชาท่านก็สะละแล้วท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านเลวโดยส่วนเดียวถ้าพระเทวทัตโง่เขลานะท่านไม่ส่งพระไตรปิฎกพระเทวทัตทรงพระไตรปิฎกพระเทวทัตนนี่นะสมาบัติแปดอภิญญาห้าเนี่ยนะเพียงแต่ว่าพระเทวทัตเนี่ยไม่น้อมเจริญสัทธินรีเป็นต้นนั่นแหละอันนั้นเป็นความเสียหายของพระเทวทัตความที่ท่านผูกเวรมากับ พระพุทธเจ้านั่นแหละท่านจึงเสียหายแต่ที่แน่ๆพระเทวทัตได้รับพุทธปยากรแล้วจะได้บรรลุต่อไปข้างหน้าถ้าเทียบกับพวกเราเอาทําท่าแก่งเหลือเกินดีเหลือเกินเนี่ยนะห้ยดีจริงๆอ่ะนะถ้าเทียบกับพระเทวทัตใครดีกักนประช า, าชาตศัตรูเนี่ยเลวร้ายมากแม้ฆ่าพ่ออย่างนั้นอย่างนี้แต่เชื่อไหมพระเทวอาชาชาตศัตรูเนี่ยนะ พนจากอบายเดี๋ยวท่านก็เป็นพระปัจเจกแล้วไม่นานเท่าไหร่ท่านก็เป็นพระปัจเจกแล้ ว, ไ, นนลวไอ้ของพวกเราดีเหลือเกินเนี่ยนะอ่าดีจริงๆอ่ะไปจ่ายแล้วเนี่ยนะได้อะไรบ้างแล้วเนี่ยนะทบทวนไปทบทวนมาเอ๊ะใครมันน่าสงสารที่สุดเนี่ยนะพอมาสงสารมาเหมือนกันนะกลัวอะไรกลัวเดือดร้อนนี่ยนะมันพยายามที่จะสั่งสมศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าแล้วที่สําคัญที่สุดทํายังไงเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าจึง จะมีมากขึ้นเขามาเห็นพวกกลุ่มคาถาเวทมนต์ทั้งหลายในในในโบราณเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราแปลได้นะท่านเก่งกันมากเลยนะท่านบอกว่าอารหันตังสารนังคัจฉามิของเราได้พุทธังสารนังคัจฉามิอย่างเดียวแต่ท่านบอกอรหันตังสารนังคัจฉามิท่านเก่งกว่าเราเยอะนะสัมมาสัมพุทธังสารนังคัจฉามิวิชาจารณะสมปันังสารณังคัจฉามิ นะสุขตังสารนังคัจฉามิเป็นต้นท่านท่านท่านพูดอย่างนั้นจริงๆนะในบทเวทมนตเนี่ยที่เขาสรรเสริญว่าเช่นอะไรนะพวกยอดพระกันพระตรีดีดกเขามีคําเหล่านั้นจริงๆว่าแสดงว่าแล้วคําสรรเสริญว่าโอ้ยคาถาบทนี้นะดีอย่างนั้นครั่งอย่างนี้ก็จริงอะ่ะเพราะเขามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอันนี้ทําแบบคนเข้าใจนะถ้าทําแบบคนเข้าใจเนี่ย อรหันตังสารนังคัจฉามิเข้าใจว่าอารหันนี่มีความหมายว่ายอย่างไรสารนังมีความหมายว่าไงข้าพาเจ้าขอถึงพระาอารหันผู้ไกลาจากกิเลสผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสผู้หักซี่กำแห่งสังสารวัฏผู้ไม่มีความลับในการกระทำบาปเป็นต้นว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ภายในเบื้องหน้าเรียกว่าอารหันตังสารนังคัจฉามิสัมมาสัมพุทธังสารนังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมโดยถูกต้องโดยพระองค์เองเนี่ยนะตรัสรู้ว่านี้ทำที่ควรรู้ยิ่งนี้ทำที่ควรกาหนดรู้ทำที่ควรละทำที่ควรเจริญทำที่ควรทำให้แจ้งขอถึงพระองค์นั้นว่าเป็นสารณะขอถึงพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปใน เบื้องหน้าเนี่ยนะขอถึงพระผู้สมบูรณ์ด้วยอะไรผู้เสด็จไปดีแล้วว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้านะพูดแล้วไม่ให้เสียเวลาพาว่าเลยคำว่าว่านี่ก็คือกล่าวนะเปิดไปหน้าหน้าแปดะนะใช้คำว่าข้าพเจ้าขอถึงพระอระหันต์ผู้ไกลาจากกิเลสเนี่ยนะ การกล่าวอย่างนี้เนี่ยนะเพื่อให้สัพทินรีของเราเนี่ยกระจายขึ้นเนี่ยนะเป็นการเจริญพุทธานุสติด้วยแล้วก็เพื่ออะไรสมาทานโสตาปฏิยังฆะธรรมอ่ะนะศรัทธาของเราก็จะได้มั่นคงยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะข้าพเจ้าขอถึงพระอรหังผู้ไกลจากกิเลสว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้า ข้าพเจ้าขอถึงพระสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าข้าพเจ้าขอถึงพระวิชาจารณะสัมปันโนผู้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ ว่าเป็นสรารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าข้าพาเจ้าขอถึงพระสุขโตผูไปแล้วด้วยดีว่าเป็นสรารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าข้าพาเจ้าขอถึงพระโลกวิทู พูดว่าพูดไปอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นสารณะเป็นที่เพิ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าข้าพเจ้าขอถึงพระอนุตตรโภุริสธรรมมสารทีพูทสามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า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 ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้ว่าให้แนะนำให้เป็นตัวอย่างนะใครจะไปว่าอย่างไหนก็ได้คล้ายๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วสามารถจะเป็นแบบนี้ได้อย่างทุกคาเนี่ยนะเพราะอย่าลืมว่า อ, อริยาสาวกนี่เลื่อมใสไม่หวั่นไหวว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระองค์เป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระองค์เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกๆคำเนี่ยนะในทุกๆคำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยใจของเราไปเกาะเกี่ยวที่ไหนคือธรรมชาติของจิตเนี่ยนะท่านบอกว่าอัตถคถาดีกาท่านมักจะอุปมาว่าจิตเหมือนคนชราอารามณะปัจัยเหมือนกับไม้เทา้า น, นะคนที่จะพลุกขึ้นพยุงลุกพยุงนั่งได้ก็ต้องอาศัยไม้เท้าฉันใดจิตก็ฉะ น, นั้นจิตจำต้องมี อารมณ์อารมณ์ที่จิตควรเกาะเกี่ยวที่สุดคืออะไรจิตเนี่ยธรรมชาติว่าเกาะบางอย่างใจเศร้าหมองเกี่ยวบางอย่างใจผ่องใสถ้าเกาะกับคนชั่วใจเศร้าหมองเรื่องราวของคนชั่วมีคนชั่วเป็นอารมณ์จิตเศร้ามองทันทีสังเกตดูนะเวลาเราพูดถึงคนทําปาณาติบาตอทินนาทานเป็นต้นเราไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าตรงกันข้ามจิตเนี่ยไปโครจรระลึกถึงคนที่ อันนั้นอย่างพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกๆคําเหล่านั้นช่วยให้เราสบายใจได้ทันทีดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะยังไงก็ต้องจิตเบาจิตอ่อนจิตควรแก่การงานแล้วก็พยายามหาข้อมูลรายละเอียดในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะอย่างที่เราเรียนพระสู่ทั้งหลายเนี่ยเราเรียนเพื่อให้เห็นพุทธังสารนังคัจฉามิให้เห็นธรรมังสารนังคัจฉามิให้เห็นสังขังสารนังคัจฉามิ แต่เชื่อไหมสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาเก่งจริงเลยเขาฟังคำจบบอกว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีศในที่มืดคําว่าส่องประเทศในที่มืดเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะอันตรธานไปจากโลกไม่เคยเห็นรูปพระพุทธรัตนะเลยดังจากคําสอนอันนี้ทําให้เห็นรูปพระพุทธรัตนะ คำสอนอันนี้ให้เห็นธรรมรัตนะที่นำออกจากทุกเห็นเลยว่าผู้ที่ปฏิบัติตรัสรู้ตามนี้มีบุคคลที่เขาทำได้จริงถึงเราเองขณะนี้ยังทำไม่ได้ก็ขอที่จะปฏิบัติตามเพื่อที่จะทำตามนั้นคนสมัยแต่เก่าเขาคิดกันแบบนั้นของเราเนี่ยถ้าเราปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลเดียวกันกับคนสมัยนั้นบรรลุเราต้องฝึกให้คิดแบบคนยุคนั้นเขาเขาคิดกัน ถ้าเราปรารถนาจะบรรลุกแก่ขอคิดแบบคนสมัยใหม่ก็บรรลุแบบคนสมัยใหม่ไงแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องกล่าวจริงอยู่สังคมสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแตกต่างกันแต่พระพุทธรัตนะแตกต่างกันไหมสิ่งใดที่เป็นสัจจะเนี่ยนะสิ่งใดที่เป็นสัจจะสิ่งนั้นจะอดีตหรือปัจจุบันสิ่งนั้นก็คือสิ่งเดียวกันพันเมื่อเป็นสิ่งเดียวกันเราจะคิดยังไงให้เป็นไปตามแนวเดียวกันทิศทางเดียวกันอ คิดเหมือนกันคิดไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดเหมือนกันเราก็จะตรัสรู้ธรรมที่เหมือนกันกับท่านเหล่านั้นตรัสรู้เราต้องเอ่อต้องไม่ลืมว่าเราเนี่ยปรารถนาตรัสรู้เช่นกับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้ขอรู้ตามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอบรรลุตามธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้ขอปฏิบัติเช่นเดียวกันกับพระรีเจ้าเหล่านั้นปฏิบัติบางคนกขาบอกมันคนละยคุคนละสมัยแล้ว เออถ้ายุคสมัยนี้เปลี่ยนมาถึงปัจจุบันชรา ม, มรณะเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนโศกอะปริเทวะทุกโทมนั้นอุปายาตเปลี่ยนไปไหมบอกไม่เปลี่ยนเลยชาติชรา ม, มรณะไม่เปลี่ยนแสดงว่าสาังสารวัตไม่มีเปลี่ยนภาชนะข้าวของเครื่องใช้การสื่อสารสัญจรไปนั้นแหละที่มันเปลี่ยนที่เหลือแก่เหมือนเดิมะนะ ชรามรณะเหมือนเดิมร้องให้เหมือนเดิมโศกะปริเทวะทุกโทมนัดและอุปายาตเหมือนเดิมจะขี่เกวียนขี่รถมันก็ร้องให้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่๋วนะมันก็ไม่ได้พ้นเลยมันก็ทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหนี้ค่ากเกวียนตอนนี้ก็เป็นหนี้เรื่องรถอย่างงี้ยนะมันข้าเปลี่ยนบางอย่างไปอ่ะนะก็เปลี่ยนกันอย่างนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแหละเมื่อก่อนปวดเข่าสมัยนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ปวดที่ไหนใช่ไหมเมื่อก่อนเขาก็ปวดหัวเมื่อก่อนเขาก็หิวเขาก็เป็นเหมือนเหมือนเรานี่แหละ ชรามรณะอนาคตต่อไปนะั้นเลนล้นอะไรหลังๆไปอีกก็ชรามรณะเหมือนกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนทำเพื่อให้พ้นจากชราและมรณะให้พ้นจากชาติพัน้าเราจะปฏิบัติให้พ้นจากชาติเราก็ต้องเอาว่าพระองค์พาเราปฏิบัติอย่างไรเราจะปฏิบัติตามที่พระองค์พาปฏิบัติอย่างไรแต่ที่แน่ๆจากบทสรุปในจูลศีหนาสูดนี่ก็คือว่าเราต้องมีศรัทธาในพระตนะไตรเนี่ยนะ สัตรปาสาโทธทำเมปาสาโธมีความเลื่อมสายในพระศาสดามีความเลื่อมสายในพระธรรมแล้วก็มีพยายามที่จะทําให้บริบูรณ์ในกุศลศีลทั้งหลายแล้วก็รักใคร่พอใจในหมู่สหธรรมมิกที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งหลายซึ่งผลประโยชน์กําไรที่เกิดจากการเลื่อมใสายในพระพุทธเจ้าผู้ที่เลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไม่พ้นไปจากทุกย่อว่ามีไหม ไม่มีหรอกแต่ว่าจะนานหรือช้าอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะอะไรก็สุดแท้แต่อินทรีย์อื่นๆว่าเจริญอินทรีสีให้เต็มเปี่ยมแล้บริบูนได้ไหมถ้าเจริญอินทรีสีจนบริบูนได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยนะังจากจุลสีหหนาสูตรเนี่ยของมาอยากให้เห็นว่าการที่เราจะเลื่อมใสเนี่ยนะศรัทธาของเราซึ่งมีน้อยนิดเนี่ยถ้าเราควรจะเลื่อมใสควรเลื่อมใสในอะไรก็ในพระพุทธเจ้า ศรัทธาที่น้อยก็เหมือนกับต้นทุนที่น้อยลงผิดที่หมดเลยนะเหมือนถ้าพูดแบบลงทุนเนี่ยนะเขาบอกว่าศรัทธาที่น้อยแล้วไปลงทุนผิดที่เนี่ยหมดเลยแต่ศรัทธาที่น้อยถ้าลงทุนในพระตัตนะตรยัยมีแต่เพิ่ม นั้นมีแต่ถ้าลงในพระพุทธเจ้าลงในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนลงในสาวกที่ปฏิบัติตามคำสอนศรัทธาของเราที่น้อยนิดมันจะเพิ่มขึ้นและก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากปริตตะเป็นมหคตะจากมหคตะเป็นอัปปามานะอัปปามานะนั่นแหละที่เรียกว่าเป็นโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมก็ยังเพิ่มจากระดับ สโสดาปฏิมรักเป็นสกทาคามีมรักเพิ่มจากสกทาคามิมรักเป็นอนาคามิมรักเพิ่มจากอนาคามีมรักเป็นอรหัตตมรักเนี่ยนะถ้าทำอรหัตตมรักได้ผลแห่งอรหัตตมรักก็คืออรหัตผลก็ทําที่สุดแห่งทุกได้สัทธาที่เราเพาะลงไปเนี่ยนะความเลื่อมใสของเราทั้งหลายที่ยังลงในพระศาสนาสัทธาเป็นต้นเหล่านี้ก็เรียกว่าจเจริญแล้วเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อ พระนิพพานมันการปฏิบัติก็อยู่ที่ใจของเราทั้งหลายปฏิบัติได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ใจของเราจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็อยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นให้คะแนนเองกัแล้วกันปิดอบายก็ปิดได้เองเป็นเรื่องเฉพาะตนตรัสรู้ก็ตรัสรู้เองเป็นเรื่องเฉพาะตนแต่ปฏิเสธคนอื่นไม่ได้ช่วยเหลือกันได้อย่างอาหารเราทานแทนกันไม่ได้แต่ช่วยช่วยจัดอาหารให้กันได้ไหมได้ถ้าเป็นพ่อแม่ยังเคี่ยวเผื่อลูกได้แต่ว่าไม่ได้กลืนแทนนะ เคี้ยวแทนได้ น, นะเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยนะเพราะไม่ได้เคี้ยวเองเนี่ยแม่เคี้ยวให้เคี้ยวแล้วเอามาป้อนให้ได้ช่วยเคี้ยวกันได้แต่ว่าช่วยกลืนไม่ได้คนละท้องแล้วเนี่ยนะพูดไปใครไม่เคยกินอาหารกินข้าวจากคําของแม่มั้งนะไม่ยกมือเลยนะถ้าหาว่าไม่ไม่บรรลุมรรคผลนะก็จะไปไหนแต่ว่าสมัยนี้อาจจะว่าอาจจะเข้าให้ดื่มอย่างอื่นทานอย่างอื่นไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นเลี้ยงลูกแบบไทยๆบุกแต่ก่อนก็ ทำอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้น ก, ก็อย่างนี้แหละช่วยเหลือกันหลายๆอย่างได้หาอยู่หายาให้กันได้แต่ว่าใช้ยาแทนกันไม่ได้เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายซื้อมาฝากกันได้แต่ว่านุ่งห่มแทนกันไม่ได้นอนหลับแทนกันไม่ได้แต่ก็ช่วยเหลือกันได้แต่ว่าในด้านคุณธรรมและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้แต่ว่าจะทําแทนกันทั้งหมดไม่ได้ก็เหมือนอาหารเนี่ยนะแม่ครัวเขาจัดแต่งให้พวกเรารับประทานได้แต่แม่ครัวจะอิ่นแทนเรา ไม่ได้เพื่อเราไม่ได้แต่ถ้าจะภายนอกนะั้นจัดแต่งกันได้การศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบรรลุแทนเราไม่ได้แต่พระองค์ก็แนวบอกแนวทางบอกหนทางบอกข้อปฏิบัติทั้งหมดให้แก่เราแล้วส่วนที่เหลือว่าเราจะทําอย่างไรที่จะเป็นไปตามอย่างที่พระองค์ประสงค์เนี่ยนะเพราะพระองค์ประสงค์ว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเหมืนพระองค์ดับทุกข์แล้วจะให้ผู้อื่นดับทุกข์ด้วยเัมนของเราก็ พระองค์ตกแต่งคําสอนเอาไว้ให้หมดแล้วที่เหลือว่าเราทํายังไงจะตรัสรู้อย่างที่พระองค์อยากให้เราตรัสรู้เนี่ยนะสิ่งที่ยากๆเนี่ยพระองค์หมายก็ว่าอาหารเหล่าใดที่มันหายายากๆพระองค์หามาวางไว้บนโต๊ะให้หมดแล้วพระองค์ฉันใดก็ดีคําสอนเนี่ยโพธิปัจจะธรรมที่ต้องเลือกเฟ้นโดยคนที่สร้างบารมีจนเต็มเนี่ยนะเขาทําได้บัดนี้คําสอนเหล่านั้นก็มีแล้วส่วนที่เหลือทํายังไงที่จะเข้าใจและปฏิบัติตาม ที่จะรู้ตามเห็นตามมันทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อรู้ตามเห็นตามและพิจารณาตามให้ใจเนี่ยไหลไปตามทิศทางของคําสอนอยู่ตลอดเวลาเพราะอย่าลืมว่าสัตหินรียอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อ ม, มะตะมีอ ม, มะตะเป็นที่สุดเปรียบเหมือนแม่น้ําสายใหญ่หญทุกสายไหลลงไปสู่ทะเลฉันใดศรัทธาที่มีต่อพระธรรมไตรที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วก็อย่างลงสู่ อนิพพานเป็นที่สุดมีอ ม, มะตะนิพพานเป็นที่สุดนั้นก็คุณธรรมกุศล ธ, ธรรมที่เราทั้งหลายได้เจริญแล้วก็ขอจงเป็นไปเพื่อแต่สรุปธรรมเป็นที่สิ้นทุกตามพระพุทธเจ้าโดยทั่นกันก็ขอให้เจริญด้วยศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปนะขอถึงพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ภายในเบื้องหน้าเนี่ยนะขอถึงพระผู้สมบูรณ์ด้วยอะไรผู้สเสด็จไปดีแล้วว่าเป็น สารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้า น, นะพูดแล้วไม่ให้เสียเวลาภาวะเลยคาว่าว่านี่ก็คือกล่าวนะเปิดไปหน้าหน้าแปดนะใช้คำว่าข้าพเจ้าขอถึงพระอรหันต์ผู้ไกลาจากกิเลสเนี่ยนะการกล่าวอย่างนี้เนี่ยนะเพื่อให้สั์ทินซีของเราเนี่ยกระจายขึ้นเนี่ยนะเป็นการเจริญพุทธานุสติด้วยแล้วก็ เพื่ออะไรสมาทานโสตาปฏิยังคะธรรมอ่ะนะศรัทธาของเราก็จะได้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะข้าพเจ้าขอถึงพระอระหังผู้ไกลจากกิเลสว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าข้าพเจ้าขอถึงพระสัมมาสัมพุทธา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 ว่าเป็นสารณ ะ, ะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบ Il ื้องหน้าข้าพเจ้าขอถึงพระสุขโตพู Learn ไปแล้วด้วยดีว่ า, าเป็นสารณ ะ, ะเป็นที่เพึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบ Il ื้องหน้าข้าพเจ้าขอถึงพระโลกวิทู ผูดว่าพูดไปอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นสารณะเป็นที่เพึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าข้าพเจ้าขอถึงพระอนุตโรโุริสธรรมมสารีพูทสามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า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 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกๆคําเนี่ยนะในทุกๆคําเนี่ยนะเพราะนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยใจของเราไปเกาะเกี่ยวที่ไหนคือธรรมชาติของจิตเนี่ยนะท่านบอกว่าอัตถกถาดีกาท่านมักจะอุปมาว่าจิตเหมือนคนชราอา ร, มรามณปัจจัยเหมือนกับไม้เทา้า น, นะคนที่จะพลุกขึ้นพยุงลุกพยุงนั่งได้ก็ต้องอาศัยไม้เท้าฉันใดจิตก็ฉันนั้นจิตจําต้องมี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 เชื่อไหมสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาเก่งจริงเลยเขาฟังทำจบบอกว่าจแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าเหมือนหงายของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดคําว่าส่องประทีปในที่มืดเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะอันตรทานไปจากโลกไม่เคยเห็นรูปพระพุทธรัตน์เลยดังจากคําสอนอันนี้ทําให้เห็นรูปพระพุทธรัตน์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 คำสอนศรัทธาของเราที่น้อยนิดมันจะเพิ่มขึ้นและก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากปริตตะเป็นมหคตะจากมหคตะเป็นอัปปามนะอัปปามานะนั่นแหละที่เรียกว่าเป็นโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมก็ยังเพิ่มจากระดับโสดาปฏิมักเป็นสกทธาคามีมักเพิ่มจากสกะทธาคามีมักเป็นอนาคามีมักเพิ่มจากอนาคามีมักเป็น อรหัตตะมักเนี่ยนะถ้าทำอรหัตตะมักได้ผลแห่งอรหัตตะมักก็คืออรหัตตผลก็ทําที่สุดแห่งทุกได้นั้นศรัทธาที่เราเพาะลงไปเนี่ยนะความเลื่อมใสของเราทั้งหลายที่ยังลงในพระศาะสนาศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้ก็เรียกว่าจเจริญแล้วเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานมันการปฏิบัติก็อยู่ที่ใจของเราทั้งหลายปฏิบัติได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ใจของเราจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็อยู่ที่